เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมะปฏิบัติทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันวันข้าบูชาในวันที่เราจะได้มาปฏิบัติบูชาด้วยการสนรทนาธรรมกันถามตอบคำถามกันใครสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมได้ไม่มีข้อจำกัด ถ้าไม่มีคำถามก็ดูผ่านทางไลฟ์สดทาง y o u t u ู e และเฟ e b o ๊ k ได้ถ้าอยากจะถามก็ต้องเข้ามาในเสมออันนี้เราจะเริ่มที่คุณดิษยาก่อนนะครับดิษยาขอมาร่อนเพื่อนนะนมัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่นาราธิวาดค่ะไปเข้ามาเด้ยัง เคยเข้ามาแล้วค่ะตองสาครั้งค่ะวันนี้มีคำถามอะไรั้มวันนี้ไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะมาแล้วร่วมแล้วฟังด้วยใๆค่ะนียินดีดดดต้อนรับไปที่ท่านต่อไปเลยสุนติตาอยากขอธรรมกลับมามาสักการค่ะท่านอาจารย์เมื่อวานหนูเห็นมีท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับ mental fabrication อะค่ะท่านอาจารย์หนูเลย อยากรู้ว่าอันนี้คือการปรุงแต่งของจิตซึ่งคือสังขารในขันห้าหรือเปล่าคะใช่ mental fabrication mental กับจิต fabrication ก็คือการปรุงแต่งของจิตก็คือตัวสังขารค่ะอาจารย์คะคือการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเราบางทีก็ก็เป็นการปรุงแต่งโดยตัวเราปรุงแต่งขึ้นมาเอง้วยก็ได้หรือว่า จะเป็นแบบสิ่งที่มันขึ้นมาเองแบบเราควบคุมไม่ได้เช่นความฝันหรือนิมิตก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ตัวเดียวกันนะถ้าเรามีสติแล้วก็ควบคุมมันได้ไม่มไ่ช่วงั้นไม่มีสตินะครับมันก็ปบงแตกไปตามบนตามกรรมของมันค่ะก็คือถ้าคนที่อย่างภาวนาที่แบบเห็นมีนิมิตเห็นภาพขึ้นมาก็คือแบบตอนนั้นจะสติอ่อนอย่างเงี้ยละค่ะสติอ่อนแล้วทำให้เกิดบงแตกได้ ถ้าสติแข็งมันก็จะมันก็จะว่ามันก็จะไม่มีอะไรอ๋อถ้าอยากเจอไม่ไม่อยากเจอนิมิก็ต้องมีสติเยอะๆใช่ไหมะเดออ่ดูลงไปเรื่อยๆถ้าดูลงไม่ทิ้งลงมันไม่ขึ้นอย่างไหนก็ไม่ขึ้นเลอพุโทโธไปไม่ทิ้งพุโทโธมันก็ไม่มีช่องว่างที่ทำให้มันขึ้นมาได้อ๋อได้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากค่ะคุณนันทพัฒน์ต่อขอทมองเหมือนกัน การนมัสการเจ้าข่าพระจานทร์ค่ะมีอะไระไหมก็มีเจ้าข่าพระอาจารย์เมื่อวันเสาร์คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดอาการที่เป็นทางสมองอะคะอ่ะอ่าความปวดค่อนข้างแรงลูกก็เลยภาวนาคือมันอันหนึงมันขึ้นมาไม่แน่ใจเพราะฟังภาษษษษษ่าวภาษาอังกฤษพระอาจารย์บ่อยหรือเปล่ามันบอกว่าซุนเนอะ ซูเนอร์เอาเลเอ you have to get sick and die ค่ะพระอาจารย์มันก็ท่องอันนี้อยู่ในใจอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วลูกก็ก็มีสลับกับแบบก็ยังมีอารมณ์แบบว่าขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเจ้าค่ะแต่ก็ก่อนนอนก็เลยตั้งใจว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่เป็นอะไรไปหรือไม่ตื่น mm hmm. ก็จะจะจะนึกถึงว่าเราจะตายได้ไหมก็ทบทวน เราก็ไม่มีอะไรติดค้างใครเพราะเราทําอะไรเราทําเต็มที่อะค่ะพระอาจารย์ในขณะปัจจุบันแล้วก็กับทุกคนทําดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรติดค้างก็เลยยอมตายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้แต่งตัวให้เรียบร้อยพร้อมที่ถ้าใครมาเจอตอนเช้าก็จะได้ถ้ามันต้องตายจริงๆก็จะได้แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็พยายามท่องคุชโทแล้วก็ที่บอกว่าจะต้องตายอะค่ะไป ไปจนจนกว่าจะนอนหลับเพราะว่ามันมีอาการปวดก็เลยกว่าจะนอนหลับก็านานเหมือนกันเจ้าขาะอาจารย์แล้วก็แต่ก็หลับไปได้พอตื่นขึ้นมาก็อ่ะตื่นขึ้นแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าจะไปรักษาณเจ้าขาะอาจารย์ตามตามอาการอย่างเงี้ยเจ้าขาะอาจารย์ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ก็ก็เป็นเรื่องดีที่พอเราป่วยมีอาการรุนแรงนิดนึงทาให้เรานึกถึงความตายก็ก็ ค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้พิจารณาความตายเจ้าค่ะอาจารย์ความจริงมันไม่ควรจะไปกังวลกับไื่องว่าเราทําอะไรครบเรือยงในตอนนั้นนะควรจะพิจารณาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพื่อรับเพื่อทำใจให้สงบให้อยู่กับความเจ็บปวดนั้นได้จะสัำคัญกว่า แต่ก็ถ้าพิจารณาความตายแล้วทําให้จิตสงบยอมรับความเจ็บความตายได้ก็ใช้ได้เป้าหมายก็คือให้จิตเราสงบนิ่งเฉยเป็นโอเบคาแปลว่ากับความตายที่จะมาที่จะมาไม่ถึงหรือกับความเจ็บปวดที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันน่าจะกว่าจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกันหลักก่อน ค่ะแต่พอดีลูกพยายามพูดโธมันเอาไม่อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอนึกถึงว่าว่าเรายอมตายไหมมันก็สงบลงได้ระดับหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำให้นอนหลับได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้อาจจะใช้มามนาะนสติเป็นตัวมาแล้วครับความทุกเกี่ยวกับความเจ็บปวดของร่างกายก็ได้คต้องดูปัจจุบันเป็นหลักนการปฏิบัติไม่ต้อยเกินกว่าันเวลาตายไปแล้วเขาจะมาเห็นเราแกล้งผ้าหรือไม่ไม่ใช่ <laughs> เห็นก็เห็นเลยเนีมันก็ไมร้ทุกคนนะไม่ต้องไปกังวลใช่ไหมเ้ไม่ต้องไปกังวลรอกขอบคุณนะคะแต่ก็ดีอ่ะถ้าเรายังเรายังร่าสวยน่าดามยังรากดไม่อยากให้คนเขาเห็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องมาแต่งศพอยู่ดีใช่ไหมคนตายแล้วเขาต้องแต่แต่งศพแต่งเสื้อให้ว่ายังต้อง ล้วต้องไปเปิดตัวให้เขาลดน้ำสมองอย่างเงี้ยอ๋อใช่จ้ะค่ะบางทีมีคนมีคนเข้ามาแต่งศพให้อย่างโยมแม่เราเนี่ <c oughs> เวลาเสียมีคนมาสาสมัรมาแต่งหน้าให้ทำผมให้ขับศพ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วร่างกายเราทิ้งมันแนละ้วเวลาตายใครจะไปทำอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราในาขณะปัจจุบันปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ควรไปกังวลกับมัน ให้ ม, มันอยู่ประมาณเพราะไม่ใช่ตัวเราใะ้เราคิดอย่างนั้นจะดีกว่าให้ให้คิดแบบเอาเอาปัจจุบันอย่างเช่นถ้ามันมีปวดก็ดูปวดแล้วก็ให้ให้ไม่ต้องกังวลหน้าหรือหลังเลยใช่ไหมเจ้าค่ะให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันนี่งอยู่กปัจจุบันค่ะแต่ความตายนี้มันถึงแม้จะเป็นอนาคตแต่มันก็อาจจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมันเป็นตายรักที่เราสามารถนำมาใช้ ถ้าทำให้ใจที่วุ่นวายทรมานกับความเจ็บปวดหายได้ก็ก็ใช้ได้ขอให้ดูคนนี่ละกันใช่เราตอนนี้เป็นยังไงทรมานกับอาการเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายหรือเปล่ากังวลกับความตายหรือเปล่าถ้าเราใช้ความตายมาเป็นเป็นตัวทําให้มันจิตยอมแล้วแล้วก็สงบตัวลงได้ก็ไม่ก็โอเคจะขาดไปจ ากาปฏิบัติเราต้องเอาปัญหาปัจจุบันเป็นหลักปัญหาที่เกิดข้นเนหลักแล้วก็เมื่อคืนที่ฟังพระอาจารย์คุยกับท่านที่เป็นชาวต่างชาติเจ้าค่ะ ล, ลูกชอบแล้วก็ติดใจที่พระอาจารย์บอกเขาว่า g e n t ร e pushing ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ gentle pushing ก็คือ ให้ให้อยู่กับการปฏิบัติที่เป็นกลางใช่ไหมเจ้าคะเขะอาจารยหรือยังไงนะจ้าก็ก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่นุนแรงแต่ก็ไม่ไม่ย่อหย่อนจะว่าเป็นการก็ได้คือคือเราต้องผักเราแต่แล้วอยาไปผักตัวเราจะข้างมันเกิดอาการเครียดขึ้นมาเพราะถ้าเรา เราเพ่งมากหรือมุ่งมั่นมากจนเครียดมันก็ถือว่าไม่ใช่ทางที่ถูกแล้วใช่ไหมมันตึงไปแล้วมันตึงไปแล้วเราก็ต้องหย่อนเอาลงมาแต่ถ้ามันหย่อนเกินไปจนขี้เกียจก็ต้องเอาพุชมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเออทำดัถ้ามันหย่อนแล้วมันปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลอะไรก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากหนึ่งให้หนักขึ้นตจ้าขาผ่าจัด ค่ะสำหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์จ้ะ <Okay. S 2> ไปที่กรุงสาตกากรุงเทพใช่ไหมคุณศารกาอ่ายังไม่เปิดไมย่ยังได้ป<ช>นาครับอาจารย์ใช่นาใช่น okay. <ส>าวันนี้่าร่วมรับฟังธรรมค่ะอาจารย์นนปฏิบัติขอเรื่องค่ะค่ะ ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์คือไอ้พวกฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะอาการโกรธหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงมากค่ะค่ะทําใจเราอยู่เฉยๆค่ะไม่มาวุวกับใครไม่ต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ไม่มีค่ะวันนี้ร่มรับฟังธรรมค่ะพระอาจารย์โอเคนยินดีเชจายินดี ก็ไม่มีอะไรไม่มีเหมือนเดิมเลยไม่กระส่งความคิดถึงมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บอลสองเต้เหมือนเดิมค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าจาะไปลงโบล์มไฟ่นานๆค่ะถ้าาจะสาธุสาธุค่ะอะรที่เป็นสมพรค่ะเป็นสมพรต์คาตมารใช่ไหมเป็นสมพรต์ระยอแคปจังหวัดระยองค่ะครับ เอก็ออเรียนถามพระอาจารย์ได้หนึ่งในช่วงนี้นี่การมีความฟุ้งซ่านค่อนข้างเยอะมากนะการฟุ้งซ่านโดยเราจะใช้พุทธโธหรืออนาปนาสตินี่ือบางทีมันก็เอาไม่อยู่ก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเราจะใช้ใช้กรรมฐานประเภทพิจารณาธรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพิจารณาในปฏิจจสมุ ป, ปบาทอะไรพวกเนี้ยก่อน เพื่อให้จิตหายฟุ้งซ่านแล้วค่อยกลับมาพุทโธหรือว่าหรือพุทโธอันนี้อันนี้จะจะจะดินไหมครับอ่อก็ลองดูเสิคุณเป็นผู้ปฏิบัติคุณก็ต้องลองกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่อิ่มลรากินข้าผัดดีไหมนะเพราะว่าไปบารตลิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแอ่ถ้าคิดไปทางปัญญามันก็ใช้ได้กลัวมันจะไม่ไปทางปัญญากวาจะถูกพิเเดินไปให้ฟุ้งซ่าน ยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ตอนต้นกาคิดว่าจะพิจารณาทำยิ่งไปยิ่งมาเอ้าไปกัวงวลกับเรื่อง ค, คนนั้นเรื่องคนนี้ครับในมีปัญหาว่าเวลาพิจารณาเราสามารถดึงให้มันอยู่ในกรอบของธรรมได้ไหรือปล่าแล้วทําให้ทําที่เราพิจารณาทำให้จิตเราสงบได้ไหร้อปล่าก็ลองดูผลมันคือต้องถ้าอยากจะสงสัยก็ต้องลอครับ เราไม่สามารถที่จะมาต อ, อ, อ้ตอขอเรียกถามถ้าอาจารย์นี้คำว่าวิตกวิจารเนี่ยมันมันจาเป็นจะต้องเป็นกรรมฐานที่สี่สิบองค์ไหมก็กรรมฐานาที่เราใช้อยู่ในตอนที่เราภาวนาเออถ้าเราดูลองแล้วก็ติกกระตามอยู่แคาเรื่องลงอย่างเดียวครับกับวันวันนี้เสียงครับ พ อ, พอดีวันนี้เสียงเสียงกัดกาดหายหายก็กกเดี๋ยวผมจะลองทดลองใช่ลองทดลองดูนันเพราะการปฏิบัตินี่มันลองผิดลองถูกได้แต่ว่าให้ให้ให้ให้ดูผลที่เรารองว่ามันดีไหมมันถูกมันได้ผลดีไหม <c oughs> ถ้าไม่ดีแล้วก็อย่าไปใช้มัน หรืองทีเราก็ยังอาจจะใช้ไม่ถูกมันก็เลยยังไม่ได้ผลก็ได้นันมันก็การปฏิบัติมมันก็ต้องอาศัยประสบการสอนตัวเองไปในตัวด้วยนะหายไปแล้วมันสมพลสัญญาณจะสัญญาขาดไปที่อาจารย์พบวิไล อ, า, อ า, าจารย์พบวิไลคอทามอกรับนำมัตการค่ะอาจารย์ เป็นยังไงมีอะไรไหมค่ะวันนี้นมัมสุการพระอาจารย์ครับค่ะวันนี้ได้ติดตามดูผู้คนมากมายไปใส่บาตรนะนะคะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบคนเห็นแปดโมงครึ่งแล้วยังยังไม่ได้กลับวัดใล่แโมงครึ่งมครึ่งประมาณเกือบสองั่วโมง สองชั่วโมงคนไม่ขาดสายเลยเดินตลอดทางนี้ไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างเลยคนยืนแถวตลอดระยะเกือบสองกิโลมีเรามีฝนปลอยๆด้วยนะคะวันนี้ช่วงปลายๆช่วงปลายๆนิดหน่อยอนนี้เดียวเหมือนกับเทวดามานุโมทนามารถนำมนได้ผมคนมีความเพิ่มพิติมากในการได้ไปเสวยบัทแต่ว่าอีกสักสองสมอาทิตย์จะได้มีโอกาสไป ไปตักบาทพระอาจารย์ค่ะเชิญจะมาไดทุกวันเพราะการเป็นตบาตนี่ถือเป็นกิจวันสําคัญไม่ไม่ขาดนอกจากไม่สบายนะค่ะก็คงในช่องสำมทิศนะคะได้ไปค่ะวันนี้ไม่มีอะไรอะค่ะก็มานรักฟาันทบุญสบายดีนะสบายดีครับพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าก็ได้เห็นในทีวีครับติดตามดูมันอยู่ค่ะโอเคนะ อธิษฐานนะอธิษฐานน้โมอาจน้โมอีูที่ไหนจำไม่ได้น้ำโมยุงเทพใช่ไหมใช่ครับพระอาจารย์อยู่กรุงเทพครับวันนี้มีอะไรไหมมีครับพระอาจารย์วันนี้ผมก็พายายมาฟังพระอาจารย์นะคะอ่าดีธรรมชาผู้ใหญ่พาเด็ก น, นี่เด็กพาผู้ใหญ่มานะแต่อันเด็กนี่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เล่นนะเนี่ย <c oughs> จริงๆชวนคุณแม่มาแล้วครับแต่คุณแม่ต้องไปซื้อของครับพระอาจารย์เ อ, อพระอาจารย์ครับอยากจะขอเทคนิคจากพระอาจารย์นะครับคือเวลานั่งสมาธิอะครับคือกายสงบแต่ใจมันไม่สงบอะครับพระอาจารย์จะต้องมีเทคนิคอะไรยังไงที่จะทําให้ใจเราสงบได้ไหมครับถ้าเรายังดูลมไม่ได้มันยังไปคิดเรื่องนี้นั่งนี้อยก็สวดมนต์ไปแทนสวดมนต์ไปภายในใจส ว, วดตทดีตีพิโสได้ไหม หัดสวดดูอิติปิโสอร h n สมาสุสวากาตสุปัติปะโนสวนบดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสา ม, มัญคุณสวดได้จบสวดได้ขอบ้าน้ก็สวดอีกขอบสวดไปเรื่อยๆจนปาจิตจะนิ่งจิตจะกลับมาดูลมได้ไม่ไดคิดเรื่องาต่างๆได้ต้นต้นขยันสวดครับสวดในใจไม่ต้องออกเสียง อยู่ในถ้านั่งสมาธินะนั่งสมาธิไปแล้วก็สวดถ้าดูลไมไล้จิตมันคิดด้วยก็ทำทมันท า, า, ามาัน ม, มาคิดบทสวดมนทแทนวเรวาจะสวดอย่างอื่นก็ได้พุทธังฌานกชามิทำบางฌานกชามิอะไรพระอาจารย์ครับแล้วเวลาเดินชงโกลนี่เราเอาความรู้สึกไปรู้ตรงส่วนไหนหะครับ ก็สวดมนต์เดินเดิ น, ดนสวดมนต์ไปก็ได้ท่านใจเราไปอย่างอย่างอย่างคิดนนคิดนี่อยู่ก็เดินสวดไปถ้าเหนื่อยไม่อยากจะสวดก็ดูเท้าไปไม่ก็ฝึกลูกเสือถักเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปถักเท้าดูเท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้ใจไปคิดแล้วหยุดได้ครับลองทํำดูนะ ดอสวดมนต์ไปก็ได้หรือพุโทโธไปก็ได้แต่อย่าดูลมลมดูยากตอนเดินนะจะดูลมนั่งดูตอน น, นั่งจะดีกว่าถ้าดูลมตอนนั่งเขาดูไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อ น, นโอเคลราทำดูนามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงโอเคมุนปุญญาโ น, นตตา อ, อ่ะมุนุญญาโนเน ยังไม่เปิดเลยไหมขอเปิดได้รูปแบบนมำสการค่ะพระ อ, อาจารย์วันนี้หนูไม่มีอะไรคะ่ะก็มารับฟังค่ะโอเคเมื่<ฮ>อกี้ลืมถามนโมว่าคุณยายอยากจะถามอะไรบ้างนโมคุณยายอยากจะถามอะไรบ่าพอดีว่าคุณยายท่านไม่มีคําถามอะไรคะ่ะพระอาจารย์ไม่มีนะโอเคเราก็ฟังไปก่อนนะเดือนต่อไปอาจจะมีอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามได้คุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเอก การน้อมสักการพระอาจารย์ครับอวันนี้ไม่มีครับเข้ามาร่วมรับฟังเอวันนี้จะปฏิบัติบูชาบางวันมาค้างบูชาอ๋อวันนี้วันนี้เหรอครับก็ก็บางวันเขาเขาเขาเขาปฏิบัติทั้งคืนก็ในสัตว์ที่เราเลยนี้ครับก็ปอดีพอดวัติใกล้ๆนี้พอดีท่านท่านยังปิดอยู่ครับพระอาจารย์เราก็ปฏิบัติของเราเองไม่ต้องไปยุ่งกับวัดก็หลงเดี๋ยวก็วัด แล้วก็ที่ไหนครับปฏิบัติได้ไม่ได้อยู่ที่ที่ทําไมปฏิบัติที่บ้านอย่งเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูครับอาจารย์ถ้าหลังจากเสร็จนี้แต่ว่าปกติผมก็ปฏิบัติอยู่แล้วฮะปฏิบัติต่อนื่องอยู่แล้วครับอาจารย์ทั้งเอ่อช่วงค่าแล้วก็ตอนเช้าะครับช่วงนี้ก็อยู่กับเวทนาได้ครับอาจารย์จนจนครบชั่วโมงที่ตั้งไว้ครับอาจารย์อัเดียวอยู่กับความง่วงนอนได้ป่ะ่วงความง่วงโดยตัวนี้ครับคืนนี้ครับ ก็นนีะจะลองดูครับอาจารย์ในพระอาจารย์พัาแล้วน้อมน้อมปฏิบัตินะครับอาจารย์ก็ลองดูว่าจะอยู่กับความ ง, ง่วงได้มั้ยนะตาผมเพราะมั น, นมีเป็นบางวันครับอาจารย์เออผมอยู่อยู่กับเอเวทนาครับบางวันมันอยู่ได้แล้วก็จิตมันมันคือมันเจ็บมันผ่านเจ็บไปแล้วจิตมันมันเหมือนมันพยองครับอาจารย์มันเหมือนกับว่าเจ็บแค่นี้หรือว่ามันมันแค่นี้หรืออะไรประมาณนี้ยอาจารย์บานทีก็ <ไ>ที่นี่เราดังงสู้ว่าความง่วงดูความง่ว ง, งก็มนันเหมือนกันออกแล้วอา่อ า, อานแล้วอ่านไม่ได้ก็จะตึงขึ้นมาเลยรกำลังง่วงสุดๆนี้แล้วเราไม่ยอมง่วงกับมันนี่ด่ไลนไปด้เรื่อยๆด่าจงกมไปได้แรื่เดี๋ยวเดี๋ยวมันหายง่วงมันสว่างขึ้นมาเลยครับครับเ ด, เดี๋ยวคืนนี้ครับพระอาจารย์น้อมปฏิบัติครับไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่าก่อนจะเต็มที่อะครับพระอาจารย์ครับครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันสําคัญต้องทําอะไรพิเศษห่อ ครับผมครับผมชามีภาพนั้นตั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเราไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นแฟนครับไม่อยากจะเปจอยเขาเลยไม่อยากจะเป็นเออครับครับครับผมครับผมครับผมได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้จะจะลองดูครับอาจารย์ครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับครับทุกน้องพี่เชน้องนี่ญาติโมก็รูปทาบุญกันมาเยอะแยะนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะ ครับธรรมศ า, กการ์พระอาจารย์ครับวันนี้โยมไม่มีคําถามอะไรครับพระอาจารย์แต่ก็โยมได้น้อมนํำคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติการศีลภาวนาอย่างต่อนเนื่องครับพระอาจารย์แล้วก็มีความศรัทธาในคําสั่งสอนของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงทําให้มีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับพระอาจารย์ว่า จะเป็นหนทางในการดับทุกและการลดผลอยากมีว่าใจเกิดครับปอาจารย์เริ่มเร่งสัมผัสกับผลนั่นไหมอย่าง ก, าก็ได้ได้ปฏิบัติบริการพุทธโตทุกครั้งที่ตั้งแต่เช้าจนคือจนนอนแล้วก็พอมีเวลาก็จะพยายามนั่งสมาธิตื่นเช้ามาเข้ามานั่งสมาธิสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยพระอาจารย์ ก็รู้สึกว่าใจก็สงบมากขึ้นแต่ว่าก็ก็ฟุ้งซ่านน้อยลงแต่ก็ยังยังได้ไม่ไม่นิ่งเที่พยายามใช้พุทโธอยู่ม่องยบอย่าปล่อยครับอาจารย์แต่ก็จะฟังธรรมธรเทศนาครับสังสอนของพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็อ่านธรรมะจากในเฟ e b o o k ของพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ทำให้เข้าใจในชีวิตมากขึ้นครับว่า ในอดีตที่ผ่านมาเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้เราก็มารู้ว่าอ๋อเป็นเพราะความโมหะอวิชชาของตัวเองที่หลงผิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆครับตอนนี้ก็เลยตั้งใจรักษาศีลห้าแล้วก็ศึกษาธรรมะกับสังสอนจากพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาอย่างสูงกับพระอาจารย์ครับก็ไม่มีคำถามอะไรครับวันนี้มากราบพระอาจารย์แล้วก็ มาร่วมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับสาธุค่ะพอไปที่ท่านต่อไปคุณหมอภาสนาอันนี้หมอฟันธรรมาสัจจานาตพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินนะคะ ไปแต่ใกล้ uh, หน่อยเข้ามาใกล้กลับกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็อุววัตท่านคนเพียบเต็มเลยเพราะว่าวันเกิดคือวันเกิดของพระอาจารย์นิพพานะคะวันเสาร์แล้วท่านก็ในสัญชิตรวจมณิข้ามคืนแต่ตัวเองไปวันอาทิตย์เสียดายจัง <laughs> ก็คือไปถึงวันอาทิตย์ก็ได้สนทนากับท่านเล็กน้อยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะก็ก็เอาเอาอาหารอะไรไปเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเอออยากจะไปทําบุญทันด้วยแล้วก็เจอเจอเควนเขาคือเรียกเรียกสั้นๆว่าเควนนะนะคะพระอาจารย์ก็ยังอยู่แล้วก็เขาบอกว่าจะยืดเวลาไปด้วยนะคะพระอาจารย์ อาจจะยืดเวลาให้อยู่อยู่เพิ่มขึ้นไม่กลับไมีนะ้าไม่นะ้าไม่กลับเลยไปค<ม>่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็ย้ายมาอยู่กุฏิสนซ่อมตัวเองไม่เคยเห็นกุฏิสวนซ้มเขาบอกว่ามันอยู่ห่างห่างออกไปแล้วเขาไม่ต้องไปห้องครัวแล้วก็คือว่าอยู่ในกุฏิสวนส้มอย่างเดียวเลยไม่ไม่อ ย, อยู่คนเดียวได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็่<ม>าค่ะก็ก็ดูเขาก็สู้สู้อยู่ค่ะพระอาจารย์ ก็ได้คืยออกับเขาไม่ไมไ่ได้ได้นิดหน่อยเพราะว่าพอดีพ า, พ, าพาคุณพ่อกับ น, น้องสาวไปด้วยไงคะไปพาไปจะพาไปสนทนาธรรมด้วยก<ม>็คือพาไปทั้งบ้านพระอาจารย์ค่ะพยายามให้ทังบ้านไปได้ลูกสาวไ ป, ปด้วยสะพาเป็นมากุเทนค่ะลูกสาวไปด้วยไปหมดเลยก็ลูกชายพอดีติดเรียนอยู่ในหอไม่งั้นก็จะหาไปก<ม>็ตั้งใจทําก่อนพระอาจารย์เพราะว่าพอเราทําเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยพอมันเริ่มเห็นผลเรา มันเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนในบ้านก็เริ่มตามมาเนี่ยน้องสาวก็เพิ่งกลับจากเขาชีโอนนะคะพระอาจารย์พอดีก็มีคําถามค่ะพระอาจารย์มีคําถามนิดนึงก็คือว่าพระอาจารย์คะอวิชชาปัจจญาสังคาราแปลว่าอวิชชาเป็นทําป็นตัวให้เกิดอวิชชานี้มันคือสัมมามิจฉาทิฏฐิกับกับพวกกิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่เราต้องเอาออกให้หมดอวิชชาคือความหลงเรื่องความไม่รู้ ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วมันคือกิเลสด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่เราเป็นเป็นเจ้าของกิเลสเป็นเป็นราษเ์เาของกิเลสความโลภความอะไรก็มาจากกุศลถ้ า, ถามีาปัญญามันก็จะไม่โลภเพราะมันมันจะเห็นว่าโลภจะทําให้ใจทุกข์แต่นี่ไม่เห็นเห็นว่ายิ่งโลภยิ่งคิดว่ายิ่งสุขยิ่งได้ยิ่งสุขแต่เวลาอยากจะได้แต่ละครั้งนี่เป็นยังเครียดไหม เราจะได้สิ่งที่อยากได้ถ้าสิ่งที่ได้มาแั๊บเดียเดี๋ยวก็หมดไปและความสิ่งที่ได้มามดมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นไตรลักในสิ่งที่อยากได้พราะจันทร์ก็รู้<อ>ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความไม่มีไม่มีความอยาก <S 1> <S 1> ามไม่เห็นอนิจจัณฑ์ละความอยากได้ความวุ่นวายความทุกข์ ความเทรียดอันใดก็หายไปจิตก็สงบเย็นสบายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอยากอะไรเนีย่ยถึงต้องศึกษาธรรมะเพราถ้าไม่ไม่มีธรรมะอวิชชามันก็จะความหรงก็จะคิดว่าความสมขอยู่ที่นู่นอยู่ที่นั่นลดสารเสพนิทุกคนทุกวันนี้วิ่งหาอะไรกันวิ่งหาลาบหรือสารเสพติด จิตกรปุกคิดว่าวันนี้จะไปที่ไหนดีไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายเราไหนดีก็ส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกล่างกายเราสั่งให้ตาหูจมูกร่างกายไปหารูดเสียงเกตล็ดมาให้เสกมาเสกแล้วก็ติดก็ชอบก็อยากย้ายอยากจะเสกบ่อยๆมาไม่ได้เสจก็ทุกข์ต้องหาอยู่เรื่อย อาร่างกายตายไปตาดวงจมกูกนินวกายนี่ตายไปก็ไปห า, าร่างกายหไปเกิดหม่พยก็จะได้กลับมาเสด็จต่อนี่คือทางของอวิชาปฏิยาสังขารนำไปสู่การเวียนว่าต า, เายตาเกิดถ้าถ้าดับวิชาไดาม้มันก็จะมันก็จะหยุดสังขารปรุงแต่งไปหาลักรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่สัมวิญญาณไปห า, าร่างกาย ดังนั้นจะมีร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายค่ะไปที่ไหนแล้ว <c oughs> อยู่อยู่กับที่อยูกับบ้านอยูกับวัดมีความุไม่จำเป็นจะต้องไปหารูปเสียงกปลี่นรัดถึงได้เราเสร็จนะครัพระอาจารย์คะแล้วจริงๆพอเริ่มพอเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทําไปเนี่ยพอเราเข้าใจความอยากเนี่ยไอ้ตรงนี้เรื่องกิเลสล้วพวกความลบความโกรธเนี่ยมันดูมันจะเห็นมันมองที่ใจมันทานเพราะฉะนั้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกคือการจะจับ จับกระปองอะคือว่าเราจะกําจัดกิเลสต่อไปเนี่ยช่องทางของมันก็คือตรงที่ใจใช่ไหมคระบอาจารย์เราก็ต้องดูที่ใจของเราว่ามันจะมีความกระเพื่อของความอยากรือความชอบแล้วก็อันนั้นคือกิเลสเราก็ต้องใช้ใจรักจับตัดออกไปเรื่อยๆอย่างางี้ใช่ไหมคระาอาจารย์เพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดคือคือเนี้ยถ้าถ้ากิเลสใหา่เห็นหน้าถ้มันถ้ามันเข้าถึงใจหน้ามันก็จะดูที่ใจถ้ามันเข้าถ้ายังเข้าถึงใจไม่ได้มันก็ต้องไปดูสิ่งที่เราไปไ ป, ไ ป, ไปยึดไปติดแล้วก็ไปพิจารณาปล่อย ตอนนี้ถึงใจได้แล้ววะพระอาจารย์คือมองเห็นแต่ว่าจะสูงก็คือต้องถ้าตัวละเอียดมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆคือไอ้ตัวที่มันยังกระเพื่อมอันนี้ก็คือตัวที่มันยังมีกิเลสใช่ไหมครพระอาจารย์คือเหมือนว่าตอนนี้ใจมันดีขึ้นเยอะมากเลยพ่ะย่ะใช่ถ้าใจเราก็เพิ่อมอะไรก็แสดงว่านนกิกเลสแน่ๆเล้วค่ะแล้วก็ต้องจัดการตัวนั้นก็คือทำไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิแลทำให้ใจมันไม่กระเพื่อมกับอะไรเลย คือธรรมลมก็คือถ้าเกิดว่าใจไม่กระเพื่อมอะไรเลยแล้วก็ดูแล้วธรรมลมก็คือว่ามันจะแล้วก็เราก็สามารถจะปล่อยวางได้คือรู้ว่าเป็นไจรักธรรมรมอย่างนี้ก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่คืถ้ามันกระเพื่อมแล้วเราทำให้มันหายกระเพื่อมได้เป้าหมายก็คือรักษาให้ใจไม่ให้กระเพื่อมให้เป็นเหมือนน้านิ่งน้ําน้ํานิ่งที่ไหลไหลได้แต่ไม่ไม่กระเพื่อมโดยจิตนิ่งแต่จิตยังคิดได้อย่แต่ไม่ได้คิดไปทําให้จิตกระเพื่อมไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ ใช่ไหมครับ่มีอารมณ์เรบรคขาไปเรื่อยๆนี่นอารมณ์นี้ถือว่าถือว่าใช้ได้คือถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบมองเห็นปุ๊บอรู้แต่ว่าไม่มีอารมณ์แบบนี่ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ะจะได้รู้ไม่รับชามกลัวหลงไม่วิตกกังวลไม่เมาวุ่นหัวไม่อะไรทั้งมันรู้เฉยๆสักแต่ว่าเราได้คะับพระอาจารย์ ก็เดี๋ยวทําต่ออีกก็เดี๋ยวอาทิตยหน้าไปเขาชีโอแล้วก็ต่อนี่ทั้งวทําเต่าพระอาจารย์ทำกันบ้านให้เยอะตอนเดืวัดตลอดนี่เดินใช้เลยคะรู้สึกสนุกอ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเพราะว่าธรรมะถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่รับรองไม่มีทางหรือเพราะว่าที่ทํามาเนี้ยรู้สึกเลยว่ามันมันแบบมันขึ้นมาเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยอ่ะพระอาจารย์แล้วมันสนุกแล้วมันมีมันสามารถถามพระอาจารย์ได้รู้สึกว่าโอ้โหต้องขอบพระคุณไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงเลยรู้สึกดีเพราะใจใจมันดีขึ้นเยอะมากเลยพระอาจารย์มัน มันมันสงบอะค่ะพระอาจารย์มันดีมากเลยเห็นเห็นอะไรรน้แต่งตามชนะรู้ทำปลวกนะไม่มีอะไรดีเท่าการทำนะใช่ค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากตั้งใจทำต่อโอเคชาติถึงอะไรที Sanders> ่เป็นวิไลพรขอทำเอากลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะม mm ีอะไรไหมวันนี้ เ อ, อมีค่ะพระอาจารย์ขอเดินถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์สมมุติว่าในระหว่างวันที่เราดูดูกายดูใจใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าจะบอกว่าให้เราดูแล้วให้เรามองให้เป็นใจรักการที่เราเราดูกายเคลื่อนไหวเราดูการที่มองเป็นตจรักคือเราต้องคิดนําใช่ไหมคะพระอาจารย์คือคือใช่มันมันเป็นสองอย่างแล้วก็<ฆ> ถ้ายังมองไม่เป็นก็ต้องสอนออก่อนว่ามองอย่างไรมองให้มองใจลักแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปดูว่าใจรักมันเป็นอย่างไรดูของจริงเ<ฆ>ช่นใจเรานี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็เป็นอนิจจ์เลยเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสียอันนี้ก็เราพิจะนะนนารณาอนัตตาเราเป็นสั่งมันได้ไหมไม่บังคับไม่ไม่สามารถบังคับได้ เ, เราต้องทำไงเราก็ทำอยู่กับส<ร>ภาพ คมันอารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีมาอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่ามันรู้อารมณ์ไม่ดีอจะอย่าเราอย่าไปดีร้ายกับมันค่ะพระอาจารยตอนนี้ทํำผัวค่ะขาเราต้องแยกตัวรู้ไม่ให้ไปดีล้ายกับสิ่งที่ตัวรู้ไปรับรู้ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนั่นคือการปฏิบัติให้ทำตัวให้ทําตัวรู้เป็นตัวรู้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นตัวที่จะไปมีอารมณ์กับสิ่งที่มันสัมผัสรับรู้ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ที่ยอมที่ยมอมถึงทำคือสมมุติว่ า, าถ้าเรานั่งนั่งถ้าถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยค่ะเราก็คิดว่าเรานั่งเนียเราจะไม่สามารถนั่งได้ทั้งวันดน้เรานั่งเสร็จเราก็ต้องลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคือไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเราคิดอย่างนี้ได้ได้ใช่ไหมคะ <N> อย่าง อ, อย่างอย่างเมื่อเราพูดเราพูดปุ๊บเราก็ต้องหยุดเพราะเราไม่สามารถที่จะออกเสียงได้ตลอดเวลาอย่างนี้เราก็มองให้เป็นไตรลักษณ์แบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ ได้แต่สิงเหล่นี้มันไม่ก็จําเป็นเลยคนจะดูตายรักในสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ดีกว่าอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะเช่นเราทุกข์กับเงินไหมเงินทําทุกข์ไหมตอนไม่ไม่ทุกข์ค่ะพระอาจารย์ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ค่ะแต่ว่าแต่ว่าโยมโยมยมยังไม่สามารถตัดกิเลสในการในการแบบว่า จะต้องทานกาแฟอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะต้องจะต้องแบบว่ากิเลสมันจะต้องให้ทานกาแฟอยู่ทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์พยายามทําใจให้ตัดอยู่ค่ะถ้าเราไม่ทานอยู่เราพิจารณาด้วย่ามันทุกข์มา้นิดนึงค่ะพระอาจารย์ก็ต้องก็ต้องปล่อยจากตรงนี้ใช่ไหมคะอค่ะค่ะพยายามอยูค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามพระอาจารย์นะคะที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าให้เรานั่งอยู่อยู่เฉยๆประมาณหกถึงแปดชั่วโมงอะค่ะเราสามารถอ่านหนังสือได้ไหมคะ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้คือไม่ต้องการใช้สิ่งภายนอกให้ให้ให้อ่านให้ในใจเราใช้ธรรมะภายในใจเราแค่นั่งกับยืนอย่างเดียวกับเข้าห้องน้ําำถ้าอยากจะอ่านธรรมะสวดบนไปเสวดบ น, น, นไปสวดบนธรรมะในใจคือไม่ยังไม่ให้อาศัยสิ่งภายนอกให้ให้หใช้สิ่งที่เรามีคือสติปัญญาสมาธินี้ได้และนั้นเป็นที่พื้นของตัวเองได้ เรียนต้องเรียนต้องวิ่หาหนังสือมาเนี่ยค่ะตอนนี้อ่านหนังสือของหลวงตาอยู่ค่ะตอนนี้ตอนแรกโยมกะว่าจะเรียนอับเรียนเรียนธรรมมาค่ะแต่พออ่านหนังสือของหลวงตาก็บอกว่าอะไรก็ตามสู้เราดําเนินปฏิบัติเองดีกว่าคือเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นอ๋อเรียนยากค่ะเพราะมันมันกุญแจดอกที่หนึ่งดอกที่สองก็ต้องท่อง เรียนเรียนอภิธรรมยากนะคะพระอาจารย์ใช่มันใช้อาศัยความต้องจำนั่นแหละถ้าเรียนเรียนแบบนั้นต้องว่าท่องคมภีอเลยท่องไปมก็ไม่ได้อะไรก็เป็นการรู้ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมการรู้ทั่วงหัวตัวไม่รอดมันไม่ได้ทําให้ใจเราสงบเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะซึ่งมาปฏิบัติดับความทุกข์เนี่ยทุกข์กับเริ่องใดต้องต้อง <pec S 2> เขาไม่ทุกข์ก wow ับมันได้อาจารย์ขออนุญานอตมอเอาเอาหลันเลนมันนี่แลวมอตอาจารย์ขอยนุญาแป๊บหนึ่งนะคะเล่นมาสวัสดีลงตาก่อนลูกเร็วเรเรเวลูกสวัสดีหลวงตาเร็วสวัสดีหลนเรนเรนเจ้าจ้าก่อนครับ เรนาสครับนั่งรูปป่ิพ่จันก่นนั่งรูปเสงรอันนี้ลูกชายลูกสาวค่ะพ่อจารย์ว้เดีพาไปกราบพะอจย์ค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะกราบลูกกราบกัาบพ่อจันก่อนลูกกราบค่ะเดี๋ยวจะาจ้ากันครับจจกราบสามทีมาสอนยังไงลูกกราบสามทีกรบหนึ่งกราบหนึ่งกราบสองเค็งมากเมากเมากค่ะค่ะไปูะ ตนนุ้มก่อนลูกสาธค่ะพระอาจารย์คราวนีเนเลยเอกิจ ก, กันที่ไหนก็ทำ ม, มาเลยบายบายครับทุ น, ไ, นดได้เลยครับนรมาสการครับอาจารย์ยุงเทปครับมีอะไรัหมวันนี้ครับจะสอบถามนิด น, นึงครับอาจารย์อ่าเวลาปฏิบัตินี่เราควรจะกําหนดเวลาไหมครับ เช่นจับเวลาหรืออะไหรือว่าดูผลของการปฏิบัติเป็นหลักําหนดสตินี่ป่ะเนือสติถ้ามีสติแล้วมันก็จะปฏิบัติได้นานแล้วก็ได้ผลดีถ้าไม่มีสตินี่ไ ป, ไปการดูนาฬิกานี่มันจะไม่ได้ผลนานอืมแต่ก็ต้องรู้เวลาว่าพนเราพอเราต้องรู้จักการลเทศะเราต้องรู้ว่าช่วงไหนเราปฏิบัติได้ช่วงไหนเรต้องไป ท, าไไปทปาํางานหรือไปทํารัชจิตอะไรแบบี้มันก็ต้องรู้เวลาแบบนั้น แต่เวลาปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปกัวงวลกับเรื่องเวลามา ก, กนักไปไปให้อยู่กับสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับอะไรดีบ้างผลมันจะเกิดจากการที่เรามนสติจะนั่งสติอยู่เรื่อยๆเช <Okay. S 1> ่นนั่งสมาธิไม่เอาไปตั้งมาจะนั่งขึ้นชั่วโมงน้ะชั่วโมงจะนั่งไปจนกว่าทนไม่ไหวลุกขึ้นมาอัานี้ดีกว่านั่งแบบนั่งดีกว่ะ ให้มันนันกเวลากําลังให้มันสุดําลังของเราเวลาตั้งเวลาไว้เหมือนมันพองอย่างใช่แล้วเขามาขออห้เยอะเกินบางทีมันปรุงแต่งให้หนาฬิกาเสียแบบทํำไม <c oughs> ไม่ดังสักที <c oughs> <c oughs> เคยเคยนั่งมาเหมือนกันแต่นี่ใจแทนที่จะอยู่กับพุทธเจ้าอยู่กับลมไปอยู่ที่นาฬิกาถึงเวลาแล้วยังว่าถ่านมันหมดหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้คิดปรุงแต่งไ้นานๆจนท่านต้องเลื่อตามาดู อย่าไปสนใจเรื่องเวลาคือว่าว่านั่งก็ขอให้นั่งให้นานแต่ลถ้าทนไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมาแลก็คือก็คือจนกว่าเราทนไม่ไหวเราก็แค่เปลี่ยนอีเลยบทใหม่เอออคครับแถ้าเรามีสติดีนั่นก็จะนั่งได้นานไปจะลืมเวลาไปเลยครัโอเคครับหมดคำถามครับประชารย์ก็ นอกจากว่าจำเป็นต้องไปทํางานเวลานั้นแล้วมีเวลาว่างก่อนจะไปทํางานก็อยากจะนั่งเนี้ยก็จะต้องตั้งอะไรากาไว้เผื่อเดี๋ยวถึงเวลาจะได้ไปทํางานต่อได้อันนี้ก็เป็นเหตุจาเป็นแต่ถ้าไม่มีการจําเป็นแล้วอย่าไปสนใจกับเรเวลาดีที่สุดอย่างภาพปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีวันไมลาท่านท่านปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน เพอเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนก็ได้มีโอกาสขึ้นเขาครับก็นัดกับหลูที่ปั๊บไว้แล้วครับตอนขึ้นเขาก็ไม่ต้องไปเขา้องจากเวลาที่จะต้องไปทำทาหน้าที่ถึ่งแล้วก็พอจะเล้เวลาหม้ไปยี่บ้าถึงยี่แปดก็ไดจะโอเคดีครับโอเคนะครับคุณแนต่อนันตสุภาดาอุดรธานี ไปไปฉลองเจดีหลวงตาหรืยังไปแล้ค่ะไปบรรงานเลยค่ะไปใส่บาตรค่ะวันที่สามสิบใช่ไหมใช่ก็ะมายิี่แปน้นได้ไปประมาณวันที่เจ็ดค่ะไปก่อนค่ะเพราะว่าคนเยอะค่ะเขาทำไม่สักการะค่ะอาจารย์อันนี้ไม่มีคําถามค่ะไม่มีโอเคค่ะวางได้จึงวบาสุโขทัยเนี่มไม่วางได้ที่ กามาสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่สุโขทัยเจ้าค่ะเป็นยังไงเบาไหมเบามากเจ้าค่ะวันนี้ทรมากราบเจ้าค่ะพระอาจารย์พี่ฟ้อนเขาอยากเขาอยากมาขยับมาครับรอกับอาจารย์สาธุเจ้าค่ะดีเพิ่งทําวัดสวนบนเสร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์อดีพาลูกสวนด้วยลูกเได้ไรลูกไปเจ้าค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ทําเขาก็ไม่ทําแต่ถ้าเราทำเขาก็จะทําตามคจ้าค่ะ พิธีสานคนที่ดีสุดก็คือสอนด้วยการกระทำของเราเจ้าค่ะวันนี้คุณยายก็ไปหล่อพระเจ้าค่ะแต่โยไม่ได้ไปก็สวดมนต์กับรูปที่บ้านเจ้าค่ะคนเ<ม>ยอะะคสวดมนต์ดนได้บุญมากกว่าไปหล่อค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ช่วงที่โยมไม่ได้ทานกาแฟแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์พออะไได้แล้วเลยพอว่วงปุ๊บโยก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะพอ <S <S จิตมันรวมปุ๊บสว่างเลยเจ้าค่ะดีมากเจ้าค <h> ่ะ ทีวิธีใหม่เจ้าค่ะอย่าไปพึ่งพาอะไรของภายนอกเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนตอนนี้เหมือนกับโยมก็เจริญสติได้ปล่อยขึ้นเจ้าค่ะพอนั่งสมาธิพอเราสวดมนต์เจ้าค่ะสวดไม่ไม่ครบจบอะโยมก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวต้องรวมแน่ๆเลยรวมก็หยุดเจ้าค่ะแล้วก็มานั่งสมาธิก็แป๊บเดียวเข้าเจ้าค่ะเออด็เจ้าค่ะตอนนี้เจ้าค่ะ สงบดีเนาะค่ะไม่ค่อยก um ็เพ no> ิ่มอะไรเนาะค่ะมีคอเซนเตอร์โทรหาโยมได้เนาค่ะพระอาจารย์ที่กาลังดังแล้วว่าไงคำว่าทำอะไรผิดโยมโยมก็ขดศูนย์เลยเนาะค่ะกดศูนย์คุยกับน้องเขาก็ก็ถามเขาอะไรเงี้ยเนาะค่ะแล้วโยมก็มันคืออาชีพมันไม่สุดจลิลนะตัวเองแกงทำเป็นไม่รู้เลยเนาะค่ะก็ บอกเขาถ้ามีทางอื่นก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะบูรักษานะโยงก็บอกเขามีจะเข้าปิดสายเข้ามาเข้ามาสายเลยเลยเขาก็ไปงงอ่ะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะมาเจอเจอใครอะไรทําไมพูดแบบนี้โยงก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็จะฟังว่าเขาเจออะไรอย่า ง, ง เ, าเจ้าค่ะสอนเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเนะที่เทวทัตสองคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนคน ว่าทำยี่บาปนะเนี่ยจ้าค่ะแา่กระทั่งเขาเชื่อพระเจ้าว่าเลยไม่ทักไม่ฆ้าพระเจ้าเจ้าค่ะแล้วพระเจ้ายังช่วยชีวิตเขาอีกว่าจะกลับไปทางเดิม น, นะเจ้าค่ะกลับทางเดิมเขาส่งทีมอีงทีม า, ม, ม, ามาคำจัดเราอ๋อเจคะประมาณนี้เจ้าค่ะช่วงนี้ไม่ไม่อยไหน ว, วันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปอยู่เวนอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ฮะ โชคดีเนาะค่ะเดี๋ยวก็ถือเนสันชิกไปเลยค่ะอยู่เวนเป็นพยาบาลนะอ๋ออยู่เป็นเภสัชกรเจ้าค่ะยาบาลเดีวนี้โงพยาบาลเปิดตอดึกดึกด้วยนะตอนคืนด้วยเจ้าค่ะเปิด24ชั่วโมงเจ้าค่ะพาาลยวองโรงพยาบาลเอกชนใช่นคด้วยเจ้า่ัฐวโงเจ้าค่ะบาลเรงเปิดนะคเจ้าค่ะแต่กโะยมก็เขียนใบลาปอกแล้ว้เจ้าค่ะช่วงาค่ะาบวา ไม่ออกสักทีหลวบอกไม่ได้ออกสักทีหน้าออกัวหน้าให้ช่วยต่อจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรช่วยได้เจ้าค่ะที่ทําบุญไปก็แล้วกันแล้วค่ะค่ะวันนี้โยงนี้เท่านี้จ้าค่ะพระชายสาธุสาธุจ้าค่ะไปที่คุณสงชายเชิญจากเพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียแต่ไม่ต่อนอืม กัสสวัสดีครับท่านผมเห็นอ่าอ่ารูปของท่านอยู่อยู่ใน f ฟ c e b o o เจนผขเข้าไปตอนนี้ก็วันนี้ก็ขอเ่าอบอกผมขอบอกว่าไอไอสินห้ามีห้าข้อผมว่าขนาดสามข้อเนี่ยผมยังลำบากจะตายก็ไม่เป็นไรค่อยค่อยปฏิบัติไป ปฏิบัติดนกี่ข้อเท่านั้นก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปข้ออะไรเนี่ยวไอเรื่องไออะไรทั้งข้อที่หนึ่งห้ามค่าแต่อันนี้ก็คงก็ง่ายง่ายขึ้นครับแต่ผมเห็นคนที่อยู่ที่นี่ปกติการวุ่นวายการที่ทำมุกษาวาทาใช่ไฮะ ص ص> นี่นี่รูรรรร้สึกว่าทุกคนเขาทำกันห้าสิบครั้งหรือว่า 50% ต่อวันเลยอนเะนี้ยผมเห็นเขาทาแล้วก็ต่อมาผมก็ผมก็พยายามจะพยายามจะไม่ทําแบบอย่างนั้นให้ตามที่เขาเห็นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะคุยยังไงครับดีอย่าทำบีที่สุดความที่ไม่ทำํำนี่มันง่ายกว่าทำนะเวลาจะขโมยนี่ต้องไปวางแผนก่อนนะต้องไปคิดดู ว, ว่า เวลาไหนที่จะขโมยของได้เวลาไม่ขโมยนีง่ายส บ, บายไม่ต้องไปคิดเสียเวลาไม่ต้องไปวางแผนของง่ายกับทำยากของยากกับทำง่ายกว่าเราแปลก็ครั้งที่แล้วผมจำได้ท่านสอนบอกว่าการนอนไม่ค่อยหลับให้ให้หายใจแล้วก็นับถื อ, อให้คิดถึงพระพุทโธ ท, ที่หายใจ ก็ช่วยมาได้นะครับผมจริงไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินยาแ<ร>ล<ร>า้วไม่กินยาแล้วพอเราจิแล้วฟุง้งซ่านเราคิดมากอะไรไม่หลับพอเราใช้พุทโธใช้ดูรมเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่คิดมันก็หลับได้ครับผมได้ยินคำว่าที่เข้าใจที่สุดว่ามีความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอด น, นี่ผมขำอยู่ครับแต่ว่าความจริงผมก็ ต้องแบบเรียนมาเรียนมาก็าสอนเด็กที่อยู่ฝรั่งด้วยครับการทำงานการเป็นอันนี้เ น, นี่ยคื อ, อการที่เขาทำรถไฟเครื่องอย่างผมทำงานเกี่ยวกับการสร้างรถไฟเครื่องจหกครับวนสุดท้ายก็ไม่เข้าใจอย่างที่ท่านพูดมาครับบางครั้งคนที่ถามมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคล้ายๆกับจบป .2 นี่แหละครับ ทำามกทางทำยางน้อยมากต้องศึกษาไปเรือ่<ด>อยๆเดี๋ยว่าเข้าใจ แ, แล้วก็ครับ ก, ก็ยังคิดอยากจ ะ, จ ะ, จะนั่นอยู่แต่ว่าก็ผมเห็นทนเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปในเว็บหาเจอมาเจอท่านในเว็บแล้วก็เจอเจอมากที่สุดเลยใช่ถ้าเซิร์ช g o o g l e ชื่อเราว่ามันน่าปวกเป็นไมเข้าไปดูได้เลยครับก็ ก็ผมก็ขอก็ขอจะอ่าจะทำตัวให้ดีที่สุดแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรนะที่ไม่มีเข็ น, นะกว่อาอ่าก็ครับงั้นก็ส่วนมากที่ผมหมายถึงว่าอ่าภาษาไทยส่วนมากจะ ท่านพูดง่ายครับเข้าใจเข้าใจง่ายเป็นคําที่ต่ําที่สุดที่ผมเข้าใจส่วนบางคนนี่ท่านพูดสูงแล้วผมส่วนมกสมวนมกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ท่า น, ท, านท่านพูดบางครั้งต่ําาคิด ส, สมำพูดภาษาไทยไงไม่ได้พูดภาษาแขกครับก็แต่ผมไปส่วน วันหนึ่งผมไปผมเข้าไปในในโรงเรียนเขาบอกให้ผมที่บอกว่าการที่เป็น meditation ของของบุตาน่ะเขาเอาไปใช้เขาบังคับให้ทุกนักเรียนที่ทำผมว่าอ้าวนี่เป็นเป็ น, ปนาศาสนาพุทธนี่นาทำไมต้องให้เขาบอกว่าใช้ได้ดีเขาบอกใช้ได้ดีครับผมก็เลยว่าเออเนี่ยผมจริงๆพระพุทธศาสนาไม่ใช่าศาสนาเป็น mental health มากกว i n d e p e n mental health. So t h e y s it. Everybody using meditation. Yes, hey, to... คนใช้ชนั้มันเป็นเป็นวิทยาสตไม่ใช่นาา Oh, okay. ก็เอาแค่นี้ก่อนครับอ่า okay. <laughs> uh, <laughs> เป็นอ่าวันวันนี้วันพุธเวลานี้ครับจะคุเบิลตันขอบคุณ uh, ตอนเช้านี่ยมาเราตอนค่ำนะขอบคุณมากนะครับ k y สวัสดีสวัสดีครับคุณอะไร ศีลาชาัดไม่มีคําถามเจ้าค่ะมาฟังทำเจ้าค่ะโอเคเล่นไปที่คุณกรุดาสัติีบจอบุรีเหมืกันคัะสานธรรมชารเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะจะจะเข้าขึ้นไปที่เมื่อไหร่ ไ, รได้ยี่สิบสี่ค่ะพระอาจารย์ยี่สี่นคึ่งสองค่ะนี่เดือนนีงก็ได้สองข้างเลยนะเดือนนี้เดือนอ๋อออกมาตอนต้นเดือนค่ะค่ะต้นเดือน ก็ประมาณเดือนละครั้งนึงเดือนละครั้งค่ะครั้งนี้ได้เจ็ดวันค่ะโอเคค่ะค่ะอาจารย์คบทุกค่ะคุณจิ๊บจิ๊บทำงานอยู่หรือเปล่าจิ๊บการธรรมศารค่ะพายอาจารย์ออีสเอได้ยินได้ยิน่าค่ะได้ยินค่ะทำงานค่ะอยู่ที่ทำงานแต่วันนี้พอดีพนักงานมีแค่อยู่นะ คนเดียวอีกคนนึงอยู่ด้านหน้าก็เลยเปิดกล้องคุยได้ตลอดเลยอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะที่ทํางานทําอะไรอย่างที่เป็นบริษัทของอที่ทํางานของโยมเป็นบริษทัททำภาษีกับบัญชีค่ะตรวจสอบบัญชี อ, อะไรแบบนีนเเเ้เขาเริ่มเขาเริ่มตงทำภาษีอะไรใช่ค่ะว่าตอนนี้ตอนนี้ย่นเริ่มยุ่งนะเพราะว่าเขาจะมีกําหนดอ่าบัญชีหลายประเภทนะคะวันที่สิบห้าก็จะ เดียวบัญชีพวกพวกคะบริษัทพาร์เนอร์ชิพคอร์ปอเรชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดือนหน้าก็มีวันเดือนแอพิลก็มีอีกเดือนพฤษภาก็มีอีกสุลายก็มีอีกก็เลยเริ่มยุ่งค่ะจะไปว่าอีกทีนึงก็ควอเตอร์ที่สามค่ะแต่โยมโยมไม่ได้เป็นพนักงานบัญชีนะคะโยมแค่ทำเอกสารแบบเก็บข้อมูลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, คะก็เลยบางทีก็จะแบบได้ฟังแต่เสียงของผูอาจารย์หน้าจอก็จะปิดไปบ้าง นั่งอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยเจ้าคะ่ะแต่ก็ระลึกถึงพระอาจารย์เสมอที่ที่เราก็ไม่ได้เข้าก็แต่ก็แบบพยายามมาฟังตามย้อนหลังนะเจ้าคะ่ะวันนี้ก็วันเกิดลูกลูกชายโยมพระอาจารย์คิดว่าพร อ, อะไรที่จะให้ลูกได้ดีดที่สุดหล่ะคะโยมก็แบเมตตาความเมตตาโยมโยมก็ให้ก็เลยกบว่าวันนี้เป็นวันมาคะ่ะด้วยก็เลยว่า เดี๋ยวเขากลับจากโรงเรียนก็จะแบบเรียกมานั่งสวดมนต์ทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำมากนะคะวันดีส่วนค่ะพระโยมก็แบบโยมก็พยายามปฏิบัติแต่บางทีมันก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกับบางทีเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเราก็แบบกังวลอน า, นาคตเอ๊ะเราจะมีเงินพอไม้มสำหรั บ, บค่าใช้ใจ่ายโรงเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนที่พระอาจารย์พูดกับพี่คนก่อนหน้าว่าแบบลาบยศสรรเสริญอะไรนี้ใช่ไหมคะ จริงๆโยมก็เออแล้วเราอยากได้เกินความจําเป็นไหมสําหรับอยากได้ราบแต่ไม่ได้อยากได้ยนไม่ได้ยอยากได้ส่วนลาบก็คือเงินทองใช่ไหมคะโยมก็เอ<ช>แล้ว เ, เราอยากได้แบบนี้เราเราเกินไปกับความอยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยู่ที่นั่โนโรงเรียนก็ฟรีอยู่ระดับนึ่งแล้ต้องไปเก่าใช่ค่ะแต่มันจะ ม, มีแบบไปใช่ค่ะก็กลัวว่าแบบเออค่าเรียนพิเศษ ค่าเรียนมหาลัยหรือว่าอะไรแบบนี้ก็แต่ก็คือมันกังวลในอนาคตเกินไปไหมคะพระอาจารย์ถ้ามันอย่าไปทําเกินตัวนะทำเกินกาลังของเราก็ให้มเรียนโรงเรียนฟรีก็มีเยอะแยะเลยอันนี้ลูกก็เรียนฟรีอยู่ค่ะแต่เขาจะเรียนกิจกรรมหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่มีเรียนก็ไม่ต้องเรียนนครับค่ายมโยมก็บอกลูกบอกว่า แม่ก็ทําเต็มที่แลงนาแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ก็บอกแม่ไม่ได้ให้เขาโคนแขวนไปทํางานพลาดทางหรือบ้างก็ได้เด็กใช่ใช่ค่ะตอนนี้เขาไม่จ่าย้างกันเองมากใช่ค่ะสิบห้าขวบนี้ทําได้แล้วนะคะโยมว่าเดี๋ยวจะลองครับลองไปทํางานพลาดทางไปทําขายแม็กตอนนุ่มมาตอนแนวก็ได้เลิกเรีนลูกลูกค้าคงจะปวดเอาใส่แฮมเบอร์เกอร์ผิดอัน คราวนั้นเด็กบางทีเขาจะได้เห็นบุญค่าของเงินทองว่าหามายากเรามีแต่มีแต่ประเคนเขาอยู่ได้วยซึ่งเขาก็เลยไม่เห็นบุณค่าที่มันบางง่ายสาธุค่ะจริงค่ะจริงยมปฏิบัติอย่างเขาเหมือนพระเลยอ่ะประเคนตลอดลูกแบบผิดนะลักให้กระบาลอย่ากให้เขาสบายให้ผิดทำให้เ้าลาบากเขาจะได้เห็นทุกค่เขาจะได้เข้มแข็งเขาจะรู้จักวิธีแก้ความทุกข์ต่างๆได้ คในนุ่งอย่าไปเรียกให้มันสบายให้มันทุกข์ให้มันดิ้นรนต่อสู้ครัมทุิขว่าเขาจะได้เกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญญาเขาก็พัฒนาด้วยใช่ไหมคะแล้วเขจะรู้จักวิธีทําอะไรให้กับตัวเขาเองได้ไม่ต้องมาหวังพึ่งพ่อแม่ตลอดเลยใช่สิคะยมก็บอกลูกแล้วบอกว่าโตขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองแม้ไม่มีทรัพย์สินให้ไปหาเอาเองก็ก็ พยายามปล่อยปล่อยวางๆงอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าวันนี้ก็ไม่มีคําถามนะคะมามาเล่าพระอาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าคิดถึงการสนทนาก็ไม่รู้ใช้คำเหมาะสมหรือเปล่าแต่ก็คิดถึงการพระอาจารย์ในซูมเสมอนะเจ้าค่ะสาธุการรักษาสุดขอบเขตของโลกนะค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพรอาจารย์คุณอ๊าบใช่บุณอาบ ยังไงไปขึ้นเวทีมาถูกนับนุ่นนับเขานักราการค่ะโอ๊้ยชนะอยู่นะคะว่าอาจารย์เออชนะเหมือคราวนี้ก็พา อ, อาจารย์ย้ำให้เอาสติปัญญาไปด้วยอป็นงไงหายกลัวเหรอค่ะกลัวน้อยลงแล้ว <นะ S 2> ก็เดินจงกรมกลางวันแล้วก็ตอนพค่ํข้าแล้วก็ตอนกลางคืนคือเหมือน ตอนกานลางวันเราก็พบคําก็เหมือนแบบประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเราน่าจะกลัวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินกลางคืนก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรก็มองเข้าไปเลยใจไม่สั่นนะคะอาจาีย์เวลาเป็นแล้วในสติในปัญญา <c oughs> ค่ะน่าจะเป็นปัญญามากกว่าสติ <c oughs> ยังไม่เยอะค่ะ <c oughs> ดีแสดงว่าได้ได้ผลดี คานี้ค่ะก็ก็กลัวน้อยลงหายกลัวยังยังไม่หายหมดนีแต่ก็ยังเก้าเก้าสิบเจ็ดอร์เซ็นสิบเจ็ดแล้วเลยเอลยค่ะ้าสามอเซ็นนค่ะถ้าไปรอบหน้าน่าจะเอาหานหมดไปแล้วค่ะไม่กล้าบอกว่าร0อยเปอร์เซ็นเผื่อมันซ่อนอยู่ค่ะแต่ว่ากสั่นค่ะอาจารย์้ช่ผลดีค่ะ มีแลนะ้วไหมยังกะทากันล้นี้ไม่มีไนมะ่มีค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเวทีใหม่ค่ะเออาไปเรื่อย <c oughs> ปอยังกะทให้มันไม่มีคู่ต่อสู้เหลืออยู่เลยก็ถึงจะเลือกขึ้นเวทีค่ะก็เดินไปก็คิดว่าเออตายก็ตายเหมือนที่ว่าอาจารย์บอก <c oughs> <c oughs> อ่าก็ใช้ได้นะคะเอใช้ได้ถ้ายอมตายแล้วมันมันก็สบายมันก็สงบค่ถ้ามียามตายมันก็คอยระหวะระแวงอย่างนั้นค่ะ ตอนจำวันเจอกวางมันนอนข้างทางเดินเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นก็คงแบบเหมือนใจสานนะคะเพราะว่ากวางมันมีเขากลัวแต่ตอนนี้ก็คือเดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปเลยปกติเลยค่ะใช่ค่ะโอเคก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าไปเน้นความสงบเพราะว่ารอบนี้เน้นความกลัวค่ะเรานั่งนี่มีแรงางานให้มันลงไปเ ล, ล็กนิดนึงค่ะ คไปที่คนน้องแลรู้วรูเฟอ ร, ร์อยู่ที่เรั่งเศสน้องแลแล้วรูเปิ ด, ดปมาจ้าเปิดเป็นไม้แอนโอเค okay. <c oughs> สวัสดีค่ะนวัตกรรค่ะอยู่ไหน <c oughs> อยู่เมืองชนคะ่ะนอ้องชน ค่ะหนูติดตามมารับเสรในเป็นชื่อบริษัทค่ะค่ะพอดีล็อกอินด้นชื่อนี้มาค่ะหนูหนูติดตามผ้าอาจารย์มาเจ็ดปีแล้วค่ะแต่ว่ามีฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ครั้งเนี้ยได้มีโอกาสได้เข้าล็อกอินเข้ามาในสูนเนี่ยครั้งแรกก็เลยอยากจะถามผ้าอาจารย์นะคะ คือหนูทําธุรกิจนะคะเพื่อนเพ่อทีมงานที่ทําด้วยเนี่ย<ม>เขาอยากให้เอาสินค้าเราเนี่ยไปเข้าพิธีเจิมเหมือนอกับปู่หรือศรีหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้สินค้าเราขายดีขึ้นแต่ว่าความรู้สึกหนูเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สินค้าเราขายดีขึ้นนะคะท่านดูฝรั่งเขาขายก็าไม่ปเจิมอะไรกันหรอเาสินค้าฝรั่งที่ขเขาผลเนี่ย เี่ขายดีขายดีไมโครซอฟท์นี่ก็ต้องไปเจรจากั่า p p l e เขาต้องไปเจรจากันใช่ไหมค่ะใช่มันอยู่ที่อยู่ที่คุณภาพสินค้าเราและความต้องการของตลาดว่าเขาต้องการสินค้าเรารึเป่าอืมใช่นั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นมากกว่เรื่องสินค้าใช่ไหมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผู้ซื้อก็อยากจะใช้ของที่ตัวเองอยากจะใช้ใช่ไหมถ้าเรามีของที่เขาอยากจะใช้มันก็ขายดีขายดีถ้าไปขายในของที่เขาไม่อยากจะใช้ว่ามันก็ขายไม่ได้ ค่ะก็ค่ะใช่ไมแค่แค่นี้มันก็มันก็จบแล้วใช่มั้ยล้วไม่ดูบริษัทที่ก็ร่ำรวยในโลกระดับเนของโลกเขาถามว่าเขาเจอมั่งเท่าไสินค้าของาใช่ใช่ใก็ทำให้หนูมั่นใจในเส้นทางมากขึ้นนะคะพี่อี้เรายังเป็นเหมือนไดโนเสาร์อยู่ก็ยังเชื่อมองไลไม่เรื่อกค่ะใช่ อาจในพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้เจอขึ้นสน่อยเลยใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆพัฒนาในเรื่องการบริหารในเรื่องคุณภาพของสินค้าตามที่อาจารย์แนะนําอย่างเนี้ยเราถูกทางไหมหรือว่าเราคือไม่มีความมั่นใจพอเองนะคะแต่วันนี้ได้ฟังแล้วเนี้ยก็เดินวิธีมันจะขายไม่ดีก็ได้นะเพราะมันสินค้าเราไม่ดีเองหรือตลาดก็ไม่ต้องการมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เจอ ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่ประเด็นให้ถค่ะถ้าไม่ดีเราก็จะปรับปรุงไปค่ะปรับอาจจะต้องเปลี่ยนอย่างในเวิร์กช็อปอย่งอื่นแทค่ะมัปรับปรุงคุณให้มันเข้ากับตลาดความต้องการของตลาดค่ะค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือเมื่อสองวันเนี้่พอดีที่บริษัทเนี่ยตอนเนี้ยยอดขายมันลดลงแล้วหนูอ่ะมีภาระหนี้สินนหละที่เยอะเยอะมาก แล้วก็มีเจ้าหนี้บางรายที่เร่งรัดที่จะให้ชำระหนี้คืนแลวเรายังไม่สามารถชำระได้เขาก็เลยแนะนำให้หนูไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งว่าไปดูซิว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงทำธุรกิจแล้วติดขัดมากแล้วทีนี้พอได้ไปแล้วเนี่ยท่านก็ทักมาว่าเหตุที่ทำมาหากินแล้วติดมีปัญหาแบบนี้เป็นเพราะว่าหนูอ่ะเคยทาแท้งมา เราทําให้ดวงวิญญาณเขาขัดขวางไม่ให้เราเจริญเติบโตแล้วทีนี้คือปกติเนี่ยหนูรู้ตัวว่าหนูได้ทําผิดอะไรไปบ้างแล้วก็ได้มีการแก้ไขคืออประพฤติตนใหม่นานมาแล้วเป็นเป็นสิบปีแล้วที่ที่เปลี่ยนพฤติกรรมและประพฤติตนใหม่แล้วแล้วพอมาได้ยินเมื่อวันก่อนนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยทําให้หนูรู้สึกว่าอ จะทำยังไงต่อไปคือคือเราก็ประพฤติตนให้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าในการทําธุรกิจมันก็ไม่ง่ายมันก็ติดขัดปัญหาหลายอย่าง ม, มันก็ติดขัดแบบนี้ค่ะมันคือประเด็นคือความไ ม, คม่ความสามารถไม่มากพอหรือว่ากรรมที่เราเคยทําไม่ดีไว้อย่างนี้ค่ะอยากธุรกิจมันก็มีจรามก็มีเสื่อมีกําไรมีขาดทุนเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะ ท่านั้นเองมันไม่ได้ไปเกี่ยวบว่าอดีตเราไปทําแท่งหรือเราไปทำลายมานะป่ะมันอยู่ที่ธุรกิจของเราคนระับางทีมันก็ขายดีบางทีมันก็ขายไม่ดีขายดีมันก็กำไรขายไม่ดีมันก็ขาดทุนได้ไม่ต้องไปไ ป, ไปโยงกับเรื่องอื่นะเรื่องธุรกิจกเรื่องของเศรษฐศาสตร์นี่มันเรื่องของ supply demand น, นั่นเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ ถ้าอยากจะไปโยว่าก็แล้วก็แล้วแต่แต่เราไม่เห็นว่ามันมันมันเกี่ยวกันอะเรื่องทำแทงนี่มันอาจจะมันมันเกี่ยวเรื่องทางทางอื่นเรื่องเรื่องร่างกายของเราเร่ร่างกายต่อไปในอนะต่อไปแล้วจะไปเกิดเราอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้อยู่ในท้องแม่แล้วม่ก็ทำแท้งอย่างนี้มันเออมันน่าจะสมเหตุสมผลกว่าทําอะไรนี่มันก็จะร่อง่ายฝนอย่างนั้นกลับขึ้นมาค ไปทํำข้อแทงเดียวแล้วก็ต้องถูกข้อทําแทงบ้างค่ะอาจารย์ไหมค่ะแต่มันไม่น่ามจะมาเก็บนะว่าเพราะเราทําปีนี้ขาดทุนนิดหนี่เยอะเราจะไปทำยังไงนะเราจะทําให้นี่มันหายได้ไงไปไปนั่งเสกนั่งเปล่าแล้วนี่มันจะหายได้หรอเล่าใช่ค่ะหนูไดคิดว่าหนูก็ปรับเรื่องการบริหารจัดการการปรับเครดิตจัดของลูกค้าแล้วก็เพิ่มยอดขายทีง ลดรายจ่ายลงลดรายจ่ายลงยังเป็นจริงๆก็ต้องขายทรัพย์สินต่อสุดเพราะใช่ที่จะขายไปใช่ค่ะถ้ามันถึงที่สุดแล้วก็ขายทรัพย์สินเพราะจริงๆแล้วทรัพย์สินนี้สินตอนนี้มันมันไม่ได้ติดลบมันบาลานซ์แต่เพียงแต่ว่า cash f มันไม่ไม่เหมือนเดิมนัสะใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ลูกค้าเองก็ส่งออกไม่ได้ ทำให้ยอดขายเราก็ลดลงไปด้วยนทุกอย่างกระทบไปหมดมตามนีใ้ใช่ค่ะแล้วส่วนหนูเองก็มีการปรับปรุงทั้ง เ, เริ่มโปรดักต์ใหม่ที่ที่มีมาจิ้นมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะดูบริษ<ต>ัทที่เขาปิดไปต้องเยอะยากเรอยังโชคดีเรายังไม่ปิดคเท่าใช่ก็ยังเปิดใหม่อีกอี ก, อกบริษัทหนึ่งด้วยแต่บร<ต>ิษ<ต>านี้เขาบอกว่าสรกล้างเต็มไปหมดเลยครับรใช่คที่ไหนที่ไหนก็เงียบเหงาลูกค้าเองยัง ปิดตัวเลยเหมือนกันนะค่ะ่ะเราก็ต้องยอมนามันเป็นเรื่องกระช้ของเศรษฐกษิจมีขึ้นมีรงค่ะคือพอหนูได้ฟังแล้วเนี่ยสองสองวันนี้หนูก็จิตตกมากๆคือเหมือนกับว่าทาดีก็ทําเยอะเป็นเป็นคนที่ช่วยเหลือคนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกนันไม่เกี่ยวกันนะช่วยเหลือการทำกันดีไม่ได้มาเกี่ยวกับเศรษฐกษิจไมไ่เกี่ยวกับธุ <c oughs> กิจของเราหรอก ค่ะค่ะแกเลยรู้สึกโอ้ยเหนื่อยทำดีมันทำให้จิตใจเราดีทางศาสนาสอนหนึ่งดีความผลของการทำความดีหรือช่วยอยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราค่ะค่ะค่ะทำดีก็จิตใจเราก็ดีจิตใจเราก็มีความสุขทำช่วยจิตใจเราก็ทุกข์จิตใจเราก็เสื่อมไม่ได้เกี่ยวทุกข์ทัณฑไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองค่ะ เนื้อขอรัพสมบัติข้าวของมันทํามันก็เป็นกฎตายรางของมันมันมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาค่ะอาจารย์ไหมเข้าใจค่ะเมื่อวานนี้มองบ้านยังเห็นความเสื่อมของบ้านเลยที่เราซื้อมาใหม่ๆมันสวยจังเลยแต่เมื่อวานนี้เห็นมันมันมีร่อนมาบางจุดก็มีความรู้สึกว่าก็มีการเสื่อมไปพอช่วงเวลา อันตัวอ<า>ยามัเสื่อมการของเก่าภูมิเส<ช>ียวุทยายังหายไปเลยนะภูเสใช่ค่ะเราก็เลยมากระทบกับเราที่เราทําธุรกิจสร้างนู่นสร้างนี่ไปเยอะแยะสุดท้ายอะมันก็ต้องเสื่อมลงหมด น, <ช>นั่นเอยเลยอาจจะ <ๆ S 2> เลิกเลิกทําก็ได้มาปฏิบัติทำดีกว่า ม, มาทําในสิ่งที่ไม่เสื่อมนี่ก่ะคือจิตใจของเราใช่แล้วหนูก็เลยตั้งเป้าว่าเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทําไปแล้วในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องทางธรรมเราก็พัฒนาจิตใจ ในทางทําให้ถูกทางไปแบบนี้ค่ะน่าจะดีกว่าจะได้เก็บได้ก็อย่างเงี้ยไม่แน่นอนทําทํานี่แน่นอนค่ะปฏิบัติไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะสาธค่ะคือล้อธาตทัสนสธาตุเสนสระเจากปฐุมธานี ลวันนี้ลกไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุยดังๆหน่อยได้ไหมวันนี้ลูกมีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคําถามมีจ้งค่ะมีคำถามเลยไม่มีเจ้าค่ะไม่มีไม่ชัดครับไม่ชัดถอาไมงั้นก็ไปที่คุณธรรมธรรมวันใช่ให้ไปสอบดาวอาทิตย์นะ้ในวันสการเจ้าค่ะ หายไปสองสามอาทิตย์แกวขอเข้ามาเจ้าค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นโทษเป็นไม่เป็นไม่ผิดไม่อะไรไม่ได้เข้ามาไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรไม่ต้องขอเข้ามาเจ้าค่ะก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี้แบบมันเบื่อโลกยังไงไม่ทราบเจ้าค่ะแค่จิตไม่ใช่บอกจิตมันมันมันมันคิดตปล่ยแปลงมากตอะไรต้องหยุดมันต้องใช้สติเนี่ย เจมันมองอะไร้วมันปรุงแต่กไปเลยทางลบไปมันก็เลยเบื่อทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วมันก็จะมองโลกเป็นกางๆไปไม่ดีไม่เชื่อมันเป็นอย่างนั้นนัะโลกมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีใช่ไหมบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงแต่จิตเราบางทีชอบไปมองเนี ในมุมในในมุมลบมันก็เลยทําให้เรารู้สึกไม่ดีไปหรือเราไปเห็นมุมมุมลบมากกว่ามุมบวกมันก็เลยทําให้เราเบื่อใช่ั้มไม่ไม่ได้เบื่อโลกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเอ่อไม่ได้มองไปถึงคนอื่นแต่ว่าโยมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าทําน่าอยู่น่าเป็นอะไรเงี้ยมีไงก็ปฏิบัติทําอมนี่น่าจะ มันไม่มองนะมันไม่มองเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องปฏิบัตินี้หน้าหน้ากระทำจะตายเลยน่าจะทําตลอดเวลาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่หน้าปฏิบัติมากเจ้าค่ะเจ้าสสติเนี่ยจําเป็นทุกกรณีสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าทรรทั้งปวงเลยท่านต้องเปลียนสติไม่กับรอยเท้าช้าง ลายเท้าเช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในปา่าลอยเท้าเช้างไม่ครอบไม่หมดเลยเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วทําอย่างนงาี้ก็เกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้ถ้าขาดสติเป็นผูน้นำดังั้นพุ่งเป้าไปที่การเดินสติเถอดนะคะขอบคุณค่ะ คิดไม่เป็นนะไปคิดในเรื่องมันทําให้เบื่อให้อเรื่องที่ทำให้ให้ลืมเรื่อ ง, องมันแทนใจไม่คิดเวลาสะติเล่ามีสติแล้ ว, ลวใจเบาใจสุขใจเย็นใจสบายคือก่อนหน้าเนี้เจ้าค่ะเป็นคนที่แบบจะล่าเริงในธรรมมากคือได้ฟังได้เลยจะรู้สึกจิตล่าเริงมากแต่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันฟังแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันหงอยเหงา ไม่ใช่เหงานะเจ้าค่ะแบบมันซึ้งๆออยังไงไม่ทราบเ อ, อมันอาจจะจุดยึดถึงจุดที่มันต้องในการพัฒนาเพิ่มขึ้นมันถึงจะมีความสงกขรรมธรรมที่เราได้มาแล้วมันอาจจะชินชาไปแล้วต้องปฏิบัติเพิ่มให้มากมนั่งสมาธิให้นานขึ้นเดินโยงกงงให้มากขึ้นนี่เจ้าค่ะจะทําทแบบเดิมๆทาแบบเดิมๆมันก็เหมือนกับอยู่ที่เดิม อันนี้อาจจะจริงกค็ค่ะอันนี้อาจจะของโยมคงต้องพัฒนาด้านนี้นองนองมันก็ไม่ตัง้งเฉยๆตั้ง6ชงั่วโมงไม่ต้องทอําเลยใช้สติสู้กับกิเลสดูมันก็จะได้ในเรื่องของใหม่ๆนข้อสอบใหม่ให้ทำรับมาปฏิบัติ ด, ดว้วยโยมเท่านี้ก็ค่ะไม่รบกวนท่านอื่นดว้วยพยายาม จะเรสติแบบพุโทโธไปทั้งวันคอพุโทโธพุโทโธดูสวดมนต์เมื่อดูการกระทำของเราอยากปอให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนล้วนั่งสมาธิให้ ม, มากาฉลับกันไปทำสองอย่างนี้เดินก็นั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าทำต้องทํากิจกรรมอะไรก็ให้มีสติอยู่ิเรากิจกรรมให้เราทำใช่ค่ะ แล้วปฏิบัติเจ้าค่ะพรุ่งนี้เริ่มเจ้าค่ะโอเคตอบจากพอพวกเนี้มันเป็นช่วงถ้าช่วงไหนที่เราไม่ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดแรงความรูม้สึกต่างๆเหล่านี้ทุกมันจะนึ่ง เ, เล้า็มันม า, าในใจเรา้ันทีเจ้าค่ะพอเราปฏิบัติแล้วทุกมันก็ถอยออกไปเจ้าค่ะโอเคนะก็ไม่มีอะไรตอบพอพวกคนเจ้าค่ะโอเคคุณกว้างเลย กวา่าอ่าใอยู่ที่ไหนบันทึกก่นอันมิวอยู่ข้างหน้ามุมซ้ายเอ่รูปไมโครโฟนพูดได้แล้วได้ยินแล้วค่ ะ, ะ, คะก็มีคำถามเหมือนกันนะคะคืออยากจะถามว่าคืออ่เวลาทำงานอ่ะหนมก็ ชอบเปิดฟังอ่าธรรมะพระอาจารย์นะคะเพื่อว่าไม่ให้แบบแบบจิตใจมันเออารมณ์ร้อนนะคะหงุดหงิดอย่างเงี้ยบางทีก็ก็ก็ก็ใจร้อนนะคะคือคือไม่แน่ใจว่าสภาวะอารมณ์อย่างนั้นน่ะคือมันมาจากอะไรแล้วแล้วเราจะจะจะมีวิธีแก้ยังไงบางทีไม่ให้เราแบบหงุดหงิดหรือบางทีเราเบือ่อเบื่อที่จะทํางานอย่างเงี้ยค่ะ ความร้อนใจมันเกิดจากความอยากมาากั น, นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานั่นอยากทํานี่ก็เลยร้อนขึ้นมาลดละความอยากวงให้มันน้อยลงอยากในสิ่งที่จะเป็นต้องต้องต้องทําเท่านั้นกับผมลดละความอยากความโลภให้มันน้อยลงแล้วความร้อนใจมันก็จะน้อยลงไป แล้วก็ฝึกสติทำนั่งสมาธิทำใจให้เหย็นพอใจไหมค่ะอยากนั่นนู่นอยากมีนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากไปนู่นอยากมานี่มันก็ราทำให้ใจร้อนขึ้นมาเั็นบางครั้งทมันแบบยินดีตามมีตามเกิดสันโดอ อยากไปอยากได้นู่นอยากให้นี่ได้เท่าที่ยินดีเท่าที่เราได้กรับผมทำไปตามกำลังของเราค่ะแล้วอยากจะถามมีคำถามหนึ่งอะคะ่ะวิธีการแบบฝึกให้จิตใจแบบหนักแน่นนะคะนั่นเลยฝึกสติฝึกสติฝึกพุทโธทองพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนื้อที่นิ่งจะเป็นเหมือนก้อนนขึ้นมา นันถ้าจิตนิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นอเปกขาแล้วมันก็เป็นเหมือนก้อนหินขึ้นต้องอาศัยจิตเป็นตัวทําให้จิตนิ่งจิตสงบ ม, มันพยายามท่อพุโทโธไปทั้งวันเลยตั้งแต่เรียนตาขึ้นมาก็พุดโธพุโทโธอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราตวต่างๆนอกจากเรื่องที่จะเป็นต้องคิดกคิดได้แต่ในเรื่องนี้ไม่จำเป็นก็อยากคิด น, น แล้วก็ไม่อยากทำเขาว่าอยากคิดอยากคิดก็่ไหนอยากคิดอยากคิดอยากคิดรวมไปถึงการคลายความวิตกกังวลด้วยไหมคะบางทีหนูวลเพราะมันคิดมันก็เลยกังวลถ้าไม่คิดมันก็ไม่กังวลตอนนี้ไม่ได้คิดตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องกังวลแต่พอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวกังวลก็เกิดขึ้นมาตอนนีเริ่มกังวลก็ราะอยากคิดอยากคิดอะไรจะเกิดก็ต้อเกิดเ ห้ไม่ได้หรอกอะไรจะเกิดเวลาจะตายมีใครห้ามใครได้ใช่ไหมยอมรับกับสภาพความจริงว่าออะไรจะเกิดก็เกิดที่เ ส, าสาลาเสลาเวลาเขาร้องเพลงที่เสลาเสลาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนาคตเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ อ่ามันก็หายกังวลขอบพระคุณค่ะอ่าเนะ่ยฝึกใจฝึกสติอย่าคิดนั่งใ จ, จก็จะไม่กังวลจะไม่เครียดไมทุกโอเคไปที่คุณกังวลนชน่องต่อคุณกังวลนชน่องอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ่ามีอะไรไหมก็ตอนนี้ก็พยายามจเจริญสติอยู่ไม่เรื่อยค่ะ แต่สังเกตเนี่ยมีคนเขาพูดว่าอารมณ์เกิดดับเกิดดับเราเราไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นอารมณ์เนี่ยมันคือความคิดที่มันต่อเนื่องกันไปใช่ไห ม, ไมคะแต่มาคิดเป็นเรื่องนี้แล้วแล้วมันจะโยงแล้วมันจะโยงไปเองมันก็จะไหลไปเรื่อยอารมณ์ก็คือความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างอารมณ์ดีม<ด>ากอารมณ์เสียมากไอความรู้สึกไอความรู้สึกตรงเนี้ยค่ะเราไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับปุ๊บ มันเหมือนเป็นคล้ายๆการทรานเขาเรียกทรานฟอร์เมชันมันแบบค่อยๆไปมันจะหลายไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือมัเปลี่ยนใช่มันเปลี่ยนแต่มันไม่ได้เกิดปุ๊บมันไม่ได้เกิดปุ๊บแล้วจะหมันไม่ได้เหมือนเปิดปิดไฟค่อยๆไฟเริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากสีไปีกสีอย่างนี้มันก็คือการทรานฟอร์เมชันอย่างใช่ไหมค่ะก็คือพยายามเจริญอยู่กับสติอะค่ะแต่ว่า ไม่ได้เน้นว่าจะต้องสงบอะคะ่ะให้รู้ว่าตอนนั้นเราเป็นอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมลังครับสิ่งต่างๆที่มันจะมากระทบได้อ่ะคะ่ะอาจารย์ใช่ก็พยายามสอนใจให้ยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกัจใจใช่ค่ะแต่ช่วงเนี้ยวิกฤตหนักมากเลยก็คือมันมีเรื่องงานแล้วก็ปัญหาเยอะแยะละค่ะที่เราไม่สามารถที่จะแบบหลีกเลี่ยงมันได้เลยะคะ่ะโดยเฉพาะแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องมากระทบกระทบจนเออเรารู้ว่าเอ อ, อยังไม่ไม่โอเคอะค่ะไ ม, ไม่ไม่โอเคมากๆทีเนี้ยค่ะมันมันเกิดแน่ๆเลยมันเกิดออโทสะเข้ามามีความกลัวมีความโกรธเราก็พยายามอยู่กับอ่าคุณโทรหรืออะไรเงี้ยนะคะมันไม่สามารถที่จะดับอะไรตรงนั้นได้เนี่ยเป็นไปนสักพักหนึ่งะคะ่ะสักพักหนึ่งเนี่ยเออไอความความทรงจาอะคะ่ะ ก่อนๆที่มันลิงก์กับอารมณ์ตรงเนี้คเป็นความกลัวอาจจะตอนเด็กไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมามันมันมันแวบมันแวบมันแวบขึ้นมาในเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราแล้วก็ดูมันนะคะเราก็ดูมันแล้วก็ดูันแล้วก็พยายามพูดทอลพูดทอลอย่าไปดูมันแล้วก็แล้วก็คือแล้วก็บอกว่าเออเราจะไม่หนีโดนไอ้ตรงนี้แล้วเราดูมันเราก็เออให้เมตตากับตัวเองะตั้งแต่เด็กอะไรเรื่อยมา แล้วก็เมตตากับคนอื่นคนที่เขาพูดอะไรมาที่มันอาจจะแบบไม่โอเคบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเข้าใจเข้าใจด้วยแต่ทีเนี้ยอารมณ์มันก็จะกระทบอยู่ตลอดเวลาเราตอนเนี้ยถามว่าเราดับได้ไหมเนี่ยมันมันเป็นความกังวลมากกว่าแต่ว่าในในใ น, ในช่วงระหว่างวันเนี้ยค่ ะ, ม, ะ, ม, ะ, ม, ะ, ม, ะมันก็จะมันก็จะมันก็จะไหลไปเรื่อยมันก็จะมี อย่างทํางานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กับลมหายใจได้อยู่โดยเฉพาะงานที่เอออาจจะไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรเงี้ยค่ะเราเรายังมีรักษาความรู้สึกตัวยอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยไอ้กับไอ้กับสภาวะตรงเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยเมื่อมีอารมณ์มากระทบอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เราควรจะจัดการยังไงต่อเพราะว่ามันด้วยด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสด้วยอะไรหลายอย่างเรารู้สึกตัวดีค่ะว่าเราอาจจะรับความรู้สึกของคนอื่นด้วยง่ายง่ายอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าน เป็นตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีสติสองต่อคือเราต้องวางเฉยให้ได้ตั้งหมายก็เฉยเฉยไปรับรู้ไปแล้วก็วางเฉยไปถ้าทำไม่ได้ไม่ไม่ยามวางเฉยก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้มาใช่ไหมอย่าไปรับไป<า>ชงารัวไ<ห>ปเห็น ให้ให้มันเห็นอย่างเดียวใช่ไหมมันเห็นอย่างเดียวใช่ไมันเป็นอย่างนี้นะจะทํายังไงล่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแสดงว่าเราเข้าไปไปอินเข้าไปเล่นกับมันนะไปอินแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปแล้วก็จะไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปเล่นกับมันเรารู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์เฉยๆเขาเป็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเพราะถามว่ามีเกิดมีดาโกรธเราโกรธฝ่ายตรงข้ามไหม ก็ไม่รำโกรธก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธแต่เรารู้ตัวเราดีแต่เราตู้รู้ตัวดีว่าถ้าเจอสภาว่อย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะแบบเออถ้าสมมติมีคนมาฆ่าเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความกลัวตรงนั้นออกไปได้ต้องใช้พุทโธต้องพุทโไปเรื่อยพุทโธจะทําให้ใจเราเฉยได้ ต่อไปเวลาใจเราเป็นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่เดียวมันง่าใช่แล้วจนกว่าจนกว่าไอ้อารมณ์ความรู้สึกถ้าเราเข้าใจไม่ผิดอารมณ์ความรู้สึกมันก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่าปัญญามันง่านเกิดจากกิเลสแล้วปูนแต่งขึ้นหมาถ้ามันจะถอนเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยในความเข้าใจในตัวเองด้วยมันมันจะเป็นไปได้ในทางไหนหรือว่าเราเข้าดูเข้าดูอยู่มันอยู่อย่างนี้จนมันมันจบลงไปแล้ว ถ้าเราดูดูมันก็เราดูว่ามันเป็นไตหลกก็เราดูว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราต้องอาจา ย, ยุต้องยอมรับกับ<ช>มันใช่ค่ะเหมือนเหมือนอารมณ์สงบมันก็จะเป็นพักหนึ่งอารมณ์โกรธมันก็จะมีพลังงานออกมาอ่ามันเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราเราเรารับดินฟ้าอากาศได้แล้วก็ต้องการับกับอารมณ์ที่แปรปรวนได้ อาจาเราอยากจะได้อารมณ์ดีเวลาเจออารมณ์เสียก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เลยเครียดขึ้นมาเรารู้เขาว่ามันเป็นตั้วตรงข้ามกันแต่ว่าเราปฏิเสธสิ่งใดไม่ได้เลยมันมันต้องมันต้องมาทั้งสองเราไม่ได้ฝึกสติพอที่จะทําให้ใจเราเฉยนับกับมันได้แสดงว่าจะต้องแบบว่าเข้มยิ่งกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับเข้มให้เปสติมากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้น เพาตอนนี้ก็พยายามเข้มอยู่แต่ว่าบางั้ยังเข้มน้อยไปยังเข้มน้อยไปยังเข้มน้อยไปใช่ไหมคะถ้ามันถ้าถ้ามันเข้มเต็มที่แล้วมันจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้กับอารมณ์ต่างๆได้นะมาถูกทางมากขึ้นแต่เราต้องเพิ่มความเข้มข้นของสติปัญญาเอาไว้เข้มข้นมากให้อุเบกขาเราเข้มข้นมากขึ้น โอเคค่ะแต่เคยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ภาพมันเป็นสัญญามาโดยที่มันผูดขึ้นมาเองปึ๊บปึ๊ป๊๊ปแล้วเราก็เข้าใจกับตรงนั้นแล้วเรื่องความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเฉยไปเลยแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องก่อนหน้าเนี้ยอาจจะต้องอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มันจะทำไปเรื่อยให้มันเฉยไปก็มันจะมาดีใช่ไหมคะ บางทีเราไปอยากมันเลยไม่เฉยถ้าเราถ้าเราหยุดอยากแล้วมันก็จะเฉยได้บางทีก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่ว่าตัวเองก็ตามใช่ทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทุก อ, อย่างเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเราไปเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเราเองเราก็ไม่ยอมปล่อยถึงเวลาก็จะกลับเกินสู่ธรรมชาติเราก็ไม่ยอมปล่อย โอเคค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไปทำต่อค่ะตอนนี้ก็พยายามสมาชิกเยอะๆตอนนี้ก็อยู่อยู่ได้เรื่อยๆค่ะอยู่ที่กรุงเทพใช่หมอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งที่สองค่ะรั้ที่สองเคที่สองแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์เจอคุณกิริศคุณน้องคุณกิริศอยู่ที่ไหน อคพมรกันชเป็นผู้ ก, ๆๆๆๆๆๆการราพระอาจารย์อย่ครับจริง ๆ, ๆมีคำถามแต่อาจจะไม่ได้สำคัญมากอขออนุญาตถามพระอาจารย์คือเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาสงบครับรู้สึกว่าเวลามันเดินไปเร็วมากพอพอตอนเราออกจากสมาธิแล้วมันเหมือนว่าเราเพิ่งนั่งไปแป๊บเดียวเองแต่ทำไมมันนานจัง อันนี้มันเป็นปกติไหมครับใช่เป็นปกติเวลาจิตมันเข้าในแล้วมันมันไม่นับเรื่องของเวลาครับมันก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปทักนานนานหรือไม่นานแล้วก็มือการนอนหลับเวลานอนหลับนี่้สึกตับเดียวแค่ตื่นขึ้นมาโอ้ยผ่านปก็หลายชั่วโมองอืมครับไปเป็นประมาณแบบนั้นแป๊แ บ, บเดียวแบบแไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ ่สมมุติว่าเรานั่งแล้วเราแบบโอเคเดี๋ยวเรานั่งสักชั่วโมงหนึ่งนะโดยไม่ได้จับเวลานาฬิกาเลยแบบพอถึงจุดพอเรารู้สึกว่าเออเราอิ่มพอดีแล้วเราพอเราลืมทา่ามันก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเป้งเลยครับอันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับพอาจารย์ว่ากําลังสติของเรามีเท่า น, น, นั้นนั่นทำได้เทานั้นแล้นนเวลาเมื่อออกครับ้าอยจะให้มันนั่งต่อก็ต้อง ตามสติต huh. ้องพุทโธพุทโธต่รับเหมือนเติมน้ำมันรถยนต์เนี่ยเรเติมได้แค่นี้มันก็มีได้เท่านั้นะทุกครั้งแต่มทำนี้มันก็จะวิ่งได้เท่านั้นใช่ไหมหรือว่าเราควรจะตั้งในใจว่าเอาขอให้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกขอไม่ได้แล้วถ้าอย่าให้มันนั่งมากขึ้นนะพอถึเวลาจะลุกก็อย่าพุ่งลุกเสียนั่งต่อไปออ มันจะทำโอทีมาทำโอทีเราเวลาเปล่าเวลาด้วยการพุโทโธพุโทโธพุโทโธการนึกดูลงหายใจต่อไปอยากก่าคุ้มดุเพราะนั้นมันจะยากเพรความอยากจะลุกมันแรง้องต้องใช้ความพยายามใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธสู้กันไปแต่บุษบกพอความอยากจะลุกมันหมดกําลังลงแล้วก็นั่งต่อไมได้ยาวได้อีกรอบน มันค้อแล้ววิธีการจะนั่งนานก็ต้องถึงเมื่ถึงเวลาถึงเวลาอยากจะเลิอกอย่าเลิกต้องสว น, ม, นมันใช้สติสวนชู้มันไปจะไปลองดูครับอขอบคุณครับอาจารย์คุณพระนิสาเจอคุณพระนิสาอยู่ที่ไหน น, มามาน้าเกือแล้วว่ามาน้าเกลือครับอาจารย์เนเ่าใช่ดูในดูในจอมันจำไม่ได้ขอไปด้วยแต่จำเสียงได้จำเสียงได้ค่ะก็ะวันนี้ก็มีคำถามว่าทำไมหนูถือสินแปดทุกวันพักใช่ไหมคะว่าอาจารย์ทำไมเราความรู้สึกที่ว่าไม่โลภไม่โกรด ในวันพลาที่เราถือศีลปฏิบัติเนี่ยมันน้อยกว่าวันธรรมดาครับอาจารย์อยากให้อารมณ์ที่อไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรพวกเนี้ยให้มันอยู่กับเราเอภายในแบบว่าอาทิตย์หนึ่งเราถือบรรันหนึ่งวันใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากให้ที่เหลืออีกเนี่ยมันมีอารมณ์นั้นอยู่อ่ะค่ะก็ถือศีลทุกวันศีลนี่แหละเปนตัวที่ทำให้เราโล่น้อยลงเพราะศีลมันห้ามไม่ให้เราทำนู่นทำนี่ยา ใชค่ะก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งอาทิตย์ก็ลองถือสิ้นแปดทั้งอาทิตย์ดูนะเนี่ยยากตรงไหนนะถ้าเราถือวันนี้ได้แล้วก็ถือพวกนี้ต่อไปก็ได้ถ้าเราถือต่อไปดูเสีจะถือได้กี่วันนะตอนนี้ก็กําลังหัดมือเดียวทุกวันอยู่ค่ะพระอาจารย์ออก็ดีมันี้โรคน้อยลงไปเรื่อยๆการถือสิ่งนี้เป็นการตัดความรู้ที่เราออกมาทางตาทางทาง ทางร่างกายกับทางวาจาแต่ทางใจมันยังอาจจะโลคอยู่แต่เมื่อมันรู้ว่าโลคแล้วมันทำไม่ได้มันก็เลยอาจจะทําให้มันไม่โลคมันทําให้มันโรกกาลังโรคมันน้อยลงไปแต่ถ้าโรคแล้วทําได้มันก็จะทําให้มันแรงขึ้นมาใช่ไหมในพอสัปดาห์ท่านนึ่งเรารู้หน้าโรคไม่ได้นะมันก็เลยไม่โลรคก็ลองเพิ่มเลยเพิ่มเพิ่มเป็นสามวันต่อไก็ได้ะ เอาวันก่อนวันพระหนึ่งวั น, ว, นวันพระแล้ววันหลังวันหลั ง, ว, ลงวันพระอีกหนึ่งวันแล้วก็มีมีเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเอ่อการที่ไม่รู้ยอมจะทำถูกหรือเปล่าคนะาพระอาจารย์ก็คือว่ากินการกินมื้อเดียวคือไม่ให้กินหลังเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มกินได้แต่เช้าเลยหรือเปล่าคะพระอาจารย์ ก็แล้วแต่เราถ้าเราถือมือเดียวนี่เราเลอกได้ถ้าเราเป็นโยมแต่ถ้าจะทําตามแบบพระถ้าพระถ้าเราพอปฏิบาติขมาเสร็จแค่กินเลยจะได้มั น, นจะได้หมดเรื่องหมดราไม่ใช่อะไรแต่นั้นไม่ต้องมากำวันเดียวมาเรื่องกินมันกินตอนไหนก็เหมือนกันอนะ่ะมือนแต่น้ำมันตอนตอนเก้าโมงแตนนิ่น้ำมันตอนเที่ยงมันต่างนะแต่ปริมาณเท่ากันมันก็วิ่งได้เท่ากัน บางวันกลัวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินเช้าแล้วเดี๋ยวไม่ถึงเงยน็นแล้าหิวนะมันหิวทั้งนั้นถ้ามันอยากจะหิวอมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอย่างเดียวแล้วกินห ล, ล, ลายผลกินหลายคนก็หิวได้บางคนหิวทั้งวันเลยมันอยู่ที่ใจงั้ากินนี่กินเพื่อดับความต้องการของร่างกาย ให้ความให้ให้สิ่งที่ร่างกายต้องก า, า, การนล้วแล้วบอกว่ามันอยู่ได้แล้วไม่ตายแล้วคิดอย่างนี้กินเพื่อไม่ให้ร่างกายมันตายแล้วไม่ให้ร่างกายมันทรมาร์ตแต่ใถ้าไม่มีสติมันก็เดี๋ว่าคิดถึงอาหารตัม้มองตั้หิวขึ้นมาได้ทุกเวลาค่ะแล้วมันหิว <c oughs> จริงจริงคอาจารย์ทุกทุกบ่ายสามโมงก็เริ่มแบบ ห, หิวมากแบบหนูก็ทํามากําลัง ทำมาได้หนึ่งอาทิตย์นะคะว่ากินมื้อเดียวนะคะกําลังลองดูว่าเราจะไปต่อได้หรือเปล่ามันหิวเราก็อย่าไปสนใจมันเลยก็ปล่อยมันหิวไปไม่ตายมึงหิวนี่ไม่ตายแล้วไม่ต้องกลัวค่ะจะลองดูเออแล้ววิธีจะทำให้มันไม่หิ ว, วนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปค่ะเออการพุโทโธเนี่ยห น, หนูถามอีกอย่างหนึ่งคือ การที่เรามองตัวเองทำงานด้วยสตินะคะพระอาจารย์กับกับท่องพุโทโธพุโทโธอยู่ในขณะที่เรากำลังทำงานทำกับข้าวหรือว่าเราดูการกระทำของเราไปว่าเรากำลังผัดข้าวนะเรากำลังหั่นหมูนะเรากำลังทำนูน่นนี่นั่นอย่างนี้คะ่ะเราจะเอาตรงไหนดีอะคะพระอาจารย์ก็ต้องเอาที่งานที่เราทำก่อนมีนเดี๋ยวมีดฟันมีด ม, มีบาหมือได้ถ้าเราไม่ดูงานที่เราทำ นี่บางทีคนเรานีสายมันทําไปแล้วมันคิดไปด้วยเราต้องการหยุดความคิดถ้าสมมติทําไปแล้วมันอยากคิดไปอาจจะต้องใช้พูดโธรมาช่วยตัวนะเจ้าค่ะแต่ต้องดูางานที่เราทําเป็นหลักเนี่จะทําผิดพลาดได้ถ้าเรามีสติพอที่จะบงังคับให้มันหยุดของงานเพียอย่างเดียวไม่ไปคิดแล้วก็ไม่ต้องพูดโธก็ได้ค่ะตอนนี้หนูกําลังดูการการะทาว่าเรากําลังทําอะไรนะ่ะ ตรงนั้นออยู่เราทําอะไรนะไปคิดเรื่อย่าไปคิดเรืองเแต่มันก็ยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะพระอาจารย์ให้เราพุดโธหรือว่าเราจะดูการกระทํำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันจะตีกันอยู่สองอันเนี้ยค่ะถ้าเราถ้าเราเราดูการกระทําได้ดีกว่าถ้ายังดูการกระทําไม่ได้ดูแล้วมันยักยอยไปคิดเรืงนั้นเรงนี้ก็ใช้พูดโธมาช่วยกันเจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ระอาจารย์ อาจารย์โอเคนะอดทนหน่อยแล้วไม่ต้องกลัวความอยู่ว่าอยว่าไม่ตายหรอกสิ่งที่มันจะตายคือกิเลสเนี่ยต่อไปถ้าเราอยู่กับความอยู่ได้ต่อไปกิเลสมันก็ตายไปตอนนี้กําลังสอนลูกให้สอนลูกให้มาทํางานแทนค่ะพระอาจารย์เขาเก่งแล้วได้ดีเขาจะได้ก็จะได้มีความภูมิใจว่าเราไว้ใจเขาเขาก็จะได้ทํางานเราก็จะได้ปล่อยวางได้มันจะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมีกว่า ใช่ค่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะคะเลยไม่ให้เขาคนที่อื่นให้เข้ามาเราก็มาขึ้นให้เขามาทํางานกับเราดีกว่าต่อไปก็เป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าค่ะขอบคุณคุณมากค่ะพระอาจารย์เนี่สนยสาธุวยนะพยายามรักษาศี ล, นะล ต, ตัไปเรื่อยๆนะนช้ตลาดยินดีแล้วก็พยายามปฏิบัติสติไปเรื่อยๆแล้วก็อดทนเวลาหิวก็บอกไม่ตายร่างกายไม่ตายกินมื้อเดียวดูหลวงพี่งดูผ้าเป็นตัวอย่าง เนี่ยกินรู้เดียวมานั่งตั้งแต่บวชมานี้ยไม่ตายอาจารย์คะอีกข้อหนึ่งเอ่อคือถ้าสมมติว่าหนูทํางานจนแบบว่าคือมันมีลูกค้าต่อเนื่องเงี้ยคือกินกินข้าวไม่ห้ามห้ามกินหลังเที่ยงแต่ว่าถ้ามันเกินเกินเวลาที่อย่างไปนี่เราก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ถ้าถ้าถ้าถ้ามันเรายัางไม่ได้กินแล้วเราไปติดภารกิจการงานอื่างงานก็ได้มัางงาน่นเปน แล้วเขาบอกว่าถ้านั่งกินอยู่เนะี่ยถ้าเรายังไม่ยมิ่มถ้าเราลุกขึ้นปุ๊บศีลมันก็จะต้องหยุดกินทันทีเราจะกลับมากินต่ อ, ไ ม, อไม่ได้อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นข้อที่ให้เราทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปให้มันจบไปจะได้ไม่ต้องม า, มาติดประต่อกันนั่นเองสำหรับพระทําหน้เพราะพระไม่มีกินเลยรนั่งให้มันฉันให้มันเสร็จไปเลิกเลยไม่ต้องมากลับมาทําอีกเดี๋จะกลายเป็นสองมือไป เขาปวดเดีา น, น, น, นกินสองครั้งแไปกินทีเดียวให้มันเสร็จเสร็จไปเลยม้วนเดียวจบถ้าเป็นหนังก็ม้วนเดียวจบมไม่ใช่กินตอนแปดโมงวเดี๋ยวพักเดี๋ยกลับมากินต่อตอนสิบโมงนี้เราพากมากินต่อตอนสิบเอดโมงก็การเป็นสามมื้อไปเวลาเรานั่งทานข้าวอยู่เข้ามาพระอาจารย์ แต่ถ้าเรามีความจำเป็นนะสภาพแวดล้อถ้าสภาพแวดล้รมทำมันบังคับให้เราต้องทำเองก็ไม่เป็นไรให้เราลุกขึ้นไปเนี่ยให้เป็นไรคราทำทำไปเสร็จแล้วก็กลับมากินต่อกม่ได้อย่างเราอยู่ที่ลาลาเม่อวันที่วันที่ฉันได้ครึ่งหนึงอ่ะญาวย่าโยมเข้ามาลาละมาถามปัญหานะครับเลยต้องหยุดกินพักคุยกับเขาตอบพอเข้าไปก็กินต่อไง เนี่ยเราชันเสร็จทีหลังพุ่พราก็ชันกันหมดก็ปาดทูซาราอยู่แล้วลยังนั่งฉันของเราอยู่คนเดียวนะอันนี้แต่ยังไงมันก็อยู่ในในกรอบของกินคนเดียวอยู่โอเคค่ะพระอาจารย์ไ ม, ไม่ต้องไปกังวลมากเรื่องกินนะพระรู้ว่ามันกินโดยโดยโดยโด ย, โด ย, โดยมันกินคนเดียวแล้วอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่เพราะว่าเราอย่างทลับธุ ร, รกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับงานบาอดีอาจจะหลังเที่ยงไปสิบห้านาทีครึ่งยุ่งงก็ไม่เป็นไรค่ะอ า, าจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคสุคุณทศพลชอยู่ที่ไหนคุณทศพลสวัสคอาจารย์อาจาร ย, าารย์ได้ยินผมไหมครับได้ยินอยู่ที่ไหนอ่อยู่ที่บางพระครับบางพระนี่เสียาชานะ วนี้เข้ามาทรั้งที่สองครับเ อ, อบมีอะไรไหมมีำคำถามอะไรไหมทีแล้วพาเพราะว่าขับรถอยู่เลยไม่ได้เข้ามาครับก็มีเรื่องการนั่งสมาธิครับก็เออ่เคยฟังพี่ ป, ปาอาจารย์ก็คือแต่ปกติเรานั่งสมาธิอาจารย์ปาอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ปลายจมกูกดูลมเข้ากระทบแระวก็ลมออกอยู่ที่ข้างบนหนึ่งึงฝาแต่พอดีเราเผิดมาซ่องตรงนี้ครับมันก็จะทําให้การหายใจไม่แน่ใจ คือการหายใจมันจะไม่ไม่ธรรมชาติอาจารย์ครับเหมือนกับเราไปจ้องมันอยู่ยเรามันเกรงหรือว่าอะไรสักอย่างมันแต่ว่ า, าไม่เคยเราไม่เคยดูมันก็เลยเกร็งก<ต>็ดูไปลองเอกร็งมันหมายอาจจะเกรงก็ได้แต่ไม่ไม่ต้องกังวลมากไม่เคยไปก็ดูไปแล้วเดี๋ยวพอมันมันชินมันก็จะหายเกรงได้ก็ก็เลยลองอีกวิธีหนึ่งก็คือลองขยับเลเวลออกมาครับก็คือเหมือนมาดูร่างกายแทน แล้วก็ดูว่ามันหายใจหรือเปล่าอะอย่างนี้ไม่เก่งผมควรทำยังไงด้ก็เป้าหมายคือให้เรามีอะไรทำเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเนี่ยได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ถ้าเราดูแล้วเราไม่ไปคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้เราขอแล้วควรถามอีกเรื่องนึงครับก็คือเห็นคุยกันว่าเรื่องขึ้นเขาอะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดผมต้องไปขึ้นกันที่ไหนอะไรอย่างไงละครับหรือว่าต้องคุยกับใคร รอเดี๋ยวลองคุยกับคน้าดูก็ไคนลาที่เป็นแอดมินเนี่ยเดี๋ยวคณร้าจะให้หมายเลโทรศัพท์ติดต่อคับท่าที่บนาครับคุณบ้านตามมาครัเดี๋ยวคราก็จะเปิดแชทสงช่งแชทมาให้คุณรดูแชทก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมเปิดแชทแล้วครับโอเคนะครับน้องสมเพ่อนครอครัครับโอเคเราวิสาจากสวิตรแดเชิญ การนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยงไงสบายดีไหมค่ะสบายดีค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ม>พระอาจารย์สบายดีนะเจ้าคะค่ะค่ะพระอาจารย์ยมมีคําถามค่ะวันนี้ค่ะอ เ, คเอะค่ะถ้าเรานั่งอคือเรายังไม่ได้ขนาดว่าเจริญสติได้ตลอดทั้งวันค่ะพระอาจารย์แต่แต่เวลาเรานั่งหลับตาทําสมาธิเราก็รู้สึกว่าเรานิ่งแต่มันยังไม่ลึก ม, มากแต่มันรู้สึกว่าเรา เราเรานิ่งก็สงบนะคะพระอาจารย์ยวมถามว่าต่อไปแบบถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆสักพักได้สักระยะนานระยะหนึ่งแล้วเราสามารถเริ่มพิจารณาอาศัศวะเริ่มได้อย่างย่งคะหรือว่าต้องรอให้มันลึกมากกว่าเดิมบางทงพิจารณานี่เราเราทำได้ตอนที่เราไม่นั่งสมาธิแล ค่ะค่ะยังมีตอเนี้ตอนนี้นั่งพิจารณาสุภาไปได้ดูอาการชาติสองดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอกสารก็รได้แต่วมา น, นั่งสมาธินี่อยากจะให้มันนิ่งมันนา่าไม่อยากให้มันไปคิดเพราะเราคิดมาทั้งวันอล้อยากจะให้มันพักบ้างงั้นอยากไปพิจารณาตอนนี้อยู่ในสมาธิหรตอนที่นั่งสมาธิค่ะค่ะโยโยงเข้าใจที่พระอาจารย์เทศนาค่ะคือความหมายโยงก็คือว่าคือหลังจากเราออกจากสมาธินะคะคือประมาณเนี้เรา เราสามารถเริ่มเริ่มพิจารณาเริ่ม<า>ดูอสุโนมได้แล้วถ้าแบบนี้เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะได้ถ้าเราอยากจะพิจารณาแต่ถ้าเราคิดว่าสติเรายังไม่มั่นคงยังไม่ดีพอเราก็เอาสติก่อนดีกว่าอืมค่ะเพราะว่าสติมันสําคัญกว่าเพราะการพิจารณานี้มันมันต้องมีสติคอยประคับประคองถึงจะพิจารณาได้เป็นุ่ปเป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็ พิจารณาพวกเดี๋ยวก็หนีไปคิดตั้งแต่เลยโห่ยก็ยังนั้นมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสติมันจะไม่เป็นอุเบกขาจิตมันจะไม่เป็นอุเบกขาแล้วบางทีมันพิจารณาแล้วอาจจะเกิดความไม่ชอบหรือเกิดอารมณ์หดหูหรือขยะขยงนขึ้นมาก็ได้งั้นก็ดูถ้าเราพิจารณาได้ก็ลองดึงัวกาการที่สองข้างในดูงว่าข้าไปข้างใน อดูทราบสดนี่ดูที่ว่าเรามีมีอุเบกขาพอที่จะดูมันโดยไม่รู้สึกมีอารมณ์หมดเนี่ยกดฟูไหมขยักขยั่งไหมคช่ใช่ได้จะพิจอรณาแต่เพียงแต่กลัวว่าถ้าเราสติยังไม่ดีพออุเบกขายังไม่มีมากมันจะไม่ค่อยเกิดเป็นประโยชน์เท่าไหร่นอค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมจะ ลองลองดูค่ะพระอาจารย์ค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะอีกคําถามนึงค่ะพระอาจารย์คือเอ่อคือตอนนี้นะคะพระอาจารย์ยมยมยมดูว่าเอ่อพิจารณาความโลบของของตัวเองตัวยมเองนะคะพระอาจารย์คือคือตอนนี้ยมมีการลงลงลงทุนนะคะในพอร์ตที่บางตัวที่ลงทุนอ่ามันมีติดลบมันแดง แต่จิตใจโยมที่ดูตอนที่ดูเข้าไปว่เออมันลบมันรบเยอะมากตอนนี้แต่แต่โยมก็ยังนิ่งได้ค่ะพระอาจารย์นิ่งนิ่งก็เออเออมันก็มีขึ้นมีลงนะแต่ทีนี้มันลงเยอะพอมันลงเยอะแล้วลมโยมก็ดูว่าเออตัวนี้มันคือความคิดของโยมนะคะคือว่าเออมันน่าจะลงทุนน่าจะไปต่อในอนาคตได้โยมก็เลยคิดว่าเอา๊ะถ้าเราลงทุนเพิ่มไปอีกตอนนี้มันราคามันมาครึ่งนึงแล้ว ยมสมควรคือในโยมคิดว่ายมสมควรลงทุนเพิ่มดีไหมที่นี้ยอมก็เอ๊ะหรือเราโลภแต่ทีนี้เราก็เลยแบบว่าอืมันเป็นยังไงแต่ยมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ในในยใจมันก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้โลภนะนัมันมันสมควรน่าจะลงทุนได้ในต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็เลยเอ๊ะมันโยมความคิดแบบนี้โยมแบบในการลงทุนแล้วเรามีเห็นช่องทางนี้เราเราโลภมากขึ้นไหมแต่ว่า เราคิดว่าออันนี้อาจจะเป็นแบบอคล้ายๆทรัพย์สินของเราอย่างหนึ่งในเมื่อขณะที่เราไม่ได้ทํางานแล้วแล้มันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ให้มันให้ให้เรามีเป็นทุนสํารองในอนาคตเราได้อะค่ะอาจารย์ยมก็เลยคิดว่าเอะยยมยังมีความโลภอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือไม่โลภอยู่คือแบบมันสมควรที่จะทําแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดืมพิจาตายลากไปเราพิจานณาและ้ มีขึ้นมีลงนะฮะ น, นี้จากของไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเราจะไปมองว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวหรจะเป็นไปตามที่เราคิดแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้ mm hmm. ถ้าเราพิจารณาตายแล้วล่ะจะหดอยู่เฉยๆดีกว่า mm hmm. okay. มาแกมาแก้มาแ ก, ก้ปัญหาด้วยการลดค่าใช้จ่ายดีกว่าในการคิด ท, ท, ท, ที่จะไปหาเพิ่มมาได้ ใช่มันเพิ่มรายได้มัน้็โลกแล้วพยายามที่จะมีรายหน้าระดับนี้เพื่อรักษาอาการกินอยู่ของเราในระดับนี้แตถ้าเราคิดว่ามันมันไม่มีอะไรแน่นอนเราอาจจะควรที่จะมาปรับที่ตัวเราดีกว่าให้ให้มัก น, น้อยสันโดดมากขึ้นดีกว่าค่ะค <c oughs> <c oughs> ่พระอาจารย์ลดต่ออีกนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วแล้วถ้าเกิดไอตัวที่เราเราเราเร า, เรามีอยู่ขนาดนี้ทีนี้มันแบบ มันแบบราคาลดลงมาครึ่งหนึ่งอะครับอาจารย์เราก็เลยแบบเออคือเราก็คิดว่าเออเรามันก็ไม่อยากให้มันลดลงนะแต่เราก็ให้เอาคล้ายๆว่าเพิ่มลงทุนให้มันแบบให้มันให้มันประมาณเท่าเดิมหรือว่าอนาคตมันจะขึ้นคือเราก็คือคิดมองคเนี้ยหรือถ้าเราปล่อยไปปล่อยเฉยๆไปมันก็อาจจะมันอาจจะขึ้นมาอีกก็ได้หรืออาจจะลดลงอีกก็ได้เหมือนพระอาจารย์ว่ามันเป็นไต่หลนะคะเรากอยากไม่แน่นอน ค่ะเราก็อยู่นิ่งๆปล่อยบ้นเฉยๆอย่างนี้ไปหรือว่าทรมกับเราโยมก็เลยคิดว่ายมกําลังกำลังยังไงบางบางที่พูดยากคือเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใ่หมคามทมันไม่มันไม่แน่นอนงั้นว <c oughs> ิธีที่ดีสุดก็คือพยายามอย่ไปอาศัยมันอย่าไอาศัยเงินทองมากเกินไป ด้วยการใช้หลักมักน้อยไปใช้มันน้อยๆใช้มันหลักประหยัดประหยัดนะอยไปฟุ่มเฟือยอย่าไปอะไรต่างๆแล้วก็าจจะเปลี่ยนวิธีการลงทุนไปแบบที่มันมั่นคงกว่าไปซื้อพันธบัตรนักามาหรืออะไรนั่นเีงค่ะจะได้ไม่ต้องกังวลจะได้ไม่ต้องมาคิดใช่มคะค่ะไม่มาคิดมันจะเวลาเวลามาภาวนาดีก่าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ค่ะา <C> e <an> อีกอย่างถ้าตายไปแล้วก็องไปไม่ได้บางทีเคิดเผื่อที่ไม่ดีกเหนื่อยเกิดเป็นโอกหัวใจวายตายไปก่อนไงค่ะอาจารย์มาทุกข์ก่อกเงื่อน <C> e <an> หาเงินหาทองแล้วก็บังดีไม่ดีไม่ได้ใช้เงินใช้ทองที่ล่าหามาเพราะมันเครียดมันตายเพราะต้องเครียดบางทีบางคนที่ตายเพาเครียดเพราะมาเครียดกับเงินทองเนี่ยถ้าทาให้เกิดเป็นนอกหัวใจหัวใจวายอะไรขึ้นมาอืม ถ้าก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมนี้แล้วต้องแล้วต้องเอาลงทุนแบบที่มันมันมั่นคงที่สุดปลอดภัยที่สุดที่เราไม่ต้องที่เราไม่ต้องไปคิดไปคิดใช่ไหมครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลเจงประเทศน่ำกระดานเขาร่ำของเข้าไปนะถ้ารัฐบาลยังมีอยู่เขาก็ถึงเวลาเขาก็จ่ายดอกให้เราไแล้วก็ เนี้เอาแบบาน้อยนิดกว่าเอาให้น้อยแต่มั่นคงนอืกค่าแล้วเราก็มาลดค่าใช้จ่ายของเราลงให้มันน้อยไปให้มันอยู่กับรายได้ที่เราได้จากดอกเบี้ยออกมาไปอืมค่ะโอเคยมพอสรุปได้ว่าก็คือว่าเราหาอะไรทําหรืออาชีพหรืออะไรการลงทุนที่เราให้เราไม่ต้องไปกังวลหรือคิดกับมันให้น้อยที่สุดอย่างนี้ดีกว่านะคะพระอาจารย์อย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเลยอืม ค่ะพระอาจารย์ค่ะยมเข้าใ จ, าาจแล้วค่ะพระอาจารย์ค <Okay. S 1> ่ะค่ะขอบคุบพระคุณครับคุณยืนจำปาอยู่ที่ไหนคุณยืนกรุงเทพหรอืออยู่มุกดหารครับที่ไหนนะมุกหารครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่ไม่ไ ม, ไม่ชัดมุกทหารครับมุกดาหุกดาหารคมีอะไรไหมพระอาจารย์ขอโอกาสถาวายสิ่งนี้นะครับ ถวายอะไนะเพรับถวายสิ่งนี้ครับไม่นานหรอกครับไม่เข้าใจถวายอะไรไม่นานถวายสิ่งนี้ครับเดี๋ยวพระอาจากกรุเองครับอ๋อ่อมาฮาเทเรปรมาเชนาทวารัตะยีนะกัตตังสังนปารัตังขมาธ ม, มพันเตจโยโนพันเตจะขมาจะท้าพาเรยะท้ามุเฮจะท้ากุสเร ยิงมอยังพันเวัาิทราขจิกะระขจิปมาทังวะบายโยนิโสมนาสการังกะริมหกยีนาวาจะยจิสวาสุคปิปนมุขปเตสะโดพันเตอาจจะยังอาตปฏิกตัวยตังสร้างระยะโยตุโสมหจเตนะมหเทรสเมงปกตังธตโนทสรสะปะังมีนสัตอะหังบันธามิอภิชาโตอจจะยิโยมุติอายสมติมาชาติยาคีนะอุสตังกรมาจริยังนะปังกิยติปะชานิติ อิมังปัญจกรรมธานังเสยยาธิตังเกียร์โรมานาคตาตตาตจูปฏิกลังอสจโนโยจกพิกเวถูกข้างนิจังนาตากรมฐานห้าภาวะฐานหวิภวะฐานหสมุทโยทุกโพโรกิชีเรนาสมาธิปัญญาทุกขานิโรธอริยสตังสมาธิติสมาสังโปะสมาวัจสมากรรมันโตสมาชิวสมาวายโมสมาสติสมาสบาธิอคกังกิโกมะโคเจโตวิมุติยางามสินงามทำงามเป็นอากาิโกงามสิภพหยชาติสังขารกือพะ อภิชาตโตภาเเษกบุคคลที่นสุขเจ้าผู้เป็นอาจารย์นิพพานังอาจฉริโกนิพพานังสร้างวัตรตีสาธุูครับโอเคมัอฟัาไม่รู้เรื่องภาษาแขกก็ไม่รูครับนั่ง <c oughs> <c oughs> ักษ <c oughs> าทุก็การักษาทุ ก, <c oughs> ทกข์ <Okay. S 2> มีทั้งนี้แหละไม่มีอะไรนะใช่ไหม <c oughs> สมาทิปัญญาเป็นเครื่องดับทุกทั้งปวงครับเออได้ถเจ้าเอาไปใช้ให้ได้นะครับผมก็ฟังแอ้ นานระยุ่งยอนตัวเองครับโอเคสาธุแค่นี้แหละครับคุณแอมี่ต่อปัทยายังนี่วันนี้ลูกไม่ได้เข้ามาเลยลูกสาวสวัสดีค่ะวันนี้เสียงดังค่ะวันนี้เด็กๆเล่นเกมอยู่ข้างล่างค่ะขึ้นเกมก็ใส่บาสใช่ไหมคนเยอะทำไม่ได้ได้ค่ะ มีคําถามเลยรไหมมีคําถาม อ, มมามอ่าถามว่าจะมีวิธีใช้ธรรมะข้อไหนที่จะอ่ช่วยบรรเทาอาการย้ําคิดย้ํำทำได้บ้างคะถ้สติเนี่ยย้ึกสติอยู่ดี่ค่ให้มีสติแล้วมันจะรู้ว่าเรากําลังย้ําคิดเราทาอะไรเราไม่ต้องย้ําเราเราจะ เวลาเรารู้แล้ว เ, เราทำานเดียวล้วก็เราก็จบถ้าเราไม่มีสติทําปล้บางทีไม่แน่ใจน้อกลับมาทําใหม่ทําย้ำำําทําเรื่อยๆนั้นฝึกสติให้ามากๆแล้วต่อไปทําำคนเดียวจบคิดอนเดียวจบ <Okay. S 1> สติให้ทําอะไรให้รู้สึกตัวกําลังคิดอะไรให้รู้ว่าเราคิดอะไรคอยจดจ่อดูการ ท, ท, ทําการคิดของเรา ไม่มส ต, ติถ้าเราทําไปไม่คิดเดี๋ยวทําทหรือเปล่าบางที่ปิดประตูแล้วปิดหรือเปล่าแล้วต้องเดินกลับมาใส่กุญแจรหรือเปล่านี่นแสดงว่กากระดอาการทํางานแบบไม่มีสติขณะที่ทําใจไปคิดทั้งเลยได้ ล, ลืมไปว่าได้ทำหรือยังแล้วก็เป็นบางทีง <c oughs> น, นเราทำอะไรต้องฝึกสติอย่ารีบนอนทาดีระยาทำทําตอนนี้ กำลังทําในร่างกายกำลังทำในใจต้องอยู่กับการทำในร่างกายไปเพียงอย่างเดียวเข้าใจไหมวิธีฝึกสติก็พยายามพุโทโธพุโทโธพุโทพโธดึงใจให้ให้กลับเข้ามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายลองทําดูนะมีอะไรไหม ก็มีคือว่าเพิ่งจะเข้ามาฟังในซูมได้ไม่นา น, นะคะก็คำถามของหลายๆท่านก็จะมีประโยชน์กับตัวเองมากค่ะก็เลย อ, อย่างเช่นเวลามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะบอกว่ า, าให้ดูไตรลักษีสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปคน้น แล้วก็ลองเขียนว่าไตาลักษ์มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะ hmm. แล้วก็เช่นแบบว่าเหมือนปลามีคนถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอ่ะตัวนี้ต้องเอาไตาลักษ์เข้าไปจับนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังฟังไม่เข้าใจก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนออกมาค่ะคือหนูยังไม่ถึงขั้นที่จะปฏิบัติอะไรได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิด้วยค่ะ ก็เลยจะจะอยู่สมาธิจะอยู่กับกับการเขียนมากที่สุดอะค่ะเขียนแล้วมันก็จะได้ผ่านผ่านผ่านการมองเห็นการเขียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะจําได้ค่ะก็ดีคือการเรียนรู้ไปก่อนตอนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนแล้วต่อไปเราเข้าใจแล้วก็จะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้นี่มามาปฏิบัติได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะ แตวันนี้ที่บอกให้ใช้สติความจริงอร ม, มาลของคุณก็คือใช้สมาธิเนี่แหละทำอะไรให้มีสมาธิกับการที่เราทําอย่าใจลอยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะรู้ว่าเราทําอะไรกปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาย้ำย้ําทําใหม่ย้ําคิดใหม่ค่ะในภาษาทางปฏิบัติเราเรียกว่าสติไม่ใช่สมาธิสมาธิความจริงทางปฏิบัติหมายถึงจิตนิ่งสงบ วางเฉยสัแต่ว่าเรื่องยงเรียกว่าสมาธิแต่ถ้ายังมีการดูมีการคิดการทํำอยู่นี่เรียกว่าสติสตินะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาฟังสัพท์หมที่เราไม่เข้าใจก็ลองไปค้นหาในใน Google ลดูไปแล้วเรียนไปเรื่อยๆก่อนใจเย็นๆศึกษาไปเรี ย, รยนไปเดี๋ยวต่อไปก็เก่งเ มีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะโอ okay. เคนไปที่ท่านต่อไปนะอาจารย์สายทิมคอนแกนนอะรสารคามเลย ก, บบาการนวัตกรรพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่คอนแกนค่ ะ, ะค่ะจะรายงานการปฏิบัติแล้วก็ข้อติดขัดนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะอะช่วงนี้เวลานั่งสมาธิจะไม่ค่อยเปิด ธรรมะไปด้วยค่ะจะชอบนั่งนั่งนั่งเองเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกมันก็จะเห็นลมหายใจที่หยาบหยาบใช้เวลานานเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แล้วลมหายใจมันค่อยละเอียดขึ้นทีนี้มันจะไปติดอยู่ตรงที่มันเหมือนแบบมันจะสงบแต่มันไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มันเหมือนอยู่ตรงคลางระหว่างที่แบบเอ่อที่ลมหายใจละเอียดแล้วก็มันก็ติดอยู่ตรงนั้นค่ะไปก็ดูลมต่อไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นร่วมันละเอียด หรือว่าเป็นเพราะว่าอย่าไปดูอย่างอื่ดูที่ลมต่อไปดูลมอย่างเดียวหรือเป็นเพราะว่าเราเราอยากให้มันสงบมันก็อยากด้วยแล้วก็ดุดดูลมด้วยไม่มีสติมันก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นดูลมต่อไปละเอียกก็นวดมันละเอียืแมันก็ทำลมหายก็้ว่ดมันหายแล้วก็ดูดูลมหายไปดูดูการไม่มีลงไปค่ะเราดูว่าเราคิดเราอยากหรืป่าถ้าคิดหรืออยากก็หยุดมัน อยากไปอยากให้มันอยากอให้นคิดค่ะน่าจะเป็นที่ความอยากค่ะเราบอกให้หยาบไปอยากมนั่งไปเรื่อยๆมันจะมันจะรอมันจะสงบมันก็ไม่กบเรื่องของมันอย่าหยาบไปอยากก็คือต้องต้องพยายามหักห้าใจด้วยดูเฉยๆดเฉยๆดเฉยๆอืมค่ะก็คือพยายามไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ดูมาดูความว่างไปดูความว่าง แล้วก็ไม่ไม่เป็นเร่งไม่ไปอะไรไม่ไม่เหมือนไปบีบมันใช่ไหมไม่ไปอยากไม่ไปคิดได้ทํำไมไม่ทําไมจะไปไงต่อแต่มันไม่เข้าทำไมเข้าเราอย่าไปวิพากษ์วิจารไม่ได้ตพราะที่เราเป็นตัวที่ทําให้มันไม่เข้าค่ะติดติดตรงนี้เลยค่ะเพราะอาจารย์น่าจะเป็นค่ขาดูเฉยๆเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นดูลงก็ดูอย่างเดียวกันไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นออือค่ะอย่าปรุงแต่ ใ่ที่ตกแต่งใหญ่ๆค่ะมค่ะอาจารย์นอ่ามี้ค่้แล้วก็วามาต่ออ๋อพระอาจารย์ทักมาลืมเลยค่ะสติหายอันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ได้นอนคิดว่าคิดว่าหมดแล้วแต่ยังไม่หมดก็วาดมาต่ออ๋ออ แบงค์ไปเลยครับ อ, อาจารย์อาจจะกลับมาใหม่ก็ได้จะรับส่องก็ได้สาธุค่ะไปดิคุณบริสจากระยองบริสนี่มีคำถามไหมเก่าวนมัสการคระอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคเป็นไปดิคุณร่วมพรคุณร่วมพอรอาจาค่ะคุยได้นะเนี่ยโอค่ะ คือขณะ น, นี้ตัวดิฉันเองกําลังพิจารณาเรื่องสัพเพธรมมาอนัตตานะคะคราวนี้มันก็มาติดโดยตรงว่าถ้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นว่าไม่มีเราไม่มีของของเราได้ไหมนะได<อ>เ้เหมือนกันเหมือนกันนไม่มีเรา<อ>ไม้มาั<อ>มนก็<อ>มาเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติหมดเนี่ยทุกอย่างนี่มันเป็นธรรมชาติ นี่แต่เราไปยยกไปเด็กึ่งมว่าเป็นเราเช่นร่างกายเป็นหนึ่ว่าเป็นเราของเราแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็เป็นของเราไม่ใช่ว่าเป็นของธรรมชาติเ ท, ท่านั้นนหละอ่ะเท่านี้พอจากสเตปนี้นะคะก็ไปว่าอ่ะมันก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรเนี่ยนะคะมันก็เปรียบเหมือนกับว่าข้างนอกไม่มีอะไรเหมือนกับมีใบบัว ก, กั้นอันหนึ่งข้างนอก แล้วข้างในมันก็ว่างเหมือนกันข้างนอกมันก็ว่างเพราะมันไม่มีอะไรทั้งคู่แต่ก่อนมันไม่เป็นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนข้างในข้างในมันว่าเป็นเป็นรุ่นเป็นดีไปหมดใช่ไหมแต่ก่อนข้างในมันเหมือนมีอะไรอยู่อ่ะบางทีมันเราก็ดูไม่ออกแต่ว่าเอาเอาอย่างละเอียดก็คือมันไม่ว่างเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้มันมันว่างก็ดีมันว่างมันสบายไหมนะสบายที่สุดเอ่ สบายที่สุดฮะคราวนี้มันก็ว่าข้างนอกเนี่ยพอมันไม่มีอะไรแล้วมันก็เหมือนกับที่ในพระเจ้าเคยตัดว่านเนี่ยถ้าไม่มีบัวก็ไม่ต้องทุกข์เพราะบัวไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์เพราะอะไรแต่มันดีตรงอยู่นี้ที่ว่าข้างในอ่ะมันว่างด้วยพอมันว่างด้วยนี่มันก็ว่างหมดอ่ะทั้งภายในก็จบ<อ>ปัญหาก็าจบ พระเจ้าวอกอุศ so ิตธรรมพรหเนีรย um. right. no. so ์กิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแ้เมื่อเข้าถึงความว่ากเนี่ยสมบูรณ์แบบเท่านี้มันเหมือนกับว่าในในชีวิตเราข้างนอกเนี่ยนะคะปุ๊บหนึ่งอยากจะให้มันว่างก็ได้เลยคือมันไม่ต้องมานั่งแต่ก่อนต้องนั่งภาวนาตั้งนานนะกว่าจะถึงสงบความว่าเดี๋ยวนี้พอนึก ตั๊บมันก็ว่างได้ปุ๊บไม่ต้องไปทำอะไรมันอืมคือไม่ต้องแบบมีพิธีกรรมว่าเออต้องหาไหโครัวไม่ต้องไหวครฮะมันก็อย่างนี้ก็แสดงว่าปัญญาเราไวขึ้นไวขึ้นปัญญาแสดงว่าเราวขึ้นอ่าแสดงว่ามันเป็นอัตโนมัติเลยมันว่างตลอดเวลาอ่าอย่างนี้มันก็น่าจะถูกต้องนะฮะถูกต้องถ้ามันทำให้ว่างได้มันถูกต้องอ่า ครานี้เนี่ยตั้งแต่เคยกราบเรียนท่านวาเออเดี๋ยวนี้รู้ล้วว่าจะไปยังไงแต่ก่อนฟังท่านก็ยังง ง, งๆว่าเออเราจะทิ้งทิ้งตัวไปยังไงเนี่ยว่ามันติดกันเหมือนตังเมจใจอะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมันเหมือนออกไปได้คราวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออลูกมาถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเช้าวันนี้ลูกพอ้อคถามก็นั่งนั่งนั่งก็ นั่งไปถึงไหนก็บอกนั่งเอาให้เกิด ค, ความสงบความสุขแล้วกันแล้วลูกเขาก็ว่าตอนนี้ชักอยากจะทําอะไรเพิ่มก็ให้ดูอัศวะเพิ่มอย่างนี้อธิบายเขาได้ตรงสเต็ปแล้วใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาเขาดูได้หรือไม่ว่าบางทีจิตเขายัางอ่อนอยู่เขาอาจจะไม่กล้าถึงไม่อยากดูก็ได้แต่ก็ให้ว่าสงบห ร, รือ ย, ยังตั้งแต่นั่งมาเนี่ยมีความสุขหรือยังแล้วก็บอก เขาก็บอกสงบแล้วมีความสุขด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ว่าอย่างนี้ทมพิจารณาอสุภะได้หรืออย่างได้ก็ลองบอกพิจารณาไม่เที่ยงเดือพิจารณี่จังเนี่ยร่างกายเนี่ยต่อไปร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะสานี้เพิจารณานี้ ไ, ไ, ไปก่อนคือของภายนอกก็แล้พิจารณาขอ ง, งต่างๆที่ต้องมีไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรแน่นอน แม่ก็ไม่เที่ยงนะวันใดวันหนึ่งแม่ก็อาจจะจากลูปไปก็ได้นะครับทให้เขาพิจารณาเรื่องเรื่องความไม่เที่ยงนี่แหลมันเจนเนอรัลกว่ามันมันคุ้มกว่าอ่ะคราวนี้พอระลึกถึงวันที่ถามท่านเรื่องมงคลสามสิบแปดนะฮะตอนแรกก็มันจะต้องมาจบลงด้วยความปลอดโปร่งแต่ท่านบอกไม่ใช่ข้อสามสี่นี้มันมาพร้อมๆกันกับก็ สำห้าคหกคเจ็ดแปดมันมาต่อต่อกันเลยมันเป็นผลตามมาหลังจากที่เราทำที่พาให้แจ้งแล้วก็่แตา ม, มาพอเราเข้าถึงมากมาแล้วไปอาการต่างๆนี้มันก็ตามมาแต่มันก็ใช้เวลาพิจารณานะมันไม่ได้ของมาฟุบฟุบมัน น, าน่าจะมาเป็นอัตโนมัติมันเป็นเหมือนต่อมาเป็นทวงคราวนี้มันมันอาจจะยากกว่า คนอื่นทั่วไปเพราะว่ามันมาเกิดข้อสอบจริงอะ่ะมันไม่ใช่ข้อมันไม่ใช่แค่การบ้านตอนนี้มันเป็นข้อสอบจริงนะฮะมันก็เลยอืมเข้มข้นฝ่าด่านยากกว่าเดิมแต่ก่อนเคยนึกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะเราก็น่าจะป่าแล้วนะไอะ้ข้อนั้นข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยสามห้าสมหกแต่พอมันมาเกิด ข้อสอบที่เราต้องเข้าห้องสอบนะฮะก็ต้องถอยออกอ่ะแต่ว่ามาสองสามวันนี้ค่ะก็น่าคิดว่าน่าจะผ่านนะเพราะว่ามันเหมือนกับเราทำมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่เพื่อให้เกิดความว่างแค่นั้นอนะันนี้ยังไม่แน่ยังไม่ได้เจอัานจะยังไม่ได้เจอเข้าสอบมาข้อไปได้เป็นความเป็นความตาย ยัไม่ไไปเจอหมอหมอหมอเป็นมาแร็งดูนะเดี๋ยวเนี่ยมีใครที่ว่าผ่านโดยไม่ต้องเจอไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยก็มีถ้าเราคิดเองได้แเราต้องสอบถามตัวเราเองกลัวไหมกลัวมาเร็งไหมอืมอ่ะใช่ไหมอ่ ะ, อะเราเราต้องมีคนคนพิสูจน์ถามตัวเราเองอืมนี่มีแต่พิสูจนคุณเราเราไม่กลัวยังไงก็ได้ ก็อยากขาดแคลนไหมกลัวเกิดอยู่วันดี mm hmm. คืนดีเนีย่ยต้องไม่มีบ้านช่องนอยูไ่ไงกลัวไหม mm hmm. แล้วต้องนึกถึงสมมติภาพต่ตตางๆที่มันเลวลาที่อาจจะเกิดขึ้นตับเราขึ mm ้นมามมันจะที่วลาเราเล่ากัสภาพานั้นตอนนั้นได้ห่ือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่นึกถึงสภาพนั้นนะค ะ, ะนึกถึงแต่สภาพที่ท่านว่าอยู่ันเดียว เดอยวคนเดียวจะเกิดไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเราหรือคนเดียวต้องเพื่อเราเองตาบอดอหูหลกด้วยทำยังไงเจ็บป่วยด้วยแผลหนึ่งด้วยแต่ตามที่ท่านพูดว่ายัางไงเราก็ต้องฝ่าไปได้ดใช่ไหมฮะใช่ถ้าจิตแล้วว่างมันก็ฝ่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายไม่อดตายกินไม่ได้ก็ไม่ยอมกินอะไรออืทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ปล่อย ไ, ไ, ไ, ไ ป, ไปๆๆ <S <S เรื่องของมัน แต่ใจไม่ใจไม่เดือดร้อนไปกับมันอ่าอ่าง น, นี้ก็คงต้องนำไปปฏิบัติต่ อ, อขอบพระคุณมากอย่างครูบาอาจารย์ทางก็สอนให้เราตัดแ้นตัดค้าตัดคอตัดร่างกายดูหางไปดูเป็นชิ้นเป็นอันไปเปด็ดเด็ดเคยฟังที่ที่ท่านให้บางคนเนี่ยถามานะฮะที่เขาบอก อต้องนอนอยู่ในโรงนะได้แต่เขาไม่สามารถนึกถึงตอนที่มีเปลไฟเผาตัวเขาได้ที่ฉันก็พิจารณาตามนะฮะมันก็ไม่กลัวไม่มีอะไรมันก็เป็นเท่าฐานได้อาเดนก็ถ้ามันกลัวอเดนค่ะนะแต่เท่าที่ฟังดูก็ยังแปงว่ายัางไม่เคยฟังเทศของท่านจุดคโขปอะ่ะคนี้ก็เคย เคยฟังได้สักประมาณสองอาทิตย์เนี่ยนะคะจากฟังปิดที่ท่านเทศแล้วก็มีคนถามในเรื่องที่อยู่ในโรงแล้วก็เผาอะไรอย่างเงียก็รู้สึกออบผ่านได้เราผ่านได้ค่ะ <Okay. S 1> ยังยังไงก็จะนำไปก็ลองท ด, ท, ดทดสอบตัวเอ ง, ไ, เอ ง, ง, ง, งไปเรื่อยๆถามคถามต่างๆไปเรื่อยๆ่าถ้าชีวิตเราเป็นนี้รับก็มันได้หรือเปล่า แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารับกับมันได้ครัเวลาเราดูเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนอน่่งเ้าถามว่าถ้าเราเป็นเขาเราเราเราเป็นยังไงรับกับมันได้เอาที่สุดโลกเลยอะไรอย่างนั้นที่ภาษาเราสุดแท้แต่ต้องผ่านได้ใช่ไหมครับได้ต้องผ่านกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขอบคุณค่ะจะได้นําไปปฏิบัติได้ไปที่ท่านต่อไปนะคุณท้ากพรใช่คุณท้ากพอ ร, อ, อ, พ อ, รอยู่ี่ไหนกับนิมมสการพระอาจารย์ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ที่มาที่มาร่วมอขออนุ ญ, ญาตสอบอสนทนาธรรมกับท่านนะคะปกติ น, นูฟังธรรมะของท่านนะคะอยู่ที่ไหนอยู่โคราชค่ะโคราช okay. ค่ะ ปกติภาพภาจริงก็แบบภาพลางนี่เป็นภาพจริงก็แบบไม่จริงค่ะแต่ชอบหนูเรียกว่าไวดีเพื่ออยู่บ้านนี่ก็ดีบรรยากาศอยู่บ้านค่ะเลยทําบ้านให้เป็นป่าแทนค่ะผ้าจานโอเคค่ะคือดูฟังธรรมะผ้าจาย์ประจําแล้วก็ชอบแล้วก็อ่ารู้สึกรู้สึกชอบแต่ผ้าจารย์จากหนูฟังหลายๆท่านนะคะที่ที่ท่านตอบก็หลายๆท่านเนี่ยดูเป็นคนที่น้ำโมพูดโทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะผ้าจาย์มันจะติด แต่ว่าตอนนี้ที่หนูทําอยู่ก็คือทำสมาธิกเวลาทำสมาธิมันจะได้ยินเสียงสงัดที่อยู่ในหูอะค่ะอาจารย์ถ้าท่านหนูเข้าเสียงสงัดนั้นปึ๊บแล้วก็ผ่อนลมหายใจปึ๊บมันจะลงดิ่งลงเลยอะค่ะอาจารย์พุโทโธหนูหนูจะอยู่ตรงพุโทโธแล้วไปไหนเลยอค่ะมันจะไม่ต้องก็ได้ถ้าเราเด็กง่าย ไ, ไม่ต้องพุโทโธอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้พอพอลงไปปึ๊บ แล้วมันก็จะหลับเป็นประจำปกติหนูฝึกแล้วหนูนอนนะคะด้วยพวามเมื hmm. ่อก่อนมีคนทางานแล้วตอนหลับยากหนูเลยฝึกให้หลับทีนี้มันก็หลับพอฝึกดึงลงไปปุ๊บลงตับ๊บมันก็หลับปุ๊บไปเลยอะคะ่ะอาจารย์ว่าสติจะได้เติแล้วหมดเนียมันก็เลยอ๋อมันมันหมดใช่ไหมคะ mm hmm. ทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะอาจารย์อย่างช่วงเนี้ยหนูจะมีปัญหาเรื่องฟันทีเนี้ยพอเราปวดฟันเนี่ยอาจารย์พอเรากําหนดดูว่าเราคือคือ บางทีมันปวดตอนกลางคืนดึกๆพอรู้สึกปวดเนี่ยสติมันจะเหมือนมันมันขึ้นมาจากข้างล่างแล้วมันก็มันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราอะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนั้นอ่ะมันจะมันจะยังไม่รู้ว่ามันปวดฟันแต่มันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติจนเรากำหนดสติเราลอถึงแต่มันก็ยังไม่ตื่นนะพระอาจารย์มันก็จะรู้สึกว่าเราปวดฟันแต่ทีเนี้ยมันมันปวดไม่หายก็เลยลองกำหนดดูจากที่เราปฏิบัติมาว่าอ่ะกายกับจิตมันแยกกันเลยลองดูว่า อาการปวดตัวเนี้ยดูเลยลองดูว่าอ่มันปวดจะให้มันเป็นปวดให้มันตายไปเลยลองดูใช่ไหมมันจะตายไหมแล้วอยู่ๆมันก็ดิ่งปึ๊บลงไปแล้วมันก็แยกมันก็ไม่ปวดนะคะแต่พอมันได้สติมันก็จะปวดขึ้นมาอีกกันค่ะพอาจารย์อันนี้คือมันก็จะพอเรากําหนดดูอีกทีมันก็จะปวดแล้วมันก็จะหายมันจะอยู่เนี้ยค่ะอาจารย์แ้่มันก็จะไม่หายคือเรื่องความปวดนี่มันมันเป็นเิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ใช่ค่ะ แต่เสร็จที่เราปิบัี้ไม่ได้มาควบคุมความปวดแต่ควบคุมใจควบคุมความทุกข์ของใจไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับความปวดอออันนี้คือมันแยกกันแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์มันมันเฉยให้ใจเฉย<อ>ให้เรา<อ>มีความปวดต้อรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนมันมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ทีนี้มันก็จะชาชาเสร็จแล้วพอเรา<อ>เพิ่มสติขึ้นมา น, นิดนึงพอเราพอเรากําหนดรู้ปุ๊บมันถึงจะแบบปวดยังปวดอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ก็อยู่กับมันอยู่กับความปวดได้ไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติอ๋อค่ะพอาจารย์หนูมีอีกคําถามนึงค่ะอาจารย์พระอาจารย์หนูฝึกมาเรื่อยๆแต่ว่าจิตว่างเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณรวมพรณได้กล่าวถึงก็คือมันก็ว่างไดเรื่อยๆนะคะอาจารย์เรากําหนดว่างได้แต่ว่าทีนี้มันก็มีช่วงเวลาที่แบบจิตเราอ่ะเหมือนมันมันมันอยากนั่งเป็นนานๆางเงี้ยค่ะแต่มันมันมีความรู้สึกว่าอยากอยากเข้าสมาธิเป็นนานๆนานๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยหนูก็เลยหนุกถึงแม้ ว, ว่าเราจะทำงานแต่ทีเนี้ยไอความอยากแบบเนี้ยมันเป็นกินเลส ข, ของเราไหมคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะพัฒนาต่อหรือมันจะเป็นยังไงอะคะพระอาจารย์หนคจะปฏิบัติอยอมันอยู่ที่ว่าหนึ่งสลาที่เราพอหรือยากเต็มร้อยเนี่ยถ้ายังไม่พอยังไม่เต็มร้อยเราก็ต้องพยายามทำให้มันให้เต็มร้อย แต่น้อยหมายความว่าไงคือหนึ่งเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อไหร่ก็ได้อ mm hmm. แล้วก็เข้าได้ง่ายใครเข้าได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทําอันนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเราชํานาญหรื่องเราเก่งทางสมาธิแล้วนี่นะเราก็ควรวางเวลาที่เราไม่นั่งสมาธินี้มันใช้กับการเจริญปัญญาพิจารณาตายรัก เนี่ถ้ายาวจะนั่งสมาธินี่อย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาฝึกคิดทางปัญญารือว่าทุกอย่างไม่เทีย่ยงที่นั่งกายเรามันเกิดแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่างกายของคนที่เราด้านญาติพี่น้องเราก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เรามีมันก็เหมือนกันมันไม่เทีย่ยงถ้าวันวันใดวันเด็งมันก็อาจจะเสื่อมมันอาจจะหมดได้สนใจเราให้เตรียมทบข้อสอบ เวลาเกิเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะได้ไม่ทุกข์นี้คือทางปัญญาการเจริญทางปัญญาเราจําเป็นจะต้องเราจําเป็นจะต้องทําแบบอมีกําหนดระยะเวลาไหมคะอาจารย์ว่าเราต้องทําทีละสามชั่วโมงห่ชั่วโมงไม่จําเป็นบางทีก็แล้วแต่ว่าเราเราพิจารณาถ้าเราเหนื่อยเราไม่อยากจะพิจารณาเราก็กลับมาเข้าสมาธิแทนสลับกันอครับอ า, าจารย์ ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าในการที่เราจะออกวิเวกเนีย่ยอืมณจิดระดับไหนหรือจุดไหนที่เราจะสามารถอยู่กับตัวเองแล้วออกไปออกไปออกไปหาวิเวกได้เพราะในใจหมุมีความรู้สึกว่าอยากในในใจเราอ่ะค่ะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่อยากอยา ก, ยา ก, ยากหาเวลาที่อยู่คนเดียวเงียบเงียบแล้วไม่ต้องมีใครแล้วก็พิจารณาอะไรอเงี้ยค่ะพระอาจะ๊ะ อยู่ในจุดไหนที่เราสามารถเลือกที่จะทําตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์ก็ลองไปทําดูสิถ้าเราถ้าเรากล้าไปทกักพราแสดงว้าเราอยู่จุดที่ไปได้ถ้าเรายังกลัวอยู่ก็ยังไปไม่ได้อ๋อ น, นี่คือนี่คือการเลือกใช่ไหมคะอาจารย์เราสามารถอ๋อหนูหนึกว่าต้องให้แบบเหมือนพ้าอาจารย์ประเมินก่อนว่าเราทำได้ไหมหไม่เราเนี่ยเรต้องเป็นคนประเมินตัวเราเองดีที่สุดอ๋อค่ะผ้าอาจารย์ค่ะหนูเข้าใจนะคะต้องรู้กำลังของเราต้างรู้ตัวเรา ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สำหรับครั้งแรกนะคะเดี๋ยวหนูลองไปปฏิบัติพิจารณาต่อได้ค่ะะคะพิจารณาคุณวิวิทเชิญวิวิทวิวิอยู่ที่ไหนอ่านนี้ได้ไหมได้เชิญอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพมหานครครับอาจารย์แถว ก็เป็นอายุหกสิบเจ็ดปีแล้วครับเป็นฆาการบํานาญนะครับ<ม>คือเป็นอาจารย์แพทย์ในคลินิกมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดนะครับ<ม>ก็ปฏิบัติธรรมสนใจก็ทําอนาปามาสี่สิบปีแล้วครับอาจารย์อาจารย์ตอนหลังก็ใช้แนวของสายหลวงปู่มั่นนะครับก็ทําให้ก้าวหน้าขึ้นมาตามลําดับนะครับ<ม>ตอนหลังไปเล่นก๊าซอินไฟเลยมีปัญหานะครับก็ต้องเปิดก๊าซอินอยู่สิบกว่าปีครับ ก็เริ่มมาพื้นฟูใหม่เมื่อสองามปีนี้ครับจเจริญเน้นจเจริญสตินะครับทำจเจริญสติมากขึ้นคือทำอนาปาแล้วก็กำหนดจเจริญสติศึกษาปฏิจจสมุติบาทอะไรแนวนี้มาครับแนวแนวทางนี้กับพระจรันทร์ก็ตอนหลังนี่เน้นเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิสั้นๆ น, นะครับไม่ไม่ย ไ, ไ, ไม่นานนักครับก็ไม่ไม่ค่อยเกินหนึ่งชั่วโมงช่วงหลังก็ เข้าเข้ากับเขาแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกับวัดของกลุ่มวัดยานเวสวร์ น, นะครับตอนตีห้านะครับทําวัดช้าแล้วก็จะเรียนจิตภาวนาสิบนาทีหลังจากนั้นก็ฟังพระธรรมเทศนาของเทปนะครับของสมเด็จพระภิกษุทศอาจารย์นะครับก็พยายามศึกษาแนวนี้มาตลอดครับสายหลวงปู่มั่นประวัติปฏิวัติธาของสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็ติดตามพระอาจารย์มาหลายปีสมกันครับก็ ก็ตอนนี้การปฏิบัติก็พยายามกรริญนสติมีสติการลมหายใจพยายามทำไม่ได้ตลอดแล้วก็การเดินอะไรเอียบบทต่างๆครับศึกษากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเน้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนจิตธรรมก็ทำบางครั้งครับพระอาจารย์ก็ทำแบบนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะแนะนำจุดไหนบ้างตอนนี้ก็คือทำมันทำกระจายมากเึ่นไป การปฏิบัติจริงๆเราต้องเราต้องเน้อ น, อ, น, อ, น, อ, น, อ, น อ, อยู่ที่สติเพียงอย่างเดียวก่อนก็ตอนนี้เน้นพยายามเน้นสติเหมือนกันครับอาจารย์ก็ตอนปีใหม่นั่นก็ก็ต้องลูกหมากโตครับก่อนปีใหม่ก็ไปนอนก็แอดมิเต้โรงพยาบาลเสีรสษสองคืนก็ทำตัดจิ้นเนี่ยไปตรวจก็ตอนแรกก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าก่อน ก็ทำเอมาร์ไอก็ส่อเขาว่าจะเป็นมะเร็งก็ก็ช่วงที่กังวลว่าจะเป็นมะเร็งนั้นก็จิตใจก็ไม่ได้กลัวอะไรครับไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับระหว่างที่ทําตัดชิ้นเนื้อไปตรวจรอตรวจอยู่สักอาทิตย์ก็มีคนมาถามว่ากลัวไหมหรือกังวลไหมแต่ตัวผมเองก็ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากครับไม่ดูสิว่าเหมือนปกติก็ยังบอกก็เล่นๆว่าถ้าผมเป็นเนี่ยผมคงไม่ตายทันทีอยู่ได้สิบปีสิบห้าปี คนเล่าข้างก็ต้องเอาใจผมเพราะที่ชอบผมเป็นมะเร็งนะครับเป็นข้อดีซะอีกถ้าเราจะเป็นมะเร็งอะไรมันก็พิสูจน์ตัวเราเองด้วยว่าสามารถปฏิบัติทำได้ไ้มทาใจได้ไหมครับเอาแบบนี้ครับอาจารย์ประเด็นก็ทำสติกับปัญญาสองอย่างสวัสดิ์ครับก็พยายามปลิกสัญญาให้เป็นปัญญานะครับาจ มันจะเป็นป необход, ัญญาว่าต่อเมื่อมันเจอข้อสอบเช่นเนี <h <h <h ่ยตอนเนี <h <h <h ่ยไปตรวจนอกไมันก็เป็นข้อสอบปัญญที่เราเรียนมาเนี่มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาครับมันทําให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายไปครับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ครับเราพยายามพิจารณาเป็นอดิจังทุกขังอนักตาเคยทําผ่านเวทนาเมื่อสักยี่สิบสามปีก่อนสามสิบปีก่อนก็ พยายามนั่งท่าเดียวไม่เปลี่ยนท่าจนเวทนาแก่กล้านะครับพอาจารย์ก็ผ่านเวทนาได้เพราะว่าพิจารณาเป็นที่แรกจะต้องแพ้แล้วก็พิจารณาเป็นท่าเป็นขันในรัตนะแบบนี้ครับก็ ผ, ผ่านไปได้ครับก็ลมตีขึ้นมาเดินปลอดโปร่งตัวเบาเลยครับหลังจากนั้นเวทนาก็น้อยตอนหลังผมผมมาศึกษาแนวของธรรมโอเพงเขาปิติแนวของหลวงพ่อสวงวัดตั้มฝันเมืองครับ จึงจึงท่านไปนบัตรมาฉายหลวงหลวงหู่ขาวนะครับอาจารย์ก็ร็ท่านสอนครับก็ตอนหลังเวลาจะเกิดเวทนาอะไรเมื่อตามตัวอุเฟงเข้าปิตินี่จะเกิดขึ้นตลอดครับแท่งมาเป็นระยะแม้แต่ตอนนั่งครับเพิ่งควบคุมได้เมื่อปีนี้ครับใช้ลมหายใจที่ละเอียดคุมอุเฟิงเข้าปติได้ครับเดิมนี่คุมไม่ได้ครับดีก็ปฏิบัติต่อไปกันแล้วกันนะครับ ไม่รดบกำจัเลยนะครับนี่ก็ครั้งแรกที่ได้สูงกับอาจารย์ครับกับนประสารวาอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์เป็นคนวีดีอกรครับครับันต่อไปคนวีดีทาบชื่ออะไรสังเกตบีบคอันนี้พูดดังๆหน่อยไม่เสียงค่อยกับนักปรารครับเอออยู่ที่ไหน อยู่ชัยพฤกษครับอยู่ชัยพฤกษเนี่ยพัท ย, ยาครับพัทยาครับนี้อยากอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์หน่อยครับพอดีผมก็ใต่บาตรสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่กับโยมกับโยมแม่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ค่อยได้คุยอ่ะอาจารย์อยู่ด้วยกันหรือว่าก็ อาทิตย์หนึ่งกลับไปเจอทีหนึ่งก็ถ้ากัดคุยกันเกินสองคำก็จะทะเลาะ ก, กันผมก็มองว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยแต่ไปเยี่ยมมันได้แล้วก็ฟังของเขากางตัดให้เขาพูดให้อพอเราอยากจะระบายอะไรก็ไปล่อยเพูดไปเราไม่ต้องไปดับโตครับอย่างนี้ไม่บาปใช่ไหมครับไม่บาปไม่บาปฟังไปครับครับแม่ว่าครับครับไปเฉยๆไปทำเป็นเหมือนเด็กแรกๆเหมันเหมือนคทารก แม่ก็จะบ่นก็จะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเรามาให้ความสุขกับแม่แ<ต>มาให้ แ, หแเห็นหน้าเราให้เขาเป็นความสุขอยากดึงดึงดึงแม่ออกจากแบบแม่เป็นเป็นทรงเจ้าอะไรนี่ครับเยากยากอย่าไปอยา ก, ยากให้เขาสมัครใจกว่าถ้าเขาไม่สมัครอย่าไปเด็นเขาเลยแล้วก็อบอกว่าพาแม่ไปไ ป, ไปวัดหน่อยไปหาบ้านดีหน่อยไปอะไรนี่ก็ไปพาไป ส้าแมก็ไม่พูดกมไม่ต้องไปก็ลองชวนก็ได้ไมากไปวัดไหมอ้าก็ไม่ไปจอนไปผ้าจาย์า <ๆ S 1> เขาเคยไปแต่เขาเป็นคนดึงให้ผมเข้าวัดเนี่ยแหละอแล้วอันนี้ผมก็ไปส่วนมากจะตามตามหาก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยครปูแล้วก็คือชุดหลัง คือเวลาเราจะเตือนอะไรเขาเนี่ยเขาจะห่วงน้องมากกว่าเขาจะทําห่วงน้องห่วงหลานแล้วเขาจะไม่ไม่ควไม่ควรไปเตือนกไม่ควรเราไม่ใช่ผู้ในฐานที่จะไปเตือก็ได้ครับแต่พรุงนี้นั่นแหละครับผมเตือนไปบอกแม่แม่แม่ไม่ไม่เหนื่อเดี๋ยวทะเลกันเดี๋ยวมาทะเลาะกันใช่ใช่ครับใช่ครับคือเลยไม่ค่อยอยากคุยแต่ก็ดูแลอยู่ ดูแลคุยซื้อของไปฝากอะไรนี่มีกระทำแม่สบายดีไมแค่นีก็จบนลเยอะหนอยไม่ต้องไม่ต้องการอะไรไหมอาสาแม่ต้องการอะไรนั่ต้องการผมพาไปไหนไหมปะ่ะลับใช้ไปรับใช้แม่อยากไปเป็นเจ้านายแม่ไปเติมหน้าสอนหน้าตอนนี้แกแกจะน้อยใจเพราะผมาผมาดูแลป้าก็คืออายุเยอะทั้งคู่แกก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ดูแลทั้งทั้งสองคนแต่ป้า ไม่มีลูกก็แกก็เดินไม่ได้ก็ให้ให้พี่สาวช่วยทำกับข้าวทำอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องดูแลกันไปทั้งคู่นะนด้ก็สำคัญป้าก็สำคัญนะครับที <Okay. S 2> ครันี้นะครับโอเคไปที่คุณแมนต่อแ ม, แมนกรทำมอนใช่ไหมมาใส่มาทย่อยเนะี้ยช่วงเนี้ สองครั้งเลยครับอาจารย์ครับครับก็เรียนถามอาจารย์ครับสงสัยนิดนึงครับคือตอนเนี้ยถ้านั่งเนี่ยครับอ่าสักอาทิตย์เนี่ยครับนั่งไปก็ก็ดีครับก็คือแขนสองข้างจะรู้สึกเหมือนมีชาชาฉับฉับก็เหมือนรู้ตัวดีตลอดนะครับแล้วก็ลมหายใจก็ก็เบาลงแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนมันก็รู้ว่ามันเบาลงก็ยัง ตามลมได้อยู่แต่ไม่ได้พ ภ, ภาวนาพุทธโทระครับแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันมันรู้สึกว่าพอออกมาเนี่ยมันจําอะไรไม่ได้ว่าคิดอะไรไปบ้างมันมันเอ้ยวเราคิดอะไรไปเปล่าเราฟุ้งซ่านไหมเราคิดอะไรไปไหมแต่มันก็จําไม่ได้ว่าเราคิดอะไรไปแล้วก็เหมือนพี่อีกท่านเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเออเวลามันก็ผ่านไปรู้สึกว่าเวลามันไปเร็วก็ ค, วคือแปบ๊บนึงก็ ชั่วโมงหนึ่งแหละครับก็ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมันตกผวังหลับไหมก็ถามแฟนที่แฟนนั่งเฝ้าอยู่เขาบอกว่าก็ไม ja ่ได้หลับไม่ได้กลัวในอะไรก็เลยไม่รู้ว่าแต่มันก็ไม่ได้ดิ่งเหมือนพี่ท่านเด่นๆที่บอกนะครับว่ามันมันดิ่งลงไปมันไม่ได้รู้สึกดิ่งครับมันก็แค่รู้สึกแบบก็รู้สึกว่านั่งอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจรู้สึกก็เบาขึ้นแต่จําไม่ได้ว่าคิดอะไร มันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมันตกผวังไหม้หรือมันมีตัวไหนที่จะบอกได้ว่าแบบมันมันถูกทางหรือยังนะครับถ้ามันเป็นสมาธิมันจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลืมนะมันจะเป็นบาตรจัตตใจจิตมันเด่นนะมันแ่งมันเย็นมันสบายมันได้สัมผัสกับสวรรค์ทั้งเป็นอย่างนี้ถ้านั่งแบบที่ว่าไม่รู้อะไรเลยนี่มักจะหลับมากกว่า หลับในแล้วรู้สึกตัวมันในใช่ไหมครับแต่อย่างนี้มันแล้วทํำยังไงครับอาจารย์ก็ต้องรกขึ้นมันต้องฝึกสติให้มากขึ้นสติเรามีกําลังน้อยมันนั่งไปท่าพ้านไม่หมดกำลังมันก็เลยเข้าผวังหลับแทนที่จะเข้าผวังสมาธิแล้วมันมันจะถ้าเป็นผวังสมาธิมันก็ยังยังคืออย่างครัมันมันจะเหมือนเราคุยกันอย่างนี้แต่ทั้งอย่างมันเงียบมันนิ่งมันสงบมันเย็นมันสบายขึ้นอืม แต่มันไม่ใช่แบบว่าถ้าออกมามันก็รู้สึกดีแต่มันไม่ได้เย็นสบายอั้นก็คือยังยังเป็นพวังอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นภวังหลับเย็นครับถ้าเป็นพวังสมาธิมันจะหมาดจันใจด้วยเทําะมันไม่เคยเจอสิ็งนี้มาก่อนเลยนี้อ๋อครับก็ต้องเดินเดินบ้างหัดเดินบ้างใช่ไหมครับก็ฝึกใจได้มากๆฝว่ามานั่งฝึกตั้งหวัดบ่อยๆ ความกลุมจิตย้ายทีุ่่มแต่ทั้งวันมันจะยากครับอาจารย์มันทางานมันยากเออถ้ามันทางานก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่เติงานที่เราทาไปก็แล้วกันครับครับโอเคครับไปอาจารย์ขอบคุณครับเดี๋ยวทาตอบครับให้มอนทำาท่าที่จะทาได้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับไปอาจารย์ครับวาเชิญวาเนอเนัดคุณสะาตาหลังอไปจากัลลัสเท็กซัส กลับมามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อก็ปฏิบัติต่อเนื่องอ่ะเจ้าค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วค่ะก็ถามเขาแล้วเขาบอกอาทิตย์นี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเขาบอกค่ะเจ้าค่ะเขาฟังเรื่องสังสารวัตรที่พระอาจารย์ตอบเมื่อครั้งที่แล้วแล้วเจ้าค่ะแล้วค่ะแล้วลูกก็ไม่มีคําถามวันนี้เจ้าค่ะขอร่วงฟังเจ้าค่ะโอเคงี้ยไปที่การวลนตต่างวาเลนมีอะไรไหมมาสักการเขาหลวงพ่อก็ วันก็พิจารณารมฟังทำตามการเพื่อให้แบบอะไรอ่ะจะได้มีวิริยะศรัทธาวิริยะตามมาครับก็ก็นึกว่าตั้งแต่เด็กๆมาไม่เค ย, ไ ม, เคยมไม่เคยมีใครสอนให้รักพระเจ้าแต่เราเหมือนแบบอ่านคําสอนแล้วเราก็รักเองของมันเองพระพุทธพระรมพระสงค์เกิดขึ้นในใจเองแบบนี้มันก็ทําให้แบบรู้สึกว่ายิ่งอ่านของคำสอนของวันมาค้าบูชานนี้ก็ยิ่ง ทราบซึงในพระคุณของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาครับใช่แสดงว่าเราไม่เป็นไก่ได้พลอยนะเราเป็นคนได้ปลอยได้เพชนได้ปลอยครับเพราะถ้าเป็นไก่มันจะไม่มีความยินดีกับพลอยกับเพชรใช่ไหมมันชอบหาตัวใส้เนื้อใสใไส้เดื้อตัวนอนกินความที่ไม่ยินดีกับพระรัตนตรัก็เหมือนก็ไม่นึกไม่เห็นไม่รู้จักเพชรพลอยที่แท้จริงก็เป็นอย่างไง ในยินดีกับเพชรพลอยที่บอกรใยินดีกับรามยุ้งฉันด้วยแสนสุดนครับก็ตั้งใจที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าทําทานวันนี้ได้เท่า น, นี้วันหน้าถ้ามีโอกาสก็ต้องทําให้ได้มากขึ้นศีลก็ให้รักษาเหมือนชีวิตถ้าศีลขาดก็ให้รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตตัวเองภาวนานี่ก็ต้องทําให้จริงก็ต้องมันก็จะทําให้แบบใจของปุถุชนธรรมดาก็จะพัฒนาถูกต้อง ไ, ไหมครับหลวงพ่อก็้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับ ฟังเป็นฟังํารมไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติมันก็จะพัฒนาขึ้นแไปเรับทํามีการการฟังธรรมครับฟังธรรมในภาคปฏิบัติแล้วรู้สึกจิตใจสงบเรื่อยๆแต่ฟังธรรมบางอย่างมันกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านทําไมธรรมะบางอย่างมันฟังเรารู้สึกสงบในโดยเฉพาะภาคปฏิบัตินะครับหลวงพ่อก็ธรรมที่ปฏิบัตินันเป็นธรรมที่กรอบจิตให้สงบเนี่ย ใช <Okay. S 2> ่ทำทำทำทำแบบที่ต้องใช้ความจำเยอะเยอะ ๆ, ๆอย่างนี้มันไม่สงบ <pri heid> ปฏิสัมภิพบาท ban, มีกี่อันมีอะไรจิตอ่าจิตจิตแบบนี้มีกี่ชนิดอะไรอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่เป็นทำปฏิบัติทิฏฐิหกิบสองอะไรฟังอยู่แล้วอันอย่าไปอย่าไปเรียนแบบนั้นไม่จําเป็นต้องเรียนแบบนั้น ในวิธีทำจิตให้สงบทำยั่ไงเด้อด้วยสติด้วยปัญญาให้นี้เราฟังก็อ่านของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จยานท่านบอกว่าวันมาครับบูชาคือวันแสดงความรักของพระสาวกต่อพระพุทธเจ้าผมอ่านนี่น้ํำตาไหลพรากเลยแบบพันสองร้อยมานี่แบบไม่ได้นั่น ม, มันแตนความกระตันยููต่อธรรมของพุทธเจ้าผมก็กระตันยูเราเเพราะว่าเหล่านี้ท่านได้เป็นท่าร้านของพุทธเจ้าถ้าไม่ม่พุทธเจ้าเขาไม่รู้ทางที่จะไปเป็นท่าร้านได้ ผมก็มีหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกในชีวิตผมก็มาสวัสดีวันนี้ครับบูชาวันนี้ก็ร่วมทําบุญพผุ่์ที่หลาไปก็แล้วสุดท้ายคืออืไม่ใช่สุดท้ายดิวันนี้คนกลับบาทยอกไหมครับหลวงพ่อมืช้าที่ปานอาเภอครับประมาณหนึ่งพันหนึ่ง้อยสี่สิบตระนุโมธนาบุญนะครับแค่นี้ครับขอให้ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับค่ะสาธุจ้ะเพลิน เห็นไหมเราไม่ไปหาเขาเขาก็มาหาเราใช่ไ <s ci pt i> หมใช่ค่ะใช่ค่ะหนีไม่นมนีไม้นกรมกนี้เนี่ยกมยังไม่หมดหอีกใช่ค่ะที่หนูถามพระอาจารย์ว่าบางครั้งหนูก็เฮียแต่ว่าหนูก็ใช้ปัญญาที่หนูฟังพระอาจารย์สอนตัวเองอยู่ตลอดตลอดให้มันลุลด่ลดรอนร้อนไปค่ะถ้าทำใจเฉยเฉไป ใครจะมาก็จะไปก็มีของเขาใช่ไหมเราอ้างเขาไม่ได้ค่ะแต่วันนี้พาแม่กับป้าไปใส่ด้วยป้าก็ดีใจค่ะแม่ก็แม่ดีใจแต่ว่าคนเยอะคนเยอะค่ะไม่รู้ใครเป็นใครค่ะคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ที่แล้วที่หนึงไปใส่คนน้อยแต่วันนี้มันถ้าเป็นธรรมดาที่หนึ่งก็ไม่เกินสี่ร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อแต่วันนี้ขึ้นมาต้องพันหนึ่งร้อยกว่า ค่ะคนถือว่าวันนี้คนเยอะเยอะกว่าทุกอาทิตย์ที่ไปเลยค่ะเปมันพิเศษาวิสาขามาค่ะเงี้ยเยอ ะ, ยอะมันปีใหม่เงี้ยเยอะค่ะแต่ว่าที่พระอาจาให้พรก็อยู่ในใจเขาค่ะน่ะดีค่ะมีพระให้แม่ว่าแนมะ่ให้แม่มันได้ทำบุญนะดีที่สุดที่ทําบุญส่งไปให้เขาที่หลังน ะ, ะเขาไ<ะ>ขาาี้เขาทำเองที่เข้าไปได้หมดเลยค่ ะ, ะอ๋อถ้าถ้าถ้าเราส่งให้คือ ได้านิดเดียวแบบแต่ถ้าเราพาเข้ามาคือเขาได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มก็เลยจะพาไปชวนเขาไปบ่อยๆจะชเนเขาไปเรื่อยๆทุกครั้งมาเวลาเราทำบุญที่ไหนก็ชหน้าไปทำเองด้วยค่ะค่ะต่อไปก็ติดที่สายเวลาเราไม่ทําเราก็ทำเองได้ค่ะเพชอบเขาเขาปลื้มใจค่ะค่ะนูเห็นคนที่ไปแสบตาทุกคนปลื้มใจแบบสนใจทุกคนน้ำปิตินะคะน้ำปิติสุด ค่ะออันนี้อะไรค่ะมาร่วมฟังค่ะอสาธุครับคุณอาตศิษย์อาตศิษยอยู่ท wow okay. ี่ไหนเปิดไมค์ก่อนมุมซ้ายครับกลับมาสักการครับอยู่กรุงเทพครับหลวงพ่ออมีอะไรไหมเอ่อจะรบกวนกลับเรียนถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วดูลมนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเอ่อถึงจุดหนึ่งนี่คือ ความรู้สึกว่าลมเนี่ยมันหายไปความรู้สึ ก, ก น, นะครับว่าลมหายไปแล้วก็อย่างนิ่งเห็น เ, เหมือนกับเป็นแสงสวบางนิ่งแล้วก็มันมีความมันมันมันนิ่งแล้วมันมันมันเหมือนกับหยุดไปช่วขณะลมหายใจไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกถึงลมที่จมูกแต่ยังรู้สึกว่าตัวเนี่ยยังมีกายอยู่ยังมีลม มือนกับว่ายัางร่างกายเราเนี่ยยังมีหายใจอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าเ อ, อปฏิบัติได้ถูกต้องหรือยังครับใกล้ๆนะคือถูกคือก็ได้ให้ดูต่อไปดูความว่างไปดูเฉยๆดูกความบ้างดูความบ้างต่อไปอดูออย่าคิดปรุงแต่งอย่าไปอยากอย่าขยับด้วยใจเราอย่าไปขยับใจเราเฉยๆให้ดูเฉยๆไปมันกล้จะลงนะตอนนั้น อ๋อก็คือให้รักษาสภาพตรงนั้นไปเรื่อยๆเหมือนกับตอนที่เราเริ่มนั่งมีสติอยู่กับการดูลมไปไม่มีลมก็ดูดูดูความว่างไปดูความไม่มีลงไปอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแ้วเดี๋ยวมันก็จะเน้เดี๋ยวมันก็จะวกลงไปทีแล้วก็เน่งสอบตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรครับมันจะมันลงรักแล้วถ้าเป็นเหมือนลูกกอล์ฟเฟอร์มันลงนุมแล้วเด็กก้าวให้มันลงหนุ่มนอนก็ สาทุกครับก็คือที่ผ่านที่ที่ทํามาถึงตรงนี้ก็ต่อไปได้ต่อเ <สา S 2> นื่อ<น>ยๆโดยในยาอยู่เดินดูต่อไปนั่งต่อไปนั่งดูให้ไม่ใชมครับสาทุกครับแล้วอ่อีกเรื่องหนึ่งครับเวลาเดินจงกรมเนี่ยถ้าพิจารณาลมเนี่ยเราเราสามารถจะพิจารณาจับที่ลมเหมือนเดิมขณะที่เราเดินได้ใช่ไหมครับถ้าดูได้แต่คิดว่าถ้านดูเท้ามันจะ ง, ง่ายกว่ามันโดยมันละเอียดนะถ้าดูได้ก็ดูลมก็ได้แต่ ตัวไปแล้วดูเท้ามันจะมันจะสบายกว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องเพ่งมากครับดูว่าการก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาไปนี้ครับผเดินตามปกติธรรมดาไม่ต้องหัดไม่ต้องเดินเหมือนไม่กับคนหัดเดินไม่ต้องครับผมยกหนอวางน้องก้าวน้องไม่ต้องแต่ขนาดนั้นให้ดูวากําลังก้าวซ้ายก้าวขวาไปกี้ครับ คืเป้าหมายคือไม่ใจเราไปคิดถึงเรื่องราต่างๆครับครับผมะครับขอบคุัคำถามนะขอคุณคำถามฝากตัวขอบพระคุณครับอคนเซลินทานอาจาเชลินทานวันนี้ทำงานนะวันนี้ทํางานค่ะพระอาจารย์กรรมธรัมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ก็ก็ช่วงนี้ก็ยังต้องยังคงต้อง ยังคงต้องมีสติอย่างต่อนเนื่องนะค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันก่อนนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกแปลกใจว่าโอ้ตัวเองทําไมแถวนี้นั่งได้ น, ะนานรู้สึกรู้สึกดีอะคะ่ะเหมือนเห็นความ <c oughs> ค่ะเหมือนเห็นความเจ็บแเราก็เราก็มองมันไปเรื่อยๆความเจ็บก็เป็นความเจ็บเราก็ไม่มันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะมันมันเห็นว่เาเป็นคนละคนละส่วนกันเราเป็นคนดูความเจ็บ ก, ก็เป็นตัวแสดงก็ปล่อยมันแสดงไป ไปอะค่ะแล้วก็พอสักพักนึงเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นเราก็มองเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจเขาใช่ค่ะยไม่ะแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะพอพอสักพักหนึ่งถอนออกมาบอกว่าเอ๊ะคิดขึ้นมาในใจว่เอ๊ยลูกนอนหรือยังขอไปดูลูกแป๊บหนึ่งยมก็ถอนออกมาแล้วก็เดินไปดูลูกแป๊บหนึ่งปรากฏกลับมานั่งต่อต้องเริ่มทําใหม่หมดเลยคต้องมาทำใหม่หมดเลยแล้วก็โอ้โหเจ็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าโยมไม่ได้นั่งสมาธิได้นานขนาดนี้มา หลายปีแล้วก็รู้สึกนั่งได้ดีแต่ก็ยังยั ง, ยงคงต้องทําสติต่อเนื่องเพราะว่ามันสําคัญอีกงจริงพอแค่แค่ลุกไปแล้วลุกกลับมาแค่นี้เองเรารู้สึกว่าหายไปแล้วต้องตั้งตั้งใหม่ต้อ ง, ต, องตั้งสติใหม่เราอย่าไปว่าอย่าไปอยากให้มันเหมือนเมื่อกี้มันยิ่งอยากยิ่งไม่เหมือนใหญ่ค่ะพระอาจารย์คราวนี้เขาที่สองมานั่งต่อมันกลายเป็นหลับแล้วมันมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตําหนดแรงพอดีมัน ม, มันถมันก็หมดกําลังพอดีใช่ค่อะอาจารย์แล้วพออ่พอฟังทําไปเรื่อยๆเหมือนมันธรรมะมันเข้ามาในใจแล้วเราเกิดปีติในใจเรายิ่งฟังไปฟังมาจากแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าคือการการการที่เราคิดจะบวชเนี้ยมันไม่เคยมีความคิดนี้แต่พอเราฟังไปเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะจริงๆก็จริงๆก็ดีน ะ, อ, ะอย่างเง<ช>ี้ยค่ะจริงๆเราจะดีตายมันดี 1 1> เป็นสิ่งที่นีที่สุดในนอกนี้กันที่เหลือเลยเข้าค่ะก็ถ้าสมมุติเราได้เวลามาปฏิบัติเต็มที่จริงๆรเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดชาติเราก็อาจจะได้โอกาสที่เรามันอยู่ที่การทุ่มเทของเราทุ่มเทมากมันก็ได้ได้เร็วทุ่มเทน้อยมันก็ได้ช้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็นั่นแหละค่ะมันก็อยู่ในใจพอฟังธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆก็ มันมันอยู่ในใจว่าอุยเรามันบใจมันทราบซึ้งมากเป็นมันเห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้นใช้ค่ะพระอาจารย์เพราะมันมีงานดีเท่าวับธรรมะธรรมะงานดีที่สุดลดแห่งความชนะรดทั้งปวดอืมค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้โยมก็ไม่มีมากราบพระอาจารย์เนื่องในวันมาครับคุณจิ๊บก็มาตั้งแต่ตอนตั้งตั้ตั้งช่วงนี้เดี๋ยวนี้จิ๊บมาเช้าค่ะหนูมาค่ะ โอเคนะมีเท่านี้ใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะโอเคนะครับ okay. ไปที่คุณสุัาพนาต่อคุณสุภาพนาบอวินอยู่ในคนมาคั่วโลกกันะบอวินกับอเอวันนี้ได้ยินเสียงไว้ไหมคะอาจารย์ได้ยินได้ิวันนี้โยมพาน้องมาน้องมาอยู่ที่มามาปฏิบัติ ท, ที่วดัดเจ้าคะอาจารย์ กำลังกำลังฟังเทปผู้อ่าอาจารย์อยู่ค่ะฟังธรรมะของพอาจารย์อยู่แล้วเขาพอได้จน้องน้องสุวรรณาเจ้าค่ะอาจารย์กับกัาน้องอาจารย์พระอาจารย์นะคะก็ฟังเทปเขาฟังของพระอาจารย์เทศเะค่ะค่ะมีคำถามไหมเออเออยมจะมารายงานให้พระอาจารย์ทราบว่า โยมแม่บอกว่าตอนนี้สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิครั้งละสิบนาทียี่สิบนาทีได้เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าดีเจ้าค่ะจากที่เล่าเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์สอนอะไรบ้างโยมบอกว่าโยมไม่ได้สอนแม่นะเพราะพระอาจารย์ไม่ให้สอนแต่ว่าเล่าให้ฟังแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากฟังว่าพระอาจารย์สอนอะไรบ้าง uh. ก็เลยก็เลยนั่งสมาหัดนั่งสมาธิอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ uh. โยมไม่มีคําถามพาน้องมากราบและโยมก็มากราบพระอาจารย์ด้วยนะคะ่ะอดีเป็นสะพานบุณนะเป็นมากุเทส <laughs> ก็คุยกันคุยกันเรื่องธรรมะพระอาจารย์แล้วก็ให้ให้ใหพระอาจารย์เป็นคนตอบตอนตอนในเทปอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์โอเคแล้วเขาก็เลยชอบฟังก็ค่ะดีฟังไปได้ามมานเรื่อยๆนะมันมีคําถามอะไรก็เข้ามาถามในโซมีได้นะเดี๋ยวจะให้เขาเข้าซูมโดยจะขาะอาจารย์โอเคขัดเข้าเองนะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมมีไหมไม่มีเจ้าค่ะโอเคไม่มีเนี่ยไปที่ท่านต่อไปนะโ <Okay. S 2> okay. อเโอเคไปที่คุณมาลีเย็นมาลีค่ะนักศึกษาหลวงพ่อค่ะได้ได้ยินหนูบ้าคะได้ยินในกทตมใช่ไหมค่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากนครนายกอะค่ะหลวงพ่ อ, อค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูฟังทำวันมาค่ะอะค่ะ หนูสงสัยว่าทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าจะจะปงอายุสังขารอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆท่านท่านก็อยู่ในวิสัยที่สามารถจะดำรงต่ออายุต่อได้อะค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าจะต้องมีผู้ที่มานิมนต์อย่างเงี้ยทำไมพระพุทธองค์ถึงไม่ถึง ถึงอยู่ต่อเองที่ท่า<ห>นพูดกับพระอนุนเพราว่าพระอนุนเป็นคนรับใช้ท่านไงนอา<ะ>ณนญาติเจ้าอยู่ต่ออนุนก็ต้องรับใช้ต่อนี้ก็เลยต้องให้อนาวยเป็นคนอาสาสมาัครเหมือนพวกทายาถามว่าอนุนว่าถ้าเราจะอยู่ต่อไปนี้ทายินดีจะรับใช้เราต่อหรือเปล่าแต่ไม่ได้พูดตรงตรงเลยงอดเป็อว่าถ้าเราจะอยู่ต่อเราอยู่ได้นะเรามีพลังจิตที่สามารถที่จะอล้ายๆวัน หนึ่ธาตุคันให้มันอยู่ต่อได้แต่ต้องมาสายคนอื่นช่วยอช่วยคนคนอื่นต้องมาคอยช่วยซักจีวรให้เราควายหาอาหารมาให้เราต้องมีคนมาดูแลอย่างนี้ใช่ไหมใช่นคนแก่เนี่ยคนแก่อายุร้อยปีมันต้องมีคนช่วยดูแลทําอะไรเองตัว อ, อย่างไม่ได้แนละ้วแต่ยังอยู่ได้อยู่อยู่นับแสดงธรรมพูดธรรมะอะไรนี้ได้อยู่แต่เรื่องงานที่ดูแลร่างกายต้องมีคนมาช่วยนิวรณ์ เ, เส้นน้ำช่วยอะไรมากเลย ก็มีอานน์เป็นคนที่ที่คอยดูแลในนี้ก็เลยองถามใจอานนท์ว่าอนน์เธอจะสู้ไหวไหมอีกสี่สปีอียี่สิบห้าปีอย่างเงี้ยค่ ะ, แ ล, ะแล้วท่านท่านแสดงเรียกว่าอะไรนะคะโอภาษ ถ, ถึงสิบหกครั้งแต่ว่าพระอนนท์ท่านก็ไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เฉยเฉยคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ฟังัด้เองค่ะและ้วแล้วหนูสงสัยแบบเนี้ยถือว่าหนูเป็นแบบวิจิต อะไรนี่ยขดฉาบไหมคะไม่หรอกอันนี้เป็นธรรมะที่เรายังเข้าไม่ถึงเรก็ถามได้อ๋อค่ะแล้วค่ะพระพุทธเจ<อ>้าบอกว่าอันบอกันต้อกสิบหกครั้งมันไม่ขอมันไม่มันไม่มไมอาสาสมัครสักครั้งเลยก็เลยแม่ไม่อยู่แล้วปรงดีกว่ามันเลยตัดสินใจว่าจะไม่ดูแลร่างกายนีนะ้ไม่ยึดแล้วในหะ้มันถึงเวลามันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ให้มันหยุด ้็เลยบอกอีกสามเดือนเราจะตายแล้วอานนนพระุทธัน น, นี้อนน์อาสาสมัยรใผู้ตายขาอ้ย่าคว้ า, อ ย, า, าอยู่ต่อพระเจ้าบอกสายไปแล้วเราบอกให้เธอต้องหลายครั้งเธอไม่เคยขอร้องให้เราอยู่เลยเอ่าแล้วแล้วอย่างเนี้ยถ้ า, ถาคือถ้าเกิดคิดถึงเอพระพุทธเจ้าจที่ที่ผ่านมาตอนเนี้ยรวม รวมของปัจจุบันนี่คือสี่สี่รุ่นแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าไม่ไม่คื อ, ม, คอมีมากกว่านี้เป็นแต่พระพุทธเจ้าเล่าให้เราฟังเพลแต่ยุ่นที่อย ใ, ใกล้ๆพระพุทธเจ้านะสามองค์ก่อนท่านแล้วองค์ที่จะมาหลังท่านหรือพระสุริยาค่ะก็ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีผู้ใดที่จะนิมนต์ให้พระพุทธองค์ทรงอยู่มานานแบบนี้ใช่ไหมคะ หมายถึงของของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่องคะองององก่อ น, นะะอก่อนด้วยอะค่ะองคก่อนก่อนที่ท่านไม่ได้เล่าเรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่และองค์นี้มีอายุยืนยาวนาไม่เท่ากันค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะแล้วแล้ ว, ลวพระ ส, สาวกองค์สุดท้ายอ่ะค่ะไม่หนูไม่แน่ใจว่าหนูจําผิดหรือเปล่าอะครับที่ที่ชื่อสุภาททะอะค่ะที่ที่ที่ทจะม า, า, มามทางของทางพระพุทเจ้าเนี่ยค่ะ ค่ะแล้วก่อนเออแล้วท่านสามารถที่จะปฏิบัติอะไรนะวิปัสนาปฏิบัติสมาธิอะไรเงี้ยค่ะชั่วข้ามคืนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปัณณิพา น, นนี้อันไหนอันนี้ทำไมถึงสามารถทำได้แบบมันใช้เวลาไม่นานนะคะแค่ไม่ไม่ถึงหนึ่งคืนอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ า, ารรท่านสะสมบารมีไว้เกือบจะเต็มแล้วถ้าเติมน้าก็แต่มอีกครั้นเดียวก็เต็มแล้ว พอได้มาได้กำลังใจจากพระพุทธเจ้าชี้บอกทางท่านก็ไปได้เลยอ๋อตามหวงพ่อพระเจ้าสอนว่ามักแปดะพุทธยาบารู้ใช่ค่ะมมักแปดเขาก็าลยทุ่มมาที่มัมกแปดทีอ๋อค่ะแล้วแล้วคำสอนที่บอกว่าให้เรารักษาศีลจนศีลรักษาเรานี่หมหมายถึงยังไงคะหลวก็อ ก็ร um, ักษากาส้างศีมันมันมันเป็นปกติไงเราไม่ต้องไปคอยไปตั้งสั้งตั้งสมาทานคือมันจะเป็นศีลดยธรรมชาติคือศีนของพระโสดาบันศีนของพระอริยเจ้าคือถ้าถ้าเรามีศีนปกติเนี่ยมันเหมือน เหมือนมีเครื่องห้ามหรือมีสติอะไรมาบอกมาบังคับให้เราว่าเออไม่มันจะปกมันจะรักษาจิตของเราไม่ให้ตกต่าําไม่ให้ลงไปชั่วบายจนจนหมายความว่าถ้าเรามีสติมีเครื่องมาห้ามก็คือกลายเป็นว่าศีลจะมารักษาตัวเราแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเอ็นมันจะมารักษาจิตของเราไม่ให้ตกไปไม่ไปในบา ย, บายค่ะหลวงพ่อ วันนี้หนูมีประมาณนี้ค่ะ <Okay. S 2> หลวงพ่อไ ม, ไม่มาศีลไม่ได้มารักษาร่างกายแล้วคนจะมีถือศีลก็ถูกก็าฆ่าตายได้ถูกจนป้นได้แต่หมายถึงรักษาใน ด, ด้านจิตใจใช่ไหมใช่รักษาใน ด, ด้านจิตใจไม่ให้ไปตายกันไม่ไปเกิดในวายต่อไปค่ะหลวงพ่อก็ต้องเป็นระดับพระโสดาบันนะั่นถึงจะเป็นที่จะมีศีลรักษาเราเขาต้องรักษาศีลก่อน รักษาไปเรื่อยๆกระทั่งมันอยู่ในใจเรามันก็จะมารักษาใจเราต่อไปครับวันนี้หนูฟังฟังทาวันมาคะ่ะก็เยอะอยู่ทําให้ให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างขึ้นคะ่ะหลวงพ่อได้อยาอไปเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันเหมือนพอฟังเสร็จแล้วเวลาเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยอ๋อพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนเ อ, อค่อยๆปลดไปทีละหน่อยละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ มันดูแผนที่พอดึงแผนที่ท้ามันงะมันก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรหลวงพ่อวันนี้1 1> หนูมีประมาณเท่านี้ค่ะหลวงพ่อโอเคสาธุจ้าสาธุขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะโอเคต่อไปคุณเวสรนเวส ร, รเวสารัรบ่า อ, อยู่ที่ไหนไม่เสกว่าไมมาเลยครับได้ยินแล้วครับได้ยินไครับได้ยินแล้วโอเค พูดได้เลยในอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ใจสงสารครับอจาครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับมีครับก็อ่าดีครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์แนะนำไปครับว่าอ่าตอนที่เข้าสมาธิครับแล้วก็ตอนกาหนดอนาปานาสัสเตอครับกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกครับแล้วจิตมันไม่รวมแต่ทีนี้พอพระอาจารย์บอกว่าให้อ่าให้ไม่ต้องไปสนใจมันก็คือว่าให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับ ให้ให้ดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวครอบเพรา ะ, ะหลังจากนั้นมันก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วก็มันก็มันก็รวมได้แล้วก็มันดีขึ้นนะครับหลังหลังจากนั้นก็นั่งนั่งไปอีกสักไปวันต่อมาครับมันก็เหมือนมีอาการว่าเออเรียกว่าครับมันเกิดการหมุนนะครับเรานั่งอยู่เฉยแล้วก็มันมันหมุนหมุนแบบหมุนเร็วมากเหมือนลูกข่างครับสักพักหนึ่งผมก็กําหนดผมก็ไม่สนใจผมก็กําหนดอ่า ลมหายใจไปเรื่อยๆครับแล hmm> ้วมันก็ต um um> anyway ่อไปมันก็จะหมุนทั้งตัวหมุนตัวเราหมุนไปเลยทั้งตัวเลยฮะก็ก็ก็กําหนดเองครับกําหนดลมหายใจเบรกแต่ว่ามันกําหนดยากมากครับมันมันจะหลุดไปตลอดเลยแต่ว่าก็พยายามกําหนดจนมันรู้สึกว่ามันหมุนช้าลงตัวเราหมุนช้าลงเรื่อยๆแล้วก็จนมันหยุดนิ่งอฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอ่าสภาวะแบบไหนมันทําผิดอะไรหรือเปล่าครับ ก็มันอาจจะเป็นเพราะสติเรามันมีกำลังน้อยแล้วจิตมันมีกำลังมากกว่ามันก็เลยดิ้นไปตามอำนาจของมันถ้าเรามีสติรู้เฉยๆก็แล้วกันมันจะเป็นอะไรครับอยากไป อ, อยากไปอยากให้มันหยุดหรืออยากไปอยากให้มันหายเราทำเป็นมไม่ทิ้งไม่ต้องไปสนใจมันได้ไหมได้ครับแต่คือ ก็คือเราเรามีหน้าที่แค่ดูลมหายใจอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่เราดูหายใจไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปกําหนดว่าตอนนี้เรากําลังรู้ตัวว่ามันหมุนอยู่ไม่ต้องกำหนดใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจ ม, มันจะหมุนหรือไม่หมุนเนือของมันเราอยู่ประมไปเพี อ, อย่างเดียวครับได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็มีคําถามนะครับพอดีผมอไปดูในสพศเรื่องอาหารสีครับตรงตรงนี้ตรงอาหารสีตรงในในอในข้อของอ มโนสัญญาเจตนาครับที่ที่มีประสูตรบอกว่าเทียบกับอ่าหลุมฐานเพิงครับผมไม่เข้าใจว่าอ่าเหมือนในประสูตรบอกว่ามีบุรุษอ่าที่สองคนที่กําลังดึงดึงชายที่จะลงหลุมฐานเพิงเนี้ยครับมผมเลยไม่เข้าใจว่าอ่าตรงหลุมทานเพิงเนี้ยเขาเปรียบในในประสูตรอ่ะเปรียบเทียบว่าเป็นมโนสัญญาเจตนาได้ยังไงอะครับเราคงไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้อสนใจครับปล่ันไผ่านไปก่อนครับได้ครับไม่ม่ไม่ไม่จับเป็นจะต้องรู้นะพอดีพอดีอ่าไปไปอ่านดูเกี่ยวกับอาหารสีที่ว่าเทียบกับผลิตภลณาหารอะไรพวกนี้ยครับก็เลยแบบหาข้อมูลก็เลยมันก็ติดอยู่ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับอันใดที่เรายังไม่รู้ว่าแขวนไว้ก่อนก็ไดครับเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเดี๋ยวมันอาจจะปร้นขึ้นมาเป็นไหนข้าก็ได้ครับได้ครับพระอาจารย์ครับ ขอบคุณมากนะครับสาธุม่มไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรห้ไม่ลุ่งอย่างนี้นะไม่ลครับเดี๋ยวสักวันคงจะเข้าใจเองครับจะเข้าใจบรราลอยยาจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจารย์ครับไปที่ครู้ามุกไม้มุกไมครูาอาจารย์ใช้ชื่อใครนยอลิสใช้ชื่อใครใช้ชื่ออลิสใช้ชื่ออลิ ปางมูค่ะใั้นะมูไบนะไปอยอค่ะไปยอเลยบบโอเคไปอยอทำไมเปลี่ยนชื่อนะไม่มีหล้าชื่อต้อชื่อพ่อลานชื่อแค่ะทงานบ้านเสร็จหรือยังทาเสร็จหมดแล้วหมดกี่ยังเลยจ้ <c oughs> ส่วนวันหน้าไหว้าสรวันหน่เส่ว น, ว น, นแล้วค่ะน อ, อนอนได้แล้วนะ วันนี้รักษาสีนแปดค่ะดีหิวไหมตอนนี้ไม่หิวนะหิวม่ก <c oughs> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนนหลับก็หายล้วเดี๋ยวนอนหลับก็ก็หายหิวแล้วเ อ, อ่อหนูมีคําถามค่ะเอ่อถือสีนแปดกินมะนาวได้ไหมคะมะนาวถ้าเอาแต่น้ามะนาวเนี่ยเดี๋ยวได้ยแต่เนื้อมะนาวไม่ได้อย่าไปกินเนื้อมันต้องกรองออกเหมือนส้มเนี่ยมะนาวผสมน้ําผึ้งได้ ได้ผสมน้ำเล่ดกิน <c oughs> เนื้อไม่ได้นะลูกน้ำมันถึงเฉยบีออกมาได้กินน้ำมันได้ต้องก๋องน้ำลจ <c oughs> อได้ที่สุดก็คือเดินน้ำาป่าันดี่สุดไม่ต้องกินน้เปล่ากินน้ำเปล่าก <c oughs> ินเยอะๆดดเดี๋ยวมันก็ เ, เต็มท้องเอง อย่ากินน้ำหรือชีบ่อยเองในนอนไม่หลับถาหิว่าำก็กินน้ำถ้าไม่่ิวไม่เอากินถ้าหิ้าวเ่เดี๋ยวเดี๋ยวพกนี้ก็ได้กินบ่อยนี่พวกนอนหลับนอนหลับต่ขึ้นมาตอนเช้าแล้วเดียก็ได้กินอลค่ะเราเราไม่กินข้าวเพื่อฝึกความอดทนนะต้องรู้จักอดทนออกันไม่กินไม่ตายบอกนี่ พนมมาไม่รู้ครับคุณผาจต่อไปถ้าเราเกิดไปโอด อ, อยากขาดแค่ที่ไหนเราจะได้ไม่เดือดร้พันเราอดได้เรทนได้นะครับคุณผ่าเกือบหลุดแล้วค่ะ <c oughs> ไปประป๊าพาไปตีแบตแล้วหิวมากออกมาสั่งมามากก่อนเลยป๊าป๊าห้ามทันเอีห้ามเลยนี่ห้ามทันไหมห้ามาทันค่ะทันก็เลยเอามาม่าไปทิ้ง <c oughs> โอยนมันูไปเ้วโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะจะย้ายไปที่ท่านอื่นต่อค่ะเข้ามาตับดงตาค่ะโอเคฮะขอให้ทุกคนมีความสงบบ้างนะไอเรนทิมเกไม่เครียดีนะโอเน็ตเป็นยังไงตอบตอบเสร็จแล้วใช่ไหมโอเน็ตดวงตาค่ะสังก่อนดงตาถามลูกตอบได้ไหมตอบได้ไหมโอเน็ตทำได้ไหมครับ สบายครับสบายมากเลยนะผ่านแล้วใช่มั้ยอาจจะเป็นเพราะพ่อเหลืงตาแหวนพรอนกันหรื่าไม่นอนอยู่ที่เราพยายามเราพยายามเรียนขยายามดูหนังสือโอเคครับได้แล้วไปจะได้ไปให้หลืงตามีอายุยืนยาว120ปีนะคะครับสาธุจ้ะสาธุะ เราำหนังสือมอเนที่น้าธิดาเหนที่น้าธิดา่ค่ะเดนืนนีนาดาอยู่ที่ไหนใช่ดลค่ะพระอาจารย์เมื่อเช้าเพิ่งไปตักบาตรพระอาจารย์มาคนเยอะมากอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่มีบูรีค่ะมีรูรีคือขับรถมาจากกรุงเทพมาส่บาตรที่บ้านพระนี่แหละ ใช่ค่ะคือออกตอนตีสี่แล้วแล้วถามพี่แอดมินไปตอนตีสี่แล้วก็มีคนตอบหนูด้วยหนูก็เลยตกใจว่าตีสี่แบบมีแอดมินมาตอบด้วยคือคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไปถวาย เ, เป็นแบบพวกนมโยเกิร์ตไงให้พระอาจารย์ที่กุฏิแต่ว่าเพียงนินบอกว่าเ อ, อพระอาจารย์ไม่รับแขกให้ให้มาแบบตักบาทเลยก็เลยแบบรีบออกไปตอนตอนแบบตีสี่แล้วพอไปถึงะคือหนูไปตักบาทพระอาจารย์ครั้งแรกแล้วก็รอแบบ ไม่รู้ว่าจะแบบยังไงเห็นพี่เขามีโต๊ะอะไรแถวนั้นด้วยพี่เขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนเป็นร้านขายของเขาก็ชวนแบบมามาวางของที่นั่นด้วยแต่ว่าเห็นแบบเหมือนพี่ที่เห็นในโพสนะคะว่าปกติพระอาจารย์จะเดินนําข้างหน้าแต่ทีเนี้ยหนูรออยู่ประมาณตั้งหกโมงเกือบเจ็ดโมงเป็นแบบพระรูปอื่นที่มาหนูก็คิดในใจว่าเอ้ยหนูไม่มีบุญไม่ตักบาทพระอาจารย์หรอหนูมาไกลมากเล ย, ยแต่แบบ ก็เลยหันไปถามพี่พี่คนข้างว่าพระอาจารย์ไม่มาบิณฑบาตเหรออะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่ายังมีแบบ ม, ม, ม, ม, มีหลายวัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอสักหน่อยหรือว่าอะไรอแล้วก็แบบได้ตักบาตรพระอาจารย์ก็รู้สึกแบบอิ่มมันมันรู้สึกอิ่มแบบในใจมากเลยค่ะดีมีคำถามงาไรไหมวันนี้มีค่ะคือรอบก่อนอ่ะที่ที่ลับปากพระอาจารย์ไปว่าจะไป เอ่ออิติปิโสให้ได้วันวันละร้อยจบอ่ะค่ะแล้วมันก็มีวันที่ทําได้แล้วก็วันที่ทําไม่ได้ไอ้วันที่ทําไม่ได้อะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าหนูอ่ะอิติปิโสไปสักพักแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเอ้ยลืมคิดเรื่องนี้ก็เลยไปคิดแล้วมันก็เลยยาวไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าอจบวันนั้นไปแล้วก็ไม่ครบร้อยจบเนี่ยหนูก็เลยแบบต้องมาพยายามแบบตั้งใจแบบวันอีกเอสติสติไม่ไม่ต่อเนื่อง มันก็เลยคือถ้ า, าส ม, มาคิดหนึ่งไปถ้าถ้ามันมีความคิดขึ้นมาเราควรจะแบบสนใจสวดต่อไป อ, อย่าไปเริ่มคิดกับมันอ๋อเพราะว่าตั้งใจไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะตั้งเข ต, ต, ตั้งใจสวดกสวดไปให้มันจบความคิดอะไตอนนั้นเราไม่จําเป็นก็ว่าให้สวดเสร็จแล้วคคิดอ๋ออ๋อได้ค่ะแล้วเอออีคำถามหนึงนะคะคือหนูอ่ะ เป็นคนแบบขี้กลัวมากแบบมีเสียงอะไรมาแบบนิดนิดหน่อยห่อยอหนูก็จะแบบกลัวกลัวกลัวแบบจิตข้างในคือจะกลัวมากแล้วใช้ส่วนอี้ที่ไปสไปเนี่ยเวลาเกิดความกลัวกาสวดไปหัวานแบบคิดไปเรื่อยคะส่วนนี้ที่ไปสไปอะไรนะคะส่วนนี้ที่ไปสไปเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาที่เราซ้อไปก่อนเนี่ยพอถึงเกิดความกลัวเราก็สวดนี้ที่ไปสไปแต่ได้จบแล้วก็ความกลัวก็หายไป คือมันจะมีจุดที่หนูอ่ะแบบเมินเฉยกับเรื่องความกลัวนี้ไปได้เองไหมคะหรือว่าหนูก็จะต้องแบบอีกปีโฉไปเรื่อยๆตอนนั้ก็เลยอีกปีโฉไปก่อนแเมินเฉยได้ต้องต้องพิจารณาว่าเรากลัวอะไรแล้วผลที่จะเกิดจากมันเป็นยังไงถ้าเรายอมรับว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็จะเมินเฉยต่อไปเมือยอมรับกับกับผลที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่กลัว ถ้าเกลัวตายก็ยอมรับว่าต้องตายมันก็จะหายกลัวถ้าถ้าหนูยังไม่ยอมรับว่าหนูจะต้องตายก็มันก็จะกลัวอ ย, อยู่เรื่อยๆพอยอมรับแล้วปลงแล้วปลงได้ความันก็จะหายกลัวค่ะหนูมีอีกสองคำถาม น, นะคะเพราะว่ า, าจะเข้ามาไหนบ้มางคือว่าก็เออเมื่อกี้ที่ขับรถกลับมาจากชีงบุรีค่ะก็เลยเปิดฟังแบบ ที่พระอาจารย์เทศแล้วก็มีคนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแบบแผ่แผ่บุญให้เทวดาอะไรเงี้ยแล้วหนูอสงสัยว่าเราอ่ะควรแผ่บุญให้กับเจ้าที่แบบแต่ละที่ที่เราไปนะคะแบบสมมุติสถานที่ต่างๆที่ที่เราอยู่หรืออะไรเงี้ยเราควรจะแผ่ให้ไหมคะคือเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแในความเชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางบางทีไม่มีหรอกในการอุทิศบุญจริงๆ น, นี้มันพูดตามหลักความเปนจริงนะมันต้องมี โยมวิญญาณเข้ามาขอเรามาติดต่อมาเราอยากให้ช่วยเหลือส่ง บ, บุญไให้คขามันก็ส่งมปถ้าไม่มีใครมาติดต่อบันที่ส่งไปก็เหมือนก็ไม่มีคนรับอะไรอย่นี้อ๋องันก็ไม่จําเป็นก็ได้ไม่จําเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ไโอเคค่ะแล้วคือหนูอ่ะเออเคยแบบได้ยินมาค่ะบทสวดกรณียเมตตาสูตรอะค่ะคื อ, อ, อ บทสวดเนี้ยหนูสามารถสวดได้ทุกที่ไหมคะเหมือนความเจริงสวดบทนนั้ น, น, นก็ได้เอทีซนี่ก็ได้เหนกันการสวด น, นี่มันจะทําให้เรามีสติทำจิตให้เรานิ่งแล้วมันเราก็จะมีปัญหาอะไรมันก็จะพักมันก็จะ ม, มันก็จะหยุดชั่วคราวเช่นกลัวมันก็จะหยุดชั่วคราวไม่ได้อยู่ที่บทใดหรอกวิธีการสวดให้เราได้มีสติให้จิตเรนนิ่งเฉยเฉยอ๋อ พ, พอดีว่าหนูอ่ะเคยได้ยินเ อ, อมีพระ พระรูปหนึ่งที่สวดเออเหมือนแบบบดสวดกรณียเมตตาสตรสแล้วเทวดาหรือว่าใครที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วเขาแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้อินในบุญไม่ได้อยากรับบุญตรงเนี้ยเขาก็ร้อนอย่างเงี้ยมันก็เลยสวนไม่ได้หรอก็เลยงงว่าเออมันมีแต่ละที่มันมีห้ามสวดแบบนี้ด้วยไม่มีหล้วไม่มมันเป็นการเข้าใจผิดเท่านะัการสวดนี่มันจะไปเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับ เ, บเบรื่องจิตของเราอยเดียวเล สวดเพื่อให้จิตเรามีสติให้จิตเราหนักแน่นจิตให้จิตเราสงบไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวลทั้นสวดได้ทุกแขงทุกคนไม่นํากลัวไม่นําไปกังวลโอเคค่ะอาจารย์หมดเท่านี้ค่ะครับสวดเพืมีสติสวดเพืใจเร า, าสงบเวลากลัวสวดไปแล้วก็จะหายกลัวเวลาวิตกกังวลสวดไปแล้วก็จะหายวิตกกังวล อาจารย์นะเข้าใจค่ะโอเค้วลองทำดูเสร็จแล้วมันดูเสียดจะเป็นเหมือนที่เราบอก่าแบบนะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค น, นที่วาต่อที่วาไม่มีคาถามใช่ไหมไม่มีคาถามจะพาอาจารย์ด okay, นะ้วยจะมาเซ์ฮัลโลใช่ไหม้ ย, วยสวัสดีค่ะนันสการค่ะอาจารย์มามาเซ์ฮัลโลคะ่ะมัน พระอาจารย์สมายดีไหมคะสบายดีค่ะมารายงานตัวด้วยว่าปฏิบัติตามพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะแลดีมากปฏิบัติแล้วดีไห ม, ด, ไหมดีค่ะใจ ค, คือโกติเราจะเป็นคนใจร้อนใจเราเย็ยนลงอนั่งพอรันั่งสมาธิจะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเช้าแต่บางวันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันทําให้เราไม่อยากตื่นแต่พราะเราปฏิบัติเรานั่งสมาธิเราสวดมนต์ไหว้พระคือ เห็นเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมันมันไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะว่าอย่างเราไปเนี้ยเราทํางานอยู่กับฝรั่งอืมคือคาดคนจะกันแกล้งมันมีมากมายแต่ว่าเขาทําเราไม่ลงเขาทาเราไม่ได้แล้วเราเมื่อละเมื่อใดที่เราคิดจะสร้างบุญสร้างบารมีเราจะสวดมนต์ไหว้พระอย่างอยู่ที่ทํางานเนี้ยมันจะเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาเคลียร์ทางให้เราเลยว่าอ ช่วงเวลานี้เราจะต้องว่างและเราจะต้องสวดหมดดีมากเลยค่ะอคขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเเปฏิบัติตยโยมไม่ได้ว่าทํทาย่อมคุ้มคอรองเราร <นะ S 1> ักษาเรานะใ ช, ใช่ค่ะโยมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อว่าจะให้เห็นนรก เ, เห็นสวรรค์เน่ยโยมปฏิบัติเพราะว่าโยมอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีเฉยๆค่ะออ่ะคแล้ว ท่าขอขอพรหน่อยดีพระอาจารย์ขอให้สุขใจเจริญให้ร่ำรวยพรุ่งนี้ถูกกวยนะโหสาธุก้าวลำบนแล้วมนุรู้จะ ถ, ถูกป่ะสาธุก้าขอให้พระอาจารย์มีพาตขันแข็งแรงสมบูรณ์นะค ะ, ะได้สาธุค่ะคุณนักกี์นี่ไม่ท ร, ร, ร, ราบคุณหมอรอเปล่าเล็กน้อใช่ไครับคุณหมอธรมสการอาจารย์ครับ ใหทรศัพท์ของลูกชื่อนักกี้อ๋อโทรศัพท์ผมเองครับลูกกี้ครับพาจาครับพระอาจารย์ครับจะอ่าจะมากับพระอาจารย์วันมาคารับูชาครับผมแค่นั้นครับแล้วก็พระอาจารย์ผมเลี่ยนถามพระอาจารย์นิดนึงครับวันที่วันศุกร์ผมไปขึ้นเขาอ่ะครับแล้วผมจะกลับวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ช่วงวันเสาร์เนี่ยพระอาจารย์เห็นควรว่าผมควรจะลงมาเอ่าลงมาเดิน กับพระอาจารย์ตอนมีนาบัตดด้วยไหมครับหรือว่าควรจะอยู่ภาวนาไปครับกวนาจะดีกว่าถ้าตอนอนได้ในป่าเดินไปไนก็ได้ไม่สําคัญเท่าไหร่ครับภาวนานี้มีประโยชน์กว่าครับผมอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวผมลงมาขอกราบพระอาจารย์วนอาทิตย์ลงมาด้วยนะครับได้ไม่ไปเปลี่ยวๆให้มันยาวๆนานๆเลยไม่ต้องมาเจอใครครับผมครับเราะนั้นไม่ขาดตอนถ้ามาเจอคนแล้วเนมันขาดตอน ครับอาจารย์ครับครับกับกบพระคุณครับอาจารย์ขประสบไปครับประสบมาเลยนี้นะครับผมโอเคะใครตอบก็คุณบัทลาพรเนี่ย้คุณธนันชัยก่อนคุณธนันชัยนะมสกาจารย์พระอาจารย์วันมาคาบูชาครับกาบสุโตครับพระคุณพระโตครับก็ มาครั้งที่สี่ครับท่านอาจารยว์วันนี้จะมาสอบถามข้อสงสัยแบบของกรณีอย่างออผมอปฏิบัติอย่างที่ตอนแรกที่เคยเรียนอาจารย์ไปนะครับเคยปฏิบัติในเชิญเขาเรียกไม่ไม่บอกเอ่ยนามนะฮะอาจจะเป็นแนวสัมมาอัลลหังเนี่ยไปถึงกายอลหันซึ่งเป็นการถอดกายไอเขาเรียก ดูกายในกายนะครับอ hmm. แล้วก็แนวของมโนโมยิทธินะครับอ hmm. ก็จะเป็นการที่ส่งจิตไปจุรามณีพระจุรามณีแล้วยัเห็นคูบาอาจารย์เป็นพู้เจ้าเจ้าได้เรียนครียานนี้ก็เลยจะเรียนถามให้อาจารย์ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็กลับมาพุโทโธใหม่ได้ก็คือกลับมาทรงจิตกับตัวเอง uh huh. ก็คือเป็นอาณาปณะสติกรรมฐาน ก็ส่งจิตอยู่ทุกวันได้เรื่อยๆแล้วพอมันจะเลกไปแนวสัมมาอรหังก็ไปทางโน้นได้แล้วพอจะเลกถึงแนวโมโนมยิทิก็ไปทางโน้นได้คล้คลายๆมันมีสามอย่างอยู่ในตัวครับท่านนี้ก็เลยจะสอบถามแนวทางแบบที่จะทำให้มันหลุดจริงๆครับท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีไปติดอยู่ อีกสองแนวทางแล้วก็พอแนวทางพุโทโธนี่ก็ลึกมาแต่เด็กก็กลายเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของเราที่สามารถทรงจิตให้นิกได้ตลอดซึ่งอะไรเป็นเขาเรียกสมถะอะไรเงี้ยครับก็เลยช่วงเนี้ยผมก็เลยพยายามจะมาศึกษาวิปัสสนาเพิ่มก็จะปรึกษาให้อาจารย์ว่ากร น, นี้เนี้ยบางทีถ้าเราคิดไปอีกแนวทางหนึ่งของ เขาอาจจะเป็นกรรมฐานเป็นเชิงเหมือนกับเกสินชนิดหนึ่งนะถ้าผมมองนะฮะอย่างอีกสายหนึ่งนะเป็นอาจจะเป็นอารมเกสินเนี้ยเพ่งลูกแก้วเป็นอารมณ์แล้วเป็นเห็นองค์พระอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยแต่เราก็จินตนาการไปให้ครบจนถึงกายอรหรันอะไรเงี้ยครับคน<ม>นี้ก็เลยพอมโนมยุทธกิก็วิ่งไปถึงนิพพานอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะปรึกษาท่านอาจารย์ว่าแนวทางที่ควรจะทําให้ถูกจริตนะครับครับเ<ม>ขาเรียนปรึกษาครับท่านอาจารย์ คือแนวทางสมาธิและสมถตาเนี่ยมันมีหลายแนวทางด้วยกันอย่างสัมมาอราหมายัคขโตอย่าอาณาปนาสติเนี่ยมันมันก็เป็นแนวทางสู่สมธาธิได้เหมือนกันครับสาธุครับแต่จะาแนวทางที่จะไปสู่เป็นอริยะเจ้าระดับโสดาสติกาณาคานาอานหันเนี่ยมันต้องเจริญปัญญาละ ส, สังโยชน์ต้องตัดสังโยชน์ให้ได้ ครับทั้งสังโยชนในสิบข้อเราไปเปิดดูเป็นข้อหนึ่งเรียกว่าส ก, กายาทิฏฐิความเห็นว่าขันหามเป็นตัวเราของเราอย่างนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราต้องมาเห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นอนาัตตาเข้าใจไหมจะเข้าสู่ความเป็นสุตดานด้ อันนี้มราใช้ปัญญาต้องศึกษาต้องสอนใจว่าร่งกายนี้เป็นเพียงดินานา้ำล ม, มไฟทำมาจากธาตุสี่ไม่ใช่ตัวเราของเรามารวมตัวกันแล้วก็เป็นอาการสามสิบสองที่ไม่เที่ยงเกิดกต้องแก่ต้องเหยียต้องตายในที่สุด ก, ก, ก็กลับเขินสู่ท่านเดิมครับสาธุครับอันนี้แหละเป็นการที่จ ะ, จะเจริญกางปัญญาและวิปัสสนา ไม่ใช่นั่งเพง่งมจะจะถึงขั้นนู้นขั้นนี้มันมันเพง่งมันก็ได้แต่ขั้นสมาธิเท่านั้นเองครับเข<ห>้เาใจครับเข้าใจครับกันอย่างสมมุติเราตอนเนี้ยเราไปเห็นอะไรต่างๆยกตัวอย่างตอนเนี้ยสมมุติผมไปเห็นเก้าอี้เราก็จะทําให้มองว่ามันเป็นมาจากธรรมชาติจะพูดง่ายว่ามันธาตุดินนะเป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินของเหลวก็เป็นธาตุน้ำ จะมองเห็นเป็นแอนเลยครับก็คือสือว่าตึกเราก็มองว่ามันก็มาจากดินก็คือปูที่ทําก็เอามาจากหินออที่มากเกาะก็เอาแม่อันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่นะเพราะเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนะถ้าไปดูไอ้ตัวที่เราเห็นว่าเป็นตัวตัวนั้นมันเป็นเหมือนตึกได้ไหมร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเหมือนตึกได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องย่อยสลายไปครับเหมือนกันมันก็ทํามาจากดินเหมือนกันนะ ข้าวที่กินเข้าไปมันก็เป็นเด็กเราต้องดูร่างกายของเราว่ามันเป็นเหมือนตึกเหมือนต้นไม้แล้วมันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นคนสั่งมันเราเป็นจิตเป็นใจใจเป็นนายกายเป็นบาปนี่คือวิแนวทางวิปัสสนาแยกจิตออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาสาธุครับถามหลวงพ่ออีกคําถามหนึ่งผมได้มีโอกาสไปนมัสการท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่สุรินทร์นะครับท่านบอกว่าดื่มน้ําไม่ต้องไปขอเอ่ยน้ําฮะดื่มน้ำเข้าไปแล้วน้ําอยู่ที่ไหนจิตคนเราก็จะอยู่ตรงนั้นครนี้ก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า ที่ตรงกลางท้องเราเนี่ยไม่ถึงว่าตรงกลางท้องเรามันจะมีรูอยู่รูหนึ่งอันนี้มันมาแชร์นะครับมีอยู่รูหนึ่งก็คือสมมติเราจิตมันตกไปละแล้วจิตก็จะไปอยู่ในนั้นเหมือนกับเป็นแอคชั่นล็อกออกไม่ได้ละแล้วจะพัฒนาเราไปสู่โลบุตรละผมก็เลยจำตัวนี้มาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นวันมา อาสาระหาบูชาเนี่ยอเผอิญว่าไปเปิด YouTube ฟังเขาเรียกเขาเรียกธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีแต่ใน y o u t u ู e ก็จะมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยครนี้จะมีอยู่ตรงหนึ่งเราก็ฟังไปเรื่อยก็อินตามใส่หูฟังนะครับอินตามไปเสร็จจนกระทั่งมีอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าท่านอัญญาโกธั ญ, ญะได้เห็นแล้วนา อ, อะไรเงี้ย หมายถึงตอนที่ผู้เจ้าท่านแสดง <ทำ S 2> ประทบ ม, มะเทศสน์อ่าแต่เสร็จแล้วตอนนั้ น, น่ะจิตผมดิง่งเหมือนกับเข้าสมาธิจิตดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงไปแบบจะลงไปครนี้พอลงไปแบบลึกๆไปเรื่อยๆผมก็เลยไปนึกถึงที่หลวงตาท่านนั้นพูดจะจะลงไปเสร็จผมก็เลยหยุดจะเลยจะถามหลวงหลวงพ่อว่าพระ อ, อาจารย์ว่าเนี่ยอาการอาการจิตดิ่งหลังจากที่ได้ฟัง ทำทำเราจะควรเลยหรือว่าหรือว่าแบบหยุดอะไรเงี้ยครับแต่ในซื้อเป็นดิ่งดิ่งไปยังไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปทําอะไรครับเวลามันจะดิ่งเข้าไปมันดิ่งไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปห้ามมันดูว่ามันจะดิ่งถึงที่ไหนไปถ้ามันดิ่งเข้าสูบความสงบก็ใช้ได้ดิ่งเท่าเน้นสงบเย็นสบาย สาธุครับตอนนั้นคือไม่กล้าดิง่งโอเคครับปล่อยไป แ, แล้วก็ฟังทำต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับอาการดิง่งเขครับสาธุครับจะถามคำ ถ, ถามสุดท้ายครับก็คือเข้าที่ศึกษามาเนี่ยจะมีว่าพระอรหันต์มีหลายประเภทนะครับก็คือสุขวิปัสสโก ช, ะ ล, ะโชละกินโยเตวิชโชแล้วก็อะไรสัมปติ อะไรทิดทายาลสัยอย่าพูดไม่ถูกนะครับแต่ละท่านนี่ก็คือบามีไม่เท่ากันหรือว่าเท่ากับฝึกจิตมาคนละแบบกันนะครับจะรบกวนรึกษาอาจารย์อันดีตชาติอาจจะมีการฝึกฝนมาต่างกันในเวลามาบรรลุเป็นต้าหลานก็เลยมีสี่ลักษณะด้วยกันสุกวิปัสสกเกิดบรรลุธรรมแบบธรรมดากิเลสลาสัโยนได้สิทประการ ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรบางท่านก็บางท่านก็ บ, กบกรรุแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวก็ราบรสชาติได้ใช่ไหมอันนี้ก็บางท่านก็มีทิฏปฏิหารต่างๆเออเดินอากาศไรือะไรต่างๆได้ติดต่อกับกายทิฏเะไรได้แล้วบางท่านก็เก่งทางด้านแสดงธรรมอันนี้แต่ละคนมีมีนิมีความรู้สามารถพิเศษที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็เกิดสิ้นกิเลสเหมือนกันกิเลสสิ้นพ้นไปหมดจากใจสิ้นสุดการเวีนว่ายตายเกิดเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษที่ได้มาไม่เท่ากันอย่างภาษาลิบุตรนี่กได้ทางปัญญาได้ทางแสดงคําพระโมกกราก็ได้ทญญางอิทธิรทธิปาทิหาริยครับอันนี้เป็นไม่เราไม่จำเป็นจะต้องไปกังวล ขอให้เราล่าสังโยอน์ิตคือชำนาจิตให้บดกิเลยได้ก็พอส่วนอย่างอื่นมันจะมีหรไม่มีก็มไม่เป็นไรมันเป็นของแถมของแถมที่ติดมากับใจสาธคุครับครับจะจะเรียนถามพระอาจารย์อีกคาถามหนึ่งก็คือผมก็สงสัยสภาวะนิพพานก็คือสมมุติว่าพระอัครสาวกพระสาวกที่เป็นอรหันต์ทั้งหลายสาเร็จแล้ว รวมถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ใหมเขาบอกว่ามเมล็ดทรายนี่ยท้องมหาสมุทรก็คือกว่าจะเกิดดับเติดดับมีพระเจ้าองค์ใหม่มาแต่สรูปรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าในบาง mm hmm. ช่วงที่ไม่มีพระุทธเจ้านะครับ mm hmm. ก็ในสภาวะนั้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเผือท่านอาจารย์เมตตาเอ่อว่าแล้วสภาวะนั้นท่านจะเห็นกันไหมหรือว่า ต่างคนต่างอยู่มหรือว่าเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติวันล้นวนไปเลยอยู่ในกับธรรมชาติไปเลยนะครับก็เลยอันนี้มันเป็นเป็นฐานะของพราอาหารท่านาที่จะรู้ได้พวกเราถุกทุกชนอยไปสนใจะคิด ย, คยังไงก็คิดคิ ด, คดไปแล้วเดออี๋ยวอ่คิดไมวออกแล้วบบถามดูครับ ก็เป็นเรือ่ออจินไต่เลยพี่นองนั้นใช่จินไต่เขาให้รู้เพียคร่าวๆว่ า, ว า, ว า, วาวนิพพานคือสภาพจ็ตที่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะก็แล้วกันส่วนท่านจะไปติดตามันได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้พูดยากพราประวัติหลงปู่มัน่นท่านก็มีสแสดงว่ามีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมให้หลงปู่มั่นฟังครับสาธุครับอาทิตย์นี้ก็ท่านี้กันครับก็ละมัสการอาจารย์นะสาธุครับ คุนพัทนาพรบัวศกวันนี้เร่งหน่อยนะสี่สามชั่วโมงกว่านะสามชั่วโมงสิบแปดนาทีนะอัานักชาตการเจ้าค่ะหลวงพ่อจะมอะไรไหมหลวงพ่อเจ้าค่ะอาจจะถามว่าออ่่าาการพิจารณาอริยสัจสี่คืออะไรเจ้าค่ะกอทุกสมุทัย น, นี่ร้อนมากเลยทุกก็คือเวลาเราไม่สบายใจเนี่ยเรียกว่าทุกอะไรใช่ไหมนะคะ เราก็หาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็จะเล่าบอกว่าวกเกิดจากความอยากอยากให้เขารักเร า, าเขาก็ไม่รักเราเราก็ทุกข์อย่างนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้ววิธีจะทําให้ทุกข์หายไปทํำยังไงก็ อ, อย่าไปอยากให้เขารักเราสิไม่ต้องไปแคร์เขเขาจะรักเราหรือไม่รักเราก็าเรื่องของเขาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้สั่งก็ไม่ได้ อยากไปหวังความทุกข์อยาไปหวังความรักจากเขาเราก็จะไม่ทุกข์อะไรนะถ้าเขาไม่รักเราใช่ไหมเนี่ยเกิดระยะสัตว์สิเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะสากาบสางโชส์เหมือ น, นลูกเนี่ยวางให้ลูกเชื่อฟังเราเขาไม่เชื่อฟังเราทุกข์ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าบอกว่ามันหูหนวกตาบอดไปวางให้มันเชื่อเราได้ยังไงมันจะเชื่อก็เชื่อมไม่เชื่อก็ไม่ของมันเราก็ไม่ทุกข์อะไ จ, จริงไหมจริงจ้าค่ะอ่าก็เลยริเริ่มสรความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความดับทุกข์เกิดจากการไม่ตัดความอยากนั้นทิ้งไปให้ได้เพราะเห็นว่ามันไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เพราะวนะ่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างมันเป็ น, น, นตา่างอ น, นัตตาใ่าช่ใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วมันจะได้ไม่ไปอยาก สาธุสาธุสัก ค, ค่ะอหลงพ่อมีสุขกับร่างใจแข็งแรงสักค่ะส า, สาธุเนี่ย น, นี้ต้องเร็วหน่อยนะเพราะเรามาทีหลังเวลายั ง, งยมีคิวต้งหลายคนอยู่เนี่นยจะไล่ไปให้หมดนะคุณแนนจอดคุณน น, นประภาพรต้องขออภัยขอสั้นๆหน่อยนะไม่ต้องอยาวมีคําถามมาถามเลยรับนำ้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ในวันมาค้บูชาค่ะ โอเอยู่ที่ไหนอยู่สวีเดนค่ะ oh, อ๋อสวีเดนนะฮะทุกที่ทางสว <Okay. S 1> ีเดนมีมีงานใส่บาตมีอะไรหรือเปล่ามีวัดไทยหรือเปล่ามีค่ะแต่ค่อนข้างไกลค่ะ <Okay. S 2> ไม่คย ไ, ได้ไม่ค่อยได้ไปก็ป <c oughs> ทำบุญที่บ้า น, นแล้วกันนะั่งสมาธิไปนะค่ะโอเคค่ะคนที่คุณพีทีเดอะคิดคนนิดอ่ะคนนิดอ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหนูเข้ามาอ่อไม่ต้องใส่หน้าการกไ็ได้ค่อาจารย์ได้ยินได้ินถึงหมั้คะได้ยินได้ยิน ค่ะพอดีหนูกลับมาอังกฤษแล้วค่ะพระอาจารย์ออสบายใจขึ้นเยอะเลยตั้งแต่กลับมาอังกฤษแต่ก็อยู่ที่บ้านก็โอเคค่ะพอดีหนูกลับมาจากพระอาจารย์เต๋อวันนี้ไม่มีคภาษาอะไรก็ค่ะโอเคขอบคุณเยังก็ไปที่ท่านต่อไปนะคนเด็ดคนเด็ดไปเยอะก็ทำไม่ดีอะไรก็ขอข้ามไปไปที่ท่านต่อไปเลยนะ ก, การนมัสการครับมันเก๋มากเลยเ่ยเข้ามาครั้งที่สองเลครับก็คราวที่แล้วอาจารย์แนะนําว่าถ้าเกิดนั่งแล้วมันจะไปติดที่จมูกที่ลมหายใจอเงี้ยอาจารย์บอกให้พุโทโธพุโทโธเข้าไปเนี่ยครับแต่พอลองทําแล้วครับคือพุทโธพุทโธมันกลายเป็นอืดออัดอครับอาจารย์ดูลมก็ไม่ได้ลองดูที่ท้องได้ไหมถ้าดูลมที่จมูกไม่นานลองดูที่ท้องก็ไนดะยุบเนอพองเนออ่าครับ แต่รู้สึกว่าพอพุโทโธแล้วเราไปดูที่ท้องหลุดมันมันสบายครับแล้วมันเหมือนอนั่งได้นานขึ้นครับได้ก็ดูที่ท้องใช่แล้วคับแล้วที่นี้ตอนที่เดินไปเราไปทํางานเราเดินไงครับเรารู้สึกพยายามจะมีสติกับการที่เดินครับมันเหมือนเราไปอาจจะเป็นเพราะเราตั้งใจไปเพ่งมันมาครับแล้วมันเลยอึดอาดครับอาจารก็เดินไปพุโทโธไปแทนก็ได้พุโทโธใช่ไหม เดินแต่ก็พุโทโธพุทธเมืนเดินล้างพย์เงี้ยครับแล้วก็เดินแบบพุโทโธพุทธไปเป้าหมายคือคอยควบคุมมาให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับโอเคครับแล้วว่ามีอยู่เอ่าหลายปีครับแต่เคยเคยลักษณะว่าเหมือนมันเอามาเห็นตัวเองกําลังนอนรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าตัวเองกําลังนอนกลนอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจเกิดเกิดอะไรขึ้นครับคือนอนล้มไม่สนิทไง แต่คือมันเหมือนเราเห็นตั ว, นะตวเองก็อะไรงนี้แหะครับเคย น, นอนน้ำไม่เฉยมันเกิดเครื่องหลักตื่นครับแต่พอมาช่วงนี้ที่ทาได้นั่งนั่งแล้วรู้สึกนั่งนั่งได้ยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าถึงจะนั่งตอนตีหนึ่งตีสองเช้ามาก็รู้สึกมันไม่ง่วงไม่เพียครับก็ดีเพราะว่าเวลานั่งสมาธิมันก็ได้พักผ่อนร่า ง, งกายไปด้วยพอๆกันอย่าแล้ว ร่างกายไม่ได้ทาอะไรความเหมือนท่านที่คุยก่อนหน้านี้ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยเหมือนเรานั่งไปอ้าพอพ อ, พอรู้สึกรู้สึกตัวแบบไม่ใช่ครับเหมือนพอเราจะจะนอนจริงๆครับก็เหมือนเอ้าวเรานั่งไปชั่วโมงกว่าเนี้ยก็อัดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนระับได้เวลานั่งสมาธิในเวลานานเวลามันจะผ่านได้เร็วอือครับโอเคนะแล้วหมดนล้วใช่ไหม หมดแล้วครับขอบคุณอาจารย์ครับขออาจารย์ทอดแข่งเองเลงครับคนกาเฟ่ตาคนกาเฟ่มากรจารย์ครับไม่มีคำนามนะครับไี่มครับมีความก้าวหน้าขึ้นเล็กน้อยครับโซล่าใช่ไหมโซล่าครับวันนี้ดูพระจารย์ตักบาทแล้วก็ฝับเพื่อนไปตักบาทครับดูตลอดเลยครับครับ คนที่นาชอบคนที่น่าชอบ อ, อูที่ไหนเปิดไม้ได้ยังเหลืซ้ายไหมผมน่าผมซ้ายครับ okay. สวัสดีครับผ้ อ, อาจารย์และเพื่อนๆทุกคนครับเข้ามาครั้งแรกครับอดีเจอเบ๊เข้ามาครั้งแรกครับผม<ต>ผมอยู่ประเทศไต้หวันครับอยู่ไต้หวันนะครับผ ม, มคาถามแม่ อ, อ๋อก็คือว่าผมเนี่ยบางทีก็ ถ้ามีโอกาสผมจะนั่งประจําตอนเช้ากับตอนเย็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงพยายามนั่งแบบนี้แล้วก็เอ่อก็ก็คือว่านับลมหายใจครับก็คือพยายามรู้ว่าตอนถ้าเกิดว่าตัวเองกําลังคิดก็รู้ว่าตัวเองคิดแล้วก็ดึงจิตกลับมาพยายามทําแบบนี้ทําแบบนีแบบ้แบบนี้ครับแบบนี้ถูกพยายามหยุดความคิดพยายามหยุดนับลมหายใจไปเรื่อย ครับถ้ารู้ว่าตัวเองคิดก็ดึงกลับมาว่าอ๋อคิดแล้วหรือแล้วก็แล้วก็นั่งไปตอบพูดโทพูดโทแบบ น, นี้เรื่อยๆใช่ไหมใช่นั่งไปยังไงจะนั่งไม่ไหวก็รุกขึ้นมาเดินต่อถ้าจิตยังไม่สงบก็รุกข์ขึ้นมเดินต่อถ้าจิตสงบมันก็จะนั่งต่อได้นานครับครับคับตอนนี้นะมีอะไรไห<ข>มข อ, ขอบขอบคุณพระอาจารย์ครับขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโอเคสาธุทุกครับ คุณแอนเกเชิญคุณแอนเกต่ออยทีไหกคุณแน เ, เ น, น, น, น, นาสักการ์ดอาจารย์ค่ะอยู่โตเกียวค่ะโตเกียวน ะ, ะ, รระซึ่งเคยเข้ามาครั้งแรกค่ะเดยินดีตามนั้นขอบพระคุณค่ะพอดีว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์มานี้ค่ะเจอไอทีลิทลูกเสียงอายไปคุณแอน มากก็เลยต้องหาธรรมะเข้าช่วยคมใจค่ะแล้วก็เปิดเปิดเปิ ด, ปดมาเจอเพจของพระอาจารย์ก็เข้ามาฟังฟังธรรมะบนขาวทุกวันตอนทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมไปค่ะก็ค่อนข้างสงบได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วทีนี้มีคำถามว่าตอนนอนนะคะอาจารยออ์จะสวดมนต์ทีนี้ถ้านั่งสวดมนต์เนี่ยค่ะเขาก็จะไม่นอนเพราะ ได้นอนสวดก็ได้ถ้าจนอนถ้าจะสวดเพื่อให้นอนหลับก็นอนสวดไปก็ได้แต่ถ้าจะนอนถ้าจะสวดเพื่อให้มีสมาธิก็ต้องนั่งสวดอ๋อทีนี้ถ้าจะทําสมาธิต่อก็คือจําเป็ น, นจะต้องนั่งนอนก็ได้แต่ควนอนแล้วมันจะหลับไหมอ๋อถ้านั่งอยู่ข้างๆเขาจะจ ะ, จะได้ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าจําเป็นจะต้องออกมานั่งหน้าหน้าคราบไหม เราไม่จาเป็นนั่งที่ไหนก็นได้ถ้าเขาไม่ไรบกวนจราอ๋อค่ะจําเป็นอีกไหมคะว่าก่อนบ้างไงเสียงหายไปอากาศให้หายสายไปแล้นมบางคุณนอกคนเย่สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีครับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้เครื่องนะ ไม่ดีหรอค่ะ เ, เสียงมันขาดขได้หายเราเข้ามาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆจอนอ ย, ยกยกยกจอขึ้นเลยก็ได้ให้ให้ให้มุมมันเปลี่ยนนะจะได้สัญญาณจะดีขึ้นนะเอเราพู ด, ไ ด, ดได้เราพูดได้ได้ยินไหมคะได้ยินนะได้เเอเมื่อสักครู่ที่ถามว่าจําเป็นไหมคะที่จะต้องสวมดมนต์ก่อนทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิอะคะ่ะ ไม่จาเป็นหรอกถ้านั่งได้เลยเขาไม่ต้องสวยถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องสวยก่อนอแล้วก็เออท่องพุทโธพุทโธไปคือก่อนหน้านี้ที่อยู่เมืองไทยอ่ะค่ะจะจะเคยไปอีกวัดหนึ่งแล้วก็จะติดกับเ อ, อยุคหน อ, องของเราแต่ว่ารู้สึกว่ามันติดอัดแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกพอมาพุทโธพุทโธมันเขาจะเรียกนะคะมันจะ ทำให้สับสนไหมคะไม่เราเราสามารถเปลี่ยนได้อันนันที่มันหเหมาะของเราเราก็ใช้อันนั้นไปค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้คําถามมีแค่นี้ก่อนเอากันค่ะเดี๋ยวกลัวคนอื่นไปได้โอเคเพรามันเยอะแล้วนะเดี๋ยวต้องขอขอไปแล้วอาทิหน้าเข้ามาใหม่นะอยากจะถามคำถามอ่าโอเคสวัสดี คนติด พ, พิดาเชิญจอดครับ USA Virginia เป็นยังไงกลับบ้านหรือยังกลับนมัสการครับอาจารย์ยังไม่กลับค่ะน่าจะประมาณ 3-4 เดือนครับอาจารย์สเดือนนะค่ ะ, ะนะวันนี้หนูไม่มีคำถามค่ะหนูเข้ามากลับนมัสการพระอาจารย์มามาคบูชาค่ะยินดีต้อนรับคอใหมีความสุขมาบบ้านนะแต่ขอบพระคุณค่ะเราจะพยายามปฏิบตัติต่อไปค่ะโอเคขอบคุณ คนดิติพรเชิญคนสุดท้ายแนละ้วดิติพรสวัสดีครับพระอาจารย์ครับที่ไหนอยู่สระบุรีครับพระอาจารย์ยมีคำถามอะไรไหมมีครับผมเคยปฏิบัติอ่ะครับแล้วเหมือนเหมือนจะมีเห็นจิตทํางานแล้วเหมือนได้ความรู้ว่าเหมือนมันไม่ใช่ตัวเร า, ามันทั้งความคิดความจําแล้วก็ ต่างๆนะครับมันความคิดเราก็ไม่ใช่ของเราด้วยครับมันเป็นตัวผลิตความรู้ตัวผลิตความคิดด้ยเป็นเครื่องเครื่องจักรแรงดึงมันหมุนๆแบบพอยายามให้เราเข้ามาเข้ามาครับอาจารย์มันไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ครับแล้วผมก็ไดยรู้เหมือนว่าสมัยก่อนผมจะเหมือนตัวละครที่เข้าไปเล่นในเกมครับแต่ตอนนี้เหมือนผมมานั่งดูเขาเล่นเกมอไอย่างเงี้ยครับอาจารย์นั่นแหละถูกต้องเราเป็นจระรู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายเรากําลังเล่นเกมอยู่ใช่ครับอาจาร แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบแยกกายออกจากใจแยกใจออกจากกายให้เราว่าเราเป็นใจเราอยู่ที่ใจใจเป็นตัวสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆคือช่วงนี้ผมแบบไม่มีความกลัวตายเลยครับแบบว่าโอเคผมนั่งรถอยู่เนี้ยโอเคจะตายก็ตายผมก็จะนั่งสมาธิต่อไปอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเกมนั่นเองเป็นดูร่างกายตายใช่ครับเหมือนเรายก็ไปเล่นตายไปครับเล่นเกมนั่นก็เป็นธรรมะที่เราจัก ทำมาเปรียบเทียบกับร่างกายแล้วกัใจแล้วใจเราเป็นผู้เล่นร่างกายเป็นตัวเล่นใช่แบบนี้เลยครับอาจารย์เด็ดั้าไม่กลัวตายก็ดีกลัวเจ็บแม่นันนเรากลัวเจ็บด้วยนะต้องคือถ้าถ้าสมมติถ้าแบบคือพยายามมันมีมันมีช็อตที่แบบเป็นแยกจากเวทนาของกายกับเวทนาของจิตคือเขาแยกออกจากกันได้ด้วยครับแบบว่าต่อยกายเจ็บกายจิตก็ของเราจะมีแค่สุขทุกความสุข แล้วก็เฉยอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เฉยไปอย่าไปสึกไปทุ่คํามันใช่ครับเราเวลาผมนั่งสมาธิว่าเวลาเราจะขึ้นไปจะมีเบี่ยงเบี่ยงแบบเหมือนเรา่ะพุ่งขึ้นไปแล้วทีนี้มันเบี่ยงเบี่ยงสมมติถ้าเราตั้งว่าผมชอบพูดว่านิพานนี้ไม่มีการเกิดก็ไม่มีการไม่เกิดก็ไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เราที่นี้จิตมันก็จะวุบเข้ามาอยู่ในทางแบบตรงๆอย่างเงี้ยครับคือถ้ามันอยู่เฉยๆใช่คํา แต่ไม่ตัดความอยากทั้งหมดให้ได้นะอยากเป็นอยากความอยากอะไรก็ไม่ไม่ได้นะแต่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เป็นนิพพานนะใช่ครับก็จะมีบ้างแต่ว่านดน้อยลงจะไม่กินเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนคือมีอารมณ์ไปร่วมด้วยไงครับแต่ตอนนี้อารมณ์มันแบบบุ๊บออกมามันจะบุ๊บออกมาเองอะเด้งออกมาเองอะครับพระอาจารย์พยายามให้มันเชยเชยให้มากที่สุดครับตัดความอยากตัดให้หมดให้หมดหมดไปมันถึงจะเป็นนิพพานได้มาได้เราต้องตัดยังไงครับพระอาจารย์อุเบกขาเหรอครับ <พ>อาจารแล้วฝืนมันมันอยากดูก็ไม่ดูมันอยากฟังก็ไม่ฟังครับโอ้โอเคครับผมต้องพัฒนาเป็นพั้วก็จะเจริญไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเออแล้วมันจะเจริญไปเลยจิต จ, จ, จ, จสะสงบจะมีความชงบมากไปต่อไปมันไม่ต้องดูต้องฟังอะไรมันก็มีความสงบไดคบ้ครับอาจารย์ครับโอเคนะโอเคครับมีเข้างในสองอท่านคุณกันต่ายเช่น คระต่ายยิ eh ่งใหญ่ bye. Bye ับลมแข็งเรนะคะอ่าใช่คนกระตายเปิดใบต่อได้อยู่บางวัดทองนนทบุรีค่ะมากราบแมรสการพระอาจารย์วันมาค้บูชาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ออนไลน์พระอาจารย์มานานแล้วค่ะคนนี้หนูเคยเรียนแบบปฏิบัติมาหลายแบบเอ่อแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาฟังพระอาจารย์แล้วเข้าใจฟังเทศป่ายสองบ่อยๆนะคะคนนี้ตัวหนูเองเนี่ย เมื่อกี้เนี้ยบองตรงไม่อยากเกิด <laughs> ไม่อยากเกิดนะคะเพราะว่าคิดมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาั่งปฏิบัติแบบพูดโธพูดโทพูดโทพูทพูดโทรัวเลยค่ะรัวอยู่เนี้ยค่ะคือถ้าผูถ้าพุโทโธรัวอย่างนี้ให้จิตอยู่กับคําว่าพูโทโธเลยใช่ไหมคะใช่อยู่กับคาพุดโทด ต, ติดไปกิดต่างๆติดกับคําว่าพูโทโธเกาะติดไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะแน่นจะสมองไม่หยุดมันได้ไปหยุดพูดโทได้ถึงแม้เสียงรอบข้างยังไงแต่จริงๆเราก็ยังได้ยินอยู่ ถ้าไมาธิจริงๆแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันนั่นอ๋อคือจะมีอะไรก็ก็แค่รู้ไปแล้วก็เราก็เกอะไปอย่างเดียวเลยวางเฉยให้ได้อ๋อโอเคค่ะงั้นก็เท่านี้ค่ะก็อยู่แต่เขาเรียกตั้งใจมากขึ้นนะคะดีน้องทำได้เลยนะแต่ถือว่าพึ่งค่าเชิญคุณธรรมรัตน์คุณธรรมรัตน์อยู่ที่ไหนคุณธรรมรัตน์ ก่อนไปก่อนย่ามุงชายนั่งกรับพิการป้าอาจารย์ครับอ่ผมอยู่รามอินทราครับกรุงเทพครับครับก็ก็ฟังป้าอาจารย์ออนไลน์เป็นทุกสิบออนไลน์เหมือนกับท่านเมื่อกี้เลยครับฟังอธรรมะบนเขาช่วงบ่ายสองครับแต่ว่าภาคหลังๆนี้งานงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็ทําให้ไม่สามารถที่จะติดตามได้ครับ แู้อนหลได้ดูย้อนได้ครับครับผมก็ก็จะพยายามติดตามพระอาจารย์แล้วก็พยายามจะอ่าคงคงต้องหาเวลาหัดปฏิบัติได้แล้วครับรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเริ่มปฏิบัติแล้วครับได้ดีเทิเวลาแล้วครับก็คงคงไม่มีคําถามครับคงมากราบนะวัตการพระอาจารย์ครับแล้วก็ <Okay. S 1> ขอให้ท้าทันพระอาจารย์เอมีสุขภาพาแข็งแรงครับผมโอเค สาธุนะยินดีต้อนรับการทีไ่ไปที่เฟซบุ๊กไปหมดละคำถามมีทั้งหมดสิบห้าคำถามจากทาง YouTube และ a ฟ e b o o k เจ้าค่ ะ, ะคำถามแรกจากคุณสนทยาขออนุ ญ, ญาตสอบถามครับเรื่องการตบยุงฆ่ามดแมลงสาบครับเรามีวิธีการจัดการกับสัตว์ตัวเล็กๆอย่างไรไม่ให้มารบกวนเราหรือลูกอของเราที่ยังเล็กอยู่ แล้วก<ช>็หาวิธีป้องกันองการมุ้งถือทําไมาก่อนก็การมุ้งให้เขเวลาจะนอนก็การมุ้กันมดก็หาวิธีการมันอยาให้มันขึ้นบ้านอันนี้ก็มีช็อปทางกันมดได้เวลามดขึ้นตรงไหนแล้วก็ไปขีดตรงที่ทางมันเดินมันก็ขึ้นไม่ได้คุณถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกงาน ผมอยากออกบวชปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คิดว่าถ้าไปหาวัดป่าเพื่อบวชใกล้ๆบ้านจะได้เป็นการชักชวนให้มารดามาเข้าวัดทำบุญแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวัดนั้นจะมีครูบาอาจารย์สั่งสอนและเน้นการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือไม่หรือควรจะเลือกวัดที่ไกลบ้านแต่เราแน่ใจว่ามีครูบาอาจารย์ที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้และมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติจนพน้นทุกข์แล้วหรือเอาตัวรอดได้แล้วจึงค่อยไปหาวัดที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อโปรดมารดาดีครับได้เอาแบบแบบหลังเนี่ยดีที่สุดไปหาวัดใกล้ๆบ้านดีกว่าไปวัดที่มีกูบาจารย์มีสถานที่ปฏิบททัติดีก่อนปฏิบัติให้เราบรรลุก่อนเมื่อบรรลุแล้วเดี๋ยวแม่เขาตามมาหาเราเองเมันไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องมาหาแม่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวแม่ก็คิดถึงลูกเอง แณะเราอยู่ อ, อุดรมากเรายังตามไปที่อุดรนเครัทคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามใช่รหคําำว่าปฏิบัติธรรมตามเพศคาราะเพียงถือศีลห้าก็พอไม่ต้องตั้งใจถือศีลแปดศีลแปดจะมาเองอัตโนมัติข้าวเย็นก็กินได้เพราะอยู่ในเพศคาวาะไม่ต้องอดข้าวทำตัวเหมือนพระเพราะเกินฐานะ ให้ทําตามเพศคาววะก็พอได้ยินมาแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็เริ่มต้นทำแรกทุนนี้ก็ทำแรานี้ไปก่อนแล้วพอปฏิบัติมันได้ผลดีมันก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมันก็อยากจะรักษาศีลมากขึ้นถื้นสิบแปดแล้วก็อยากจะทําเหมือนท่าต่อไปเองถามต่อไปจากคุณวิทิดาหนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าถ้าเจ็บปวดทรมานมาก หรือหอบเหนื่อยมากจะค่อยโดสยานอนหลับและยากแก้ปวดแล้วร่างกายจะค่อยๆตายไปเองอย่างนี้ผิดไหมคะไม่ผิดคนระับไม่ผิ ด, ผดคำถามต่อไปจากคุณสัญญากราบนมัฒ ก, การพระอาจารย์ครับวันนี้มีคำถามคือข้างบ้านมีพื้นที่ประมาณเดินจงกลมได้ผมใช้เดินจงกลมบ้างแต่ไม่ทุกวันแต่มีต้นโพชอบมาขึ้น ตอนแรกต้นเดียวสูงประมาณหกถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรผมก็ขอพมาและตัดไปแต่ตอนนี้ขึ้นมาอีกสามต้นชักสูงประมาณเอวแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมจะขอตัดออกจะเป็นอะไรไหมครับเป็ น, นเป็นต้นพอก็ไม่ต้นไม้ต้นหนึ่งมันต้นมะละกอตัดได้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการขายควา ม, วามกต้องไปยังไงคุณถามต่อไปจากคุณเพียงใจ เคยเห็นสภาวะจิตบ้างครั้งหนึ่งครับเหมือนจิตเข้าไปรู้อารมณ์ของธรรมชาติว่าต้นไม้ใบไม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นแค่ขณะจิตเดียวแต่เกิดความรู้ทีหลังอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าต้องทำอย่างไรจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้อีกครับก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนจิตสงบมันก็จะเข้าถึงภาวะนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณรสิทธิตอาจารย์ครับทําอย่างไรจะเลิกเหล้าได้ตอนเช้าไปทํางานบอกตัวเองแล้วว่าจะไม่กินเหล้าพอตอนเย็นก็กินเหมือนเดิมครับกาเราไปอยู่ที่ไม่มีเหล้ากินนะ่าจะเลิกได้ไปอยู่ที่วัดเลยไปอยู่ที่วัไดไน้มันก็ไม่มีเหล้ากินเมื่อจะเลิกได้คำถามต่อไปจากคุณนิ่ม อยากถามเรื่องการเดินทางสายกลางเจ้าค่ะก็ทางสายกลางก็คือทางที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติคือทางศีลภาวนานี่เป็นทางที่จะพาเราไปสู่การหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ทางอื่นไปไม่ได้ทางที่หาหาความสุขจากรูปเสียงกิริย์รดมาทําให้ทุกข์มันไม่หายมันหายเดียวเดียวเนี่ยมันก็กลับมาใหม่กายเป็นทรามานร่างกายให้เราเจ็บปวดแล้วให้เราอยู่กับ ทาเจ็บปวดดดไไไ้้้มมันก่ํใหความ า, ามทกขคยําถามต่อไปจากคุณอูกราบเรียนท้าพระอาจารย์ถ้าเราเกิดในยุคที่มีสงครามถ้าเรามีธรรมะถ้ามีคนมาทําร้ายเราให้เราหนีถ้าเรามีปืนป้องกันตัวเองเราห้ามฆ่าคนที่จะมาทําร้ายเราใช่ไหมคะใช่นะไม่ทำร้ายใครนั่นนั่นไหวก็ทําร้ายเราพก็ออยังร่างก า, ายเราไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าเราไปทำร้ายเขาจิตเราจะตกต่าไปอบายถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาเข้มเราจตติตเ ร, เ, จเราจะขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลได้คำถามต่อไปจากคุณสุลสักราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมบริกรรมพุทโธกับลมหายใจเข้าออกคือหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโรไ่สักพักภาวนาแล้วไม่สะดวกติดขัดที่ปลายจมูก ซึงเปลี่ยนเป็นบริกรรมพุธโทเฉยๆก็าภาวนาได้ดีแต่พอภาวนาไปสักพักใหญ่ก็ติดขัดเหมือนบริกรรมพุธโธไม่ออกจึงเปลี่ยนมาบริกรรมพุธโธตามลมหายใจเข้าออกเพราะสะดวกดีจึงอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าการสลับคําบริกรรมไปมาอย่างนี้สามารถทำได้ไหมครับทำได้แต่ต้องดูที่ผลว่ามันมันได้ผลหรือไม่คือความิมันสงบหรือไม่ คำถามต่อไปจากคุณอรณนิชากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูขออนุญาตเรียนถามปกติลูกชายจะเก็บเงินใส่กระปุกทุกวันเพื่อเอาไว้ทำบุญเมื่อได้พอประมาณก็จะร่วมทำบุญแบบโอนเงินทำบุญที่วัดต่างๆรวมถึงไปทำบุญถวายอาหารพระสงฆ์ที่วัดบุญทั้งสองอย่างนี้ลูกหลานทำถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะถูกแล้วทำเงนองก้เองเขาก็จะได้บุญ แต่ถ้าเราเป็นเงินหนูไปบอกเขาว่านี่เอาไว้เก็บไว้ทําบุญเราไปใช้ย่างเป็นไม่ได้อย่างนี้เขาจะไม่ได้บุญเราบอกว่านี่การนของหนู่หนูจะไปใช้อะไรก็ได้ถ้าหนูอยากจะไปทําบุญก็เป็นสิทธิของหนงูให้เขาตัดสินใจเองให้เขาเป็นคนคิดเองถึงจะได้บุญคําถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการน้อมนําความคิดที่ทําให้เกิดทุกข์ ใช้พิจารณาเช่นไรในทางพุทธศาสนาต้องแยกสถานะสภาวะเช่นใดให้ถูกต้องตามแนวทางขอรับก็ต้องเห็นเวลาเราทุกใจที่เวลาเราทุกใจก็าถาองัวเองว่าเราทุกใจเพราะอะไรเนีเพราะว่าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ร่างกายเรามันมันจะ ติเชื้อโรคหรืออะนันไม่สบายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ลองพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มั น, มนเจ็บไายได้ป่วยไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะเจ็บไายได้ปวยมันก็ต้องเจ็บคไายได้ป่วยความอยากไม่เจ็บไายได้ป่วยนี่มันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมปล่อยให้ร่างกายมันถ้าถึงเวลามันจะเจ็บไายได้ป่วยก็ต้องก็ต้องปล่อยมันเป็นไป ต้องยอมรับความจริงความทุกข์ก็จะหายไปอันนิ้ยกเปรยียงคำถามต่อไปจากคุณแมวขอแบ่งเป็นสามคำถามน่คะกรับนมัสการคะ่ะถ้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเช่นรู้ว่าของของเพื่อนจะตกแตกมองเห็นตัวเลขมองเห็นสีต่างๆเห็นสถานที่ที่เขาอยู่ของคนที่คุยโทรศัพท์ด้วยเป็นบางครั้งซึ่งค่อนข้างบ่อย เป็นภาวะอะไรคะก็ภาวะอย่างที่เป็นนั่ก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างไงคถามที่สองอายุของคนที่จะสิ้นอายุไขโดยไม่ตั้งใจจากการทำสมาธิหรือการเพียงได้ฟังเนื่องจากมีผู้มาสอบถามและด้วยอาชีพคือเป็นหมอดู การที่เราอ่านใจผู้ถามได้และเราจะหมดพลังจากการทำงานตรงนี้พยายามนั่งสมาธิเพื่อทดแทนทุกวันไม่อยากมรุดอัมคันโสดาบันต้องเลิกเป็นหมอดูซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นมานานหรือค่อยๆเลิกไปคะ่ะก็แล้วแต่เราถ้าเราเลิกเลิกได้มันก็จะไปเร็วถ้าเลิกช้ามันก็ไปช้าท่นน่คำถามที่สามจะทำอย่างไรที่เราจะเอาจิต ออกนอกดูดวงแล้วเราจะไม่เหนื่อยได้บ้างคะออไม่ได้หรอกมันเป็นการทำงานมันก็ต้องเหนื่อยถ้าวิธีไม่เหนื่อยก็ให้จิตเข้าสมาธิไปให้จิตนิ่งๆมันก็จะไม่เหนื่อยแต่มันก็จะดูดวงไม่ได้คำ ถ, ถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามใจฟุ้งไม่จดจอ่อแก้ด้วยพยายามดึงสติอย่างเดียวใช่หรือไม่คะใช่ต้องใช้พุโทโธพุทโธ วิธีของสติอย่างได้อย่างหนึ่งหมดแล้วเจ้าค่ะโ okay. อเคก็หมดเวลาอดนนี้นกับจะสี่ชั่วโมงด้วยกันคันนี้ปล่อยให้เต็มที่เะยอมว่าญาติโยมทนนั่งฟังได้เลวก็ทนเากทนนั่งตอบได้คิดว่าพอสมควรเกร็เวลาสำหรับคืนนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัต